จเจริญพรท่านสาธุชนพุทธบริษัทผู้ฝ่ายธรรมทุกทุกท่านวันนี้เราก็ามาพบกันอีกครั้งหนึ่งเพื่อมาส น, น, าทานทานทาถามถามตอบคำถามเกี่ยวกับแนวการปฏิบัติทานสิงภาวนา คนที่สนใจผู้ใดสนใจก็สามารถเข้ามาสนทนาถามตอบได้วันนี้เราก็จะเริ่มต้นที่เด็กๆ ก, ก่อนวันนี้เด็กเยอะนะมาเข้าชิวราไว้เลยอาวามานะคุณจัก ช, ช่วยข้อหัวหน่อยค่ะโออาม้าเด็กกำลังใกล้ๆพกพกพก อันนี่ป๊อกปกปกปกยังดีหายยังไมยังไม่ดื้อเดื้อแล้วงต้องเข้าหัวเดี๋ยวอพระอาจารย์ดื้อพูดดีๆสิู่อาจารย์อาจารย์ดื้อเราสนมากหรือเปล่าพรอาจารย์ดื้อดื้อเราสนหรือเปล่าชนด้วยใช่ไหมชนด้วยอ่าทีด้วย มาที่กุติยืนเดียวไเปิดน้ำทิ้งเลยอาจารย์บอกว่าไงน้องไปเปิดน้ำที่กุติกะอาจารย์ได้ยังไงใช้เปล่าใช่ไหมคือมาตอนนี้มาอยู่ฮอกไกโดค่ะพระอาจารย์มาฮอกไกโดวันแรกเข้าแอดมิตรโรงพยาบาลเลยค่ะเออได้อยู่ที่โตเกไม่ได้อยู่ที่โตเกียวเลย กลับไปตัวเกียวสามวันแล้วก็บินมาฮอกไกโดต่อค่ะมาฮอกไกโดวันแรกไข้ขึ้นสี่สิบองศ า, เ, าเลยต้องแอดมิดหมอให้อยู่ถึงวันศุกร์ไม่ได้เที่ยวเลยค่เ <c oughs> ะเดี๋ยวโชว์ผ้าจานเยอะว่าจาก็หัวหน่อยยังไม่หายช่วงเย้เมื่อกี้เขาแล้วยังไม่หายช่วงเยอเดี๋ยวก็ห า, <c oughs> ายใจเย็น ง่วงง่วงง่วงแต่ว่าจะขอกราบพระอาจารย์ให้ได้เลยค่ะไม่ขอคุณเจไดแต่าคุณเจจะให้ไห้ยังไม่ใเอาติดได้ยังะจดจะได้วางนนนูว่าใรเเดี๋ยนู่นยิ้มุเจเขาไม่ให้อันนี้ไม่ใช่ไม่ให้ยังดูให้นู่นวสิเจะให้พระให้คุณพระอาจารย์คะเสื้อเขาเือยในก็ยังไม่หายช่นยงออก็แล้วป๊ป๊ ยังไม่หายชนยงนีปอหายยังกนวพอแล้วเมาน้ำเกลือแล้วเนี่ยมีอะไรจะเยอะไม่หายชเออนอนแล้วตื่นจะายาร์ขอให้แล้วไงให้หนูหายเร็วๆนะคะจได้ไปเที่ยวไหยังไม่หายอะหนูบอกพาร์ยอไม่หายชนหนูไม่อยากออกไปเที่ยวหรอยะอกไปบอกันทร์เยอะาหนูอยากกฝูเอาไปสิบอกยง ชนจะแยกช่วยข้หัวหน่อยแยกพี่หาเชอเลยขอแล้วขอแล้วพอแล้วพอแล้วพอแล้วนะบอกให้น้อไหมครับพี่นี้อยากไปวัดอีกโอเคเดี๋ยวเราไปนี่วกูฏิพระอาจัรอีกโอเคโอเคครับพม่่อะไรคัะพระอาจารย์มาแฉลบพระอาจารย์ขอพรให้น้องคุณไถ่เย์ไว้ค่ะตาตูปขออนามาเชิบานค่าเร็วๆเนาะ นองปูนไม่เอาไม่ใช่ของนู้ก็จะกดเรียกแค่นี้แล้วเขาก็จะจบวันวันนี้สุดยอดวันนี้สวดยอดแจมจมแจมใหติดน้ำเกลืออยู่นะคะอ่โอเคไปนงปก็จะปิดไฟแล้วอันนี้จะมันปิดเสียงได้นะอันี้จะมันกบแชทที่ เราวน้ำมาสการพลาดแขนครับเป็นยังไงน้องของหนูสนไหมครับสนครับอ่าว่าไงจะส่งกันบ้านใช่ไหมส่งครับส่งเราเรามีความแก่เป็นธรรมดาจะล่วงพ้นความแก่ไปไม่ได้เรามีความเจ็บไข้เจ็บไข้เรามีความเจ็บไข้เป็นธรรมดา จะล่วงพลความเจ็บใครไปไม่ได้เร า, ามีความตายเป็นธรรมดาจะล่วงพลความตายไปไม่ได้เราจะละเว้นเว้นต่างๆคือว่าเราจะต้องหนักจากของละของเจริญใจทั้ถายทังพวงเรามีกรรมเป็นของของตนมีกรรมเป็นผู้ให้ผลมีกรรมเป็นแดนเกิดมีกรรมเป็นผู้ติดตาม มีกรรมเป็นที่พึ่งอาศัยเราทํากรรมอันใดไว้เป็นบุญหรือเป็นบาปเราจะเป็นทายาิคือว่าเราจะต้องได้รับผลของกรรม น, นั้นเสื่อไปเราทั้งหลายคนพิจารณาอย่างนี้ทุกวันทุกวันเถอดทำแต่กรรมดีนะกรรมชื่ยอย่าทำนะค่ะโ อ, าาอเคเราลางกายเรามีอะไรบ้างมี ผมขนเล็บฟันหนังเนื้ออินกระดูกยีนอกระดูกม้ตาห um ัวใจกับพังเพินไตกอดไส้ให่ไน้อยแก้วยี่สมองีส pues nope. ันน้ำดี cosmos. น, น, น้ำเชลล์น้ำเหลืองน้ำเลื่อนน้ำแขน้ำมันขนน้ตานเหลอน้ำลายน้ำมูดน้ำไข่ข้อน้ำมูดน้ำมูดน้ำไข่ข้น น้ำตาน้ำขนน้ำเนียน้เลือน้ำเตลีนน้ำเสด็จน้ดีเยีนในสมองศีสัอาหารเก่าอาหารใหม่ใช่น้อยใช้ใหญ่บอดไต้ังผืดตับหัใจม้ามเยีนใรกระดูกกระดูกเอ็นเนื้อหนังปลาเล็บขนผมเออดูรูปมาเยอ่ะอยู่หน้าจอมาเลยอะ เัวในหนังสือนี้ครับหนัออะไรอัากลกายกาวิภาคเป็นอนนโตมีครับอ๋อไม่ใเลยกายวิภาคใช่กายกตาใช่มใช่โอเคดูไปเริ่มกำหนดด้วยว่าอยู่ตรงไหนอยู่ข้างบนอยู่ข้างล่าง่วนไหนของร่างกายชวนทางร่างกายเลยครัอ่า อยู่ตรงไหนหมดใช้อยู่ตรงไหนอยู่ตรงส่วนนี้ครับน้าใส่อยูตรงไหนอยู่ตส่วนพร้อมครับนี่เอาไว้ี่คือส่วนประกอบของร่างกายเราไม่ใช่ตัว <ทะ S 1> เราของเรา<ท>ะไม่มี <ทะ S 1> ส่วนใดเป็นตัวเราของเรา <ทะ S 1> เราไปหลงคิดว่าเป็นตัวเราของเราเท่า น, นั้นเอง ทำไม่กิดว่าเป็นตัวเราของเราเวลามันเป็นอะไรเราก็จะไม่ทุกข์เข้าใจไหมเข้าใจค่ะเข้าใจค่ะอย่าไปคิดว่าเป็นของเราเป็นตัวเรานะเราเป็นอ n v i s i b l e man เราเป็น invisible man ครับครับโอเคมีคําถามอะไรไหมวันนี้หนูมีคําถามค่ะอ่าเชิญคถามเกี่ยวกับการปฏิบัติอค่ะคือพอลูกหลับนล้วหนูก็จะไปนั่งสมาธิคนเดียวค่ะทีนี้ ปกติหนูก็ไม่กลัวนะคะพระอาจารย์ทีนี้เมื่อคืนเนี้ยค่ะนั่งไปสักพักนั้นหนูเกิดความกลัวแล้วหนูก็ถามตัวเองว่าเอ้ยเ ร, เรากลัวอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ได้คําตอบว่าคือเราไปอ่านหนังสือประวัติพ่อแม่ครูอาจารย์นะคะว่าเวลาถ้าเราปฏิบัติธรรมเนี่ยเด๋มีคนมาขอส่วนบุญอะไรเงี้ยค่ะก็คือกลัวตรงนั้นอะไรเงี้ยค่ะทีนี้หนูก็นั่งต่อไปแล้วก็ท่องบุตรทูร์ค่ะแต่ความกลัวมันไม่หายเนี่ยค่ะพระอาจารย์แต่หนูรู้สึกว่ามันมันอยู่ตรงที่ใจตรงเนี้ยค่ะและทีนี้หนูก็เลย เปลี่ยน strategy อะค่ะว่าไม่ได้แล้วมันไม่มีสติเราต้องใช้ปัญญาเงี้ค่ะหนูก็เลยคิดว่าเอ้ยอีกหน่อยเนี่ยเราก็เป็นพวกเดียวกับเขานั่นแหละแล้วเราจะรีบ ก, กลัวเขาทําไมอย่างเงี้ยค่ะแล้วความกลัวค่ะพระอาจารย์มันดับพลึบลงไปเลยค่ะเป็นครั้งแรกที่หนูเห็นว่าเฮ้ยมันมันดับแบบนี้หรออะไรเงี้ยมันเกิดที่ใจแล้วมันก็ดับลงที่ใจอะค่ะคือเราเห็นเองว่ามันดับพลึบลงไปอะค่ะพระอาจารย์นี่คือการพอไม่เน้นความจริ ง, ม, รงมันก็ดับความหลงได้ ค่ะแบบนี้เรียกว่าค่ะอาการเกิดดับที่เห็นไหมอันนี้เกิดของทุกข์ไงความกลัวเป็นทุกข์คอยดื้อปัญญาบ้างเป็นนักตาสัพเพธรรมานักตาคร่ะมันก็เลยมันก็เลยหายกลัวหายกลัวทุกข์ก็หายไปค่ะค่ะแล้วก็นั่งต่อได้ค่ะแล้วมันก็เห็นอีกว่า เฮ้มันมันเกิดที่ใจนี่นะร่างกายเนี่ยมันก็นั่งของมันไปถ้าใจไม่สั่งให้วิ่งไปไหนมันก็ไม่วิ่งอะค่ะเหมือนมันแยกกันอะค่ะไอ้ที่กลัวใจมันกลัวแต่ร่างกายมันไม่ได้กลัวมันไม่รู้เรื่องอะไรร่างกายอ่าใช่ใช่ค่ะร่างกายก็เป็นเหมือนท่านร้อยท่านเฝื่อเนี่ยมันก็เริ่มเห็นจิตเห็นเห็นจิตเห็นกายมันต่างกันตรงไหนอ่าเห็นทุก เห็นนิโรธเห็นนะเห็นทุกข์พอพอมีมากมีปัญญาก็ทุกข์ก็ดับไปนิโรธก็อืความกลัวตายก็หายกลัว่าชอืก็มีฉะนั้ก็จะได้รู้ว่าในอริยสัจเห็นเขาเรียกวิดวงตาเห็นธรรมแล้วนี้ช่ยเห็นอริยสัจสี่อยู่ที่ใจไม่ได้อยู่ที่ไหนช่ดวงยู่ที่ใจ สมุทัยเหตุของความทุกข์ก็อยู่ที่ใจครับความอยากไม่เจอไม่อยากจะเจอสิ่งที่เราไม่เราเราไม่รู้จักเราก็กลัวครับเข้าใจในที่พระอาจารย์บอกว่าต้องไปฝึกปฏิบัติหรือไปเจอบททดสอบนะคะแล้วมันจะเห็นไม่งั้นมันไม่เห็นนะคะมันต้องเห็นทุกข์มือนถึงจะปัญญาถึงจะเกิดทุกข์มัมีปัญญาบอกกับ ทีนี้มันจะมี ป, ปัญญาเปล่าอาจจะสติแตกตเ้เปิดเปิดวิ่งเปิดไฟไ <c oughs> ปถามหาหาเพิดอนหาสามีหาลูกถ้อย่างนั้นก็ปัญญาไม่เกิดแต่ถ้าในสติแล้วก็นึกขึ้นมาได้ไได้วยเหตุด้วยผลเขากัาลังก็อันเดียวกันเขาเก็เป็นโยมวิญญาณแล้ก็เป็นโยมวิญญาณเพียงแต่ตอนนี้เรามีร่างกายเรามาเกาะติดกับร่างกายนะนี่ เราอย่าไปกวเาเลยเขากัเราก็เหมือนกันเหมือนตอนที่หลวงตาทั้งกลัวเสือท่านก็พิจารณาอวัยวะของเสือกับอวัยวะของร่างกายก็มีเหมือนกันอ่เสือมันมีเคี้ยวเราก็มีฟันงา่ายไปตอนนี้นที่สุดก็เลยอย่างเดียวที่เสือมีเราไม่มีก็เสือมีหางเราไม่มีหางที่ี้เรากลัวหามันแเลยง่ายกลัว ทำนนี้เลกเข้าใจเรื่องความกลัวเลยค่ะว่ามือไม่กลัวละมาเลยมาเลยสักขันรถก็ไม่กลัว่แล้วถ้มงมาหาความกลัวอย่างอืงน่นต่อเดีย๋ยวเราอลองไปอยู่ปา่าช้าสักคืนหนึ่งจะได้รู้ว่าจริงไม่จริงสายกลัวจริงไม่จริงไปทำงานก่อนนะหน้าไปเยี่ยมปชาช้าช่วงเช็งไม่ไง่ายเนี่ยก็ไปเที่ยวปาช้าดู แล้วแต่นะ น, นี้เป็นเรื่องที่ต้องหาข้อสอบทากันถ้าเรายัางสงสัยา่าเราเราผ่านหรไม่ผ่านถ้าผ่านแล้วก็ไม่มีปัญหาถ้าไม่กลัวแล้วไปงานก็ไม่กลัวก็นนวดีกเนี่นาการที่ได้ยินได้ฟังทมอยู่เรื่อยๆมันก็เลยได้สุดตรมยาปัญญาไปก่อ น, อ น, นได้ทำได้เรื่องราวทมที่เราไม่รู้เรื่องเช่นดวงวิญญาณดวงจิต ร่างกายในคนละเรื่องกันคนละส่วนกันแล้วเราก็มันฟังบ่อยๆมันก็ตอบยาวๆได้ๆมันก็เลยไม่ลืมเจอเหตุการณ์ที่จะต้องใช้ปัญญานี่มันก็ดึมได้มาได้ค่ะค่ะมันเห็นเลยว่าอ๋ออินวิซิเบิแมนที่พระอาจารย์พูดถึงมันทำงานแบบนี้นี่เองมันสั่งร่างกายอย่างเงี้ยค่ะมันสั่งร่างกายแล้วมันก็รับรู้ผ่านทางตาของจมูกเนื่องการร่างก นั่นว่าเกิดวินากระสุกทุกข์ไม่ขึ้นมาในในใจไม่ได้อยู่ที่ร่างกายสุขทุกข์ไม่ได้อยู่ที่ร่างกายร่างกายไม่รู้มันสุขทุกข์อันดีแล้วอปฏิบัติต่อไปนะอันไห น, นทุกข์อะไรก็ลองใช้ปัญญาคิดค้นดูทุกเดียวกับเรื่องอะไรเวลาเกิดความทุกข์คือเราใจ อ, อยู่เรื่อยมันวันหนึ่งบาทีก็เจอทุกข์ ทีนี้เราต้องรู้ว่าทุกมันเกิดจากความอยากของเราเองแล้วลองหาปัญญามาแก้นคดูโอเคนะหมดแใช่ไหมหมดแล้นน<อ>วครับผมมีกมับผ<อ>มนะครับผมมีที่จะบอกครับอะไรคนระับผมมีอะไรจะมาะรายงานครับพรนี้จะมารายงานเหรผมมีครับมีอะไรก็พรุ่งนี้ออกจะมาที่วัานเลย แ ม, ม่ครับผมมีอะไรเจอที่พอดีมาเจอที่ยังมีอะไรจะรายงานนะครับผมจะผมเจอเจอินวิสิเบลแมนแล้วครับเหอดีใจยังไงลนี่ดีใ จ, ออรนะจครับเจ อ, อยังไงเจ อ, อเจอเจอก็คือตอนนั้นผมมีกัรบ้านเยอะนะครับแล้วก็ตอนนั้นผมแบบจะเสียใจแต่ว่าผมรู้สึกเลยครับว่ามันขึ้นมาจากตรงอินวิสิเบลแมนถึงตรงตามผมเลยครับ เอ่ยมันมามันมาอย่างไรนะมันมาแบบขึ้นมาเลยอะค่ะแล้วเป็นยังไงนะรู้สึกแบบรู้สึกแบบกําลังขึ้นมาโดยการเสียใจแต่พอผมรู้สึกภูมิมีสติเลยครับเออแล้วความเสียใจเป็นเสียใจแบบหายไปหรือเปล่าพูดภาษาอังกฤษก็ได้ไหมเขาบอกว่าเหมือนเหมือนเวลาที่เขา เสียใจเขารู้สึกว่ามันมันเกิดที่ตรงนี้อ่ะค่ะแล้ ว, ล ว, ลวพอพอเหมือนเขามีสติค่ะมันก็ค่อยๆหายไปอก็เดีกก็ไม่ไปเต่นเต้นตกใจมีสติก็สามารถยับยั้งความทุกได้แต่ยังไม่ได้ยับยั้งด้วยปัญญาเพราะยังไม่ได้ค้นหาสาเหตุว่าเราเสียใจเพราะอะไร อ่าคนได้ว่าเราเสียใจเพราะเราไม่ได้ทํางานบ้านมันอยากเราอยากจะอะอยากก่างกลัวเดี๋ยวครูจะครูจะว่าหรือจะเสียคะแนนเราก็เลยทุกใจขึ้นมาใช่ไหมไม่ไม่คำมีกันบ้านเยอะนะครับแล้วทำไมมันเยอะปไปไปทำไม่ไหวเลยครับตอนนั้นมันดึกแล้วครับอ่ก็เลยเครียดขึ้นมา ครับอยากจะทำแต่ทําไม่ไหวมันไม่มีเวลาพอครับแต่ก็ทําเสร็จครับเอี่ยใส่ตอนนั้นเลยเน่ยตอนนั้นเน่ยครับพอหายพอหายกลัวแล้วก็พอหายทุกเ์ื่อวก็ถัดต่อได้ครับแล้วรู้สึกไงดีไหมต่อไปเวลาเสียใจเราหรือการวิธีหยุดมันได้ยังรู้จักอรอครับเออาไม่ต้องไปไม่ต้องไม่ต้องไปว่าคนนั้นคนนี้ยช่ไหม เไปโทษคนนั้นคนนี้ใช่ไครับพอความเสียใจเราเป็นคนส้างขึ้นมาเองไม่ใช่ใช่ครับเราก็เล่าอยู่มันได้ใช่ั้ยใช่ครับใช้สตินะนะถ้ามีก็ลเพราะาพุทโธพุทโธไปก็ได้เดี๋ยวมันก็อยู่ดีไหมธรรมะของพระเจ้าพิเศษนะพิเศษครับ หลัความเสียใจได้นะอนอโอเคดีมากนี่แหลประโยชน์ของการมาฟังธรรมะเรื่อยๆจะได้เรียนรู้วิธีควบคุมจิตใจของเราอารมณ์ของเราอารมณ์ของเราควบคุ ม, ค ม, คมได้ถ้าเรามีสติมีปัญญาครัต่อไปเราจะไม่ทุกเราจะไม่เสียใจเราจะไม่เดอดน้อนับอะไรเฉยๆไม่กล จะแม้ทำได้ไหมยังทำไม่ได้ครับทําทำไม่ได้น้องเก่งมากสิงงยอยู่ว่าหาาได้ไงครับเขาคนนี้อายุต่างเป็นปีกว่าปนะีปีปสามปีครค่ะสามปีโอเคน้องมาน้องมาก่อนเน้องรู้ทันรู้ก่อน อยากจะพยายามให้รู้เลยเหล่านี้ครับโอเคคอยสังเกตอยู่ที่ใจเราหนะนะดีใจเสียใจอยู่ที่อยู่ที่ใจเราไม่ได้อยู่ที่ร่างกายไม่ได้อยู่ที่คนนั้นคนนี้ไม่มีใครมาทำให้เราเสียใจหรือดีใจนะเราเป็นคนที่ทํำให้เราดีใจเสียใจจำไว้นะเราสังเกตดูเวลาใครเข้าว่าเราเรเสียใจไม่ใช่เพราะเขาว่าเราเพราะเราไม่อยากให้เขาว่าเราเนี่ยนะ ถ้าเราอยากให้เขาว่าเราจะเสียใจไหมไม่เสียใจดีใจใช่ดีใจใใใก็ไม่น่าใช่ค่ <flop. S 2> ะก็เฉยๆครับราพยายามพยายามอยากให้เขาว่าเราถ้าเราตอบไปใครว่าเราเราไปจะไม่เสียใจครับอย่าไปอยากให้เขาชมเราพอเวลาเขาไม่ชมเราเราก็เสียใจครับเราต้องคลิกพลิกสู้กับกิเลสกิเลสอยากได้แล้วเราต้องคลิกมัน เราต้องอยากตรงข้างกิเลสกีิเลสอยากเล่นเกมเราเราอยากจะเราอยากจะนั่งสมาธิพอไม่ได้เล่นเกมเราก็ไม่ถึกตอนเรานั่งสมาธิได้ครับครับเห็นไถ้าถ้าอยากจะเล่นเกมแล้วพอไม่ได้เล่นเกมก็เสียใจนะครับโอเคนะเอาไปศึกษาต่อ ฝักไปเรื่อยเืยเนี่ยนั่งสมาธิ่คือจะช่วยทําให้เราหยุดคา่าวเรามีกําลังจะหยุดถ้าเราไม่นั่งสมาธิบางทีเสียใจเราก็หยุดมันไม่ได้พ่าเราไม่มีสติกําลังพอกําลังสติไม่พ อ, ปะปะอครนะับขอบคุณอาจารย์ดีใจลูกศิษย์ลูกหามีผลงานว่าส่งให้โอเคไปที่ฮอลัน อ่ะทำเสด็จหรือใกล้ๆทำเสดับ b e a u t i ลค่ะอาจารย์วันนี <c oughs> ้ตาวันมีอะไรไม uh, วันนี้ uh, uh, วันนี้แค่วันนี้แค่สอง uh, เรื่ออะไรมีสองเรื่อง <c oughs> uh, ม uh, สองเรื่องสองเรื่องไม่คำถามจแค่เรื่องเทันีแหลจะบอก เออตอนนี้พอสองสาดาที่ไม่เล่นเกมแล้วครับไม่เล่นเกมมาสองสาดาลแล้วเนะี่ยทำไมเนี่ยทำไมถึงไม่เล่นเกนมอ่ะอืมโซลามนันนารกใชครับ่อย่างไรนะไม่เข้าใจดังๆไปเออเออถ้าเราเล่นเกนมก็รู้สนารกใชอ่อานลกเหรอเป็นนาลอกเหรออือ <c oughs> ดีไม่กลายปอยู่อะไร สู้เรีนหนังสือด้บางดูหนังสือทำการบ้านดี้าแแยกเรียนเก่งๆดีไหมดีคเาเวลาไปทำอะไรพอไม่เรียนเก่เลาไปทเอาเวลาไปทำนะอเอ่ออาเวลาไปทาอนะไรอที่ได้เรียนเก่งเอาเวลาไป ไม่ดูหนังแทนไมดูเดี๋ยวเดี๋ยวโยงตอบแทนได้ไหมคะาารได้ <laughs> คือตอนแรกเนี่ยเขาเขาจ่ายอนุญาตให้เขาเล่นเกมแค่สัปดาห์ละหลักครั้งแค่วันเสาร์วันเดียวสองชั่วโมงแ<ม>บบ น, นี้คะ่ะท<ม>ีนี้มันจะมีบางช่วงที่เวลาไปบ้านเพื่อนแล้วอยู่กับเพื่อนเนี่ยแล้วเพื่อนเนี่ยเขาจะได้เล่นเกมทุกวันแต่ยังไม่มีลิมิตนะคะอาจารย์้เขาก็เลยอดใจไม่ไหว เขาก็เลยผิดกติกาก็เลยแอบไปเล่นเกมอะไรแบบนี้ค่ะแต่ว่ากลับมาถึงมาเขาก็สารภาพนะคะทีนี้ก็เลยตกลกันว่าหนูลองไม่เล่นเกมดูซิมันจะเป็นยังไงอะไรแบบเนี้ค่ะอาจารย์ค่ะก็เอาเวลาว่างไปไปอ่านหนังสือบ้างแล้วก็เล่นข้างนอกกับเพื่อนแล้วก็ทํากิจกรรมอะไรเปียโนอะไรแบบนี้ค่ะอาจารย์ทุกสิ่งต่างไปนะจ๊ะทดแทนค่ะเพราะคนามัยนี้จะไม่ค่อยสกมพมกับใครนะเนาะ ไม่รู้จะเข้าสานนังคมได้หรือต่อีบอะไมันต้องมีกฎมีระเบียบถ้าปล่อยปล่าน่าเลยนึ่ง ก, ก็จะเสียคนได้ใช่ก็คุยเข้าด้วยเห็นด้วยผลไม่ใช่ไม่ใช่ใช่ว่าไม่ได้บังคับว่าเร า, า, า<ม>ฉันเธอต้องอทําตามที่ฉันบอก่แตบอกคนคนดีผลเสียจากการกระทํำต่าง เราได้รูเด็กดูไปในตัวแต่ยังอยากรู้สึกอยู่ไหมยังรู้สึกอยากเล่นอยู่นิดนิดนิดนึงค่ะของสารภาพก็ไม่เป็นไรถ้าสมมุติไปบ้านเพื่อนก็ต้องเล่นก็เล่อยู่เขาไปใ้ไม่ให้เสียมารยาทไม่ใ้เสียมารยาทเล่นแล้วไม่หยุดนะคะพ่อจานเล่นแล้วไม่ยอมหยุดงงจุกก็ทำไรได้ก็ไปนี่ก็ไปเถ้าแล้วเขาเล่นก็ต้องเล่นกับเขาใช่ไหมยกเล่น ค่ะอย่างยกเลี้ยงบางทีถ้าสมมติเพื่อนจัดงานบังเกิดหรืออะไรแบบเนี้ยก็อนันอนุโลมได้เพราะว่าถ้าไปอย่างเนี้ยไม่งั้นก็จะอยู่แต่บ้านเพื่อนไม่ยอมออกไปเล่นข้างนอกจะไม่ได้ออกกำลังกายอะไรแบบนี้ยขอจสงเราต้องชวนเพื่อนไปเล่นทําอย่างอื่นอย่าให้คนาดึกมราไปอย่างเดียวใช่คือที่พูดในหมายถึงว่าไม่ให้เสียน้ำใจั้งแต่เขาชวนให้เล่นอะไรอย่างนี้ถ้ามากเกินไปแล้วก็อย่างว่อแล้วเล่นแค่นี้พอแล้วแต่เด็กก็ชับ แต่เด็กอะค่ะจะไม่ยอมหยุดบางทีต้องตั้งนาฬิกา20นาทีอะไรแบบนี้ค่ะเมื่อก่อนก็ต้องสอยเข้าไว้ก่อนถ้าสอยแล้วเขาจะรู้ว่าเขาต้องทำทำมากน้อนเท่าไรก็ดีเนะี่ยเป็นการเป็นการถา่าสอนไปในตัวเด็กเขาไม่เรยรู้ผิดรู้ถูกรู้ดีรู้ช่วยเท่ากับเราต้องคอยคอยชี้แนว โยงก็บอกเขาว่าตอนแรกๆที่เลิกพยายามเลิกมันก็เหมือนกับคนที่เลิกเล่าเลิกยืหกนหยัดนะค่ะอาจจะลงแดงนิดนึงแต่ถ้าผ่านไปได้มันก็จะจะอุบสบานะัมันก็จ ะ, <อ>จะเฉยๆได้ไม่เดี๋ยวนดีวันนี้คุณแ้่มีอะไรบ้างยงไม่มีอะไรค่ะทานจานนี้อเดี๋ยวกันไปต่อน ะ, ะไปที่หมอพิเชษกับหมอพิเชษกับทาวัง กล่าวรมรสการพระอาจารย์ครับในหนังสือตอบปัญหาคาใจเล่มที่สองพระอาจารย์ได้กล่าวว่าความตายไม่ใช่สิ่งที่น่ากลัวสิ่งที่น่ากลัวคือความหลงขอความเมตตาพระอาจารย์ได้อธิบายด้วยครับคือความหลงก็คือเป็นเหตุที่ทําให้เรากลัวทํำให้เราทุกข์เพราะเราไปหลงคิดว่าร่างกายเป็นเราทั้งนั้นเอง เราไม่มีปัญญาเราไม่ได้ศึกษาธรรมะถ้าเราศึกษาธรรมะเรารู้ว่าร่างกายไม่ใช่เป็นเราเราเป็นจิตผู้ที่ม า, ม า, มาเชื่อมต่อกับร่างกายแล้วมาใช้ร่างกายให้ทํากิจกรรมอะไรต่างๆครับอันนี้เป็นสิ่งที่เราไม่รู้กันคนในโลกนี้ถ้าไม่เคยเข้าวัดไม่ได้ศึกษาธรรมะจะไม่รู้ว่า เรามีทั้งจิตเรามีจิตแล้วมีร่างกายแล้วจิตกับร่างกายนี้เป็นคนละคนเนีไม่ใช่เป็นคนเดียวกันแม้แต่ทางภพทย์ก็ยัคิดว่าจิตอยู่ในสมองใช่ไหมความคิดความรู้สึกอะไรต่างคิดว่าทุกอย่างอยู่ใรวมศูนยอยู่ที่ร่างกายร่างกายเป็นศูนย์ของจิตของอะไรของความคิดความจําอะไรต่างๆพอเวลาที่มีอะไรเกิดขึ้นกับร่างกายก็ตกใจก็กลัวเนี admitted, it, ่ย ลุกเขาคิดว่าตัวเองกำลังเป็นอะไรแต่ถ้านได้ศึกษาธรรมะแล้วเราไม่ได้รู้ว่าเราไม่ได้เป็นอะไรเลยกับหน้ากายหน้ากายแก่เจ็บตายหน่ากายเป็นอะไรเราไม่ได้เป็นอะไรไปกับหน้ากายเราผู้รู้ผู้คิดนี้ไม่ได้เป็นอะไรไปกับหน้ากายแต่นี้ถ้าไม่ได้ศึกษาไม่มีวันถ้าไม่ได้ไม่ได้เจอธรรมะของพระเจ้านี่จะไม่ไม่มีวัน มันรู้จักขันห้าเมันก่อนแสดงเรือขันห้าเลยขันห้าก็ร่างกายก็รูปประคันส่วนเวทนาสัญญาสารขันวิญญาณเรียกเป็นนามประคันนามก็ใจรูปก็ร่างกายมาเชื่อมต่อด้วยนามประคันคือสัญญาวิญญาณนักขันวิญญาณเป็นตัวส่งกระแสมาเกาะที่ตาของยมิลิงกาย เพื่อรับรูปเสียงก็ฬาใการแล้วเอาปัเอาเครื่องโทรโทรทัศน์นี้ไปเสียบกับปั้เพื่อจะได้หยุดไฟมาเใช่ไหมเข้าเครื่องวิญญาณก็เหมือนสายไฟสายฟั้งเนี่ยที่ไปเสียบเข้าตามปัม้งตา่ตางๆแล้วไฟกแล้วแต่ถ้าเป็นกอน๊อกน้ําก็ไปเสียบสายยางก็ก็เชื่มอมทางนา้ำต่อต่อน้นําจากอะไรวิญญาณก็เป็นแบบสายเชื่อมญญาบบา ม, มาเชื่อมที่ตามเจ้าหมุนนิ้วกาย มือทีสัมผัสเอาลูปสิ่งเกีก็นแต่ทั้งหลดนี้ทั้งรูปทั้งเวทนาสัญญา ท, ทางการวิญญาณนี้ไม่มีตัวตนเป็นภาวะปรากฏการณ์างธรรมชาติร่างการก็ปรากฏาการจัดการรูปดวงท่าสี น, น้ำไฟเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณก็เป็นองค์ประกอบ เ, เป็นความสามารถของใจผู้รู้ผู้มา ใช้ร่างกายว่าใจเกิดความอยากนะากหาความสุขการตาของจมูกนิ่กายก็ต้องมีร่างกาย ม, มีการเกิดปฏิสนธิขึ้นมาเวลาเวลามีการประสมผันนั่นก็มามีมีทางรับเริ่มเกาะรากขึ้นมาว่าโยมวิญญาณเนี่ยวิญญาณทั้งห้าในกรรมก่อเนี่ยการนั้นอาจจะเกาะที่ที่ร่างกายก่อนถ้าไม่มีตาของจมูก พอเริ่มมีตามีญานทางตาประกอบต่ อ, ตอมามาเชื่อมต่อทั้งใจและกายก็ไม่ใช่ตัวตนแต่เมื่อตอนนี้เราเอาเอาร่างกายก่อนมันชัดๆมั น, นไม่มีตัวตนมันประกอบขึ้นด้วยดินน้ําลมไฟเอืออาหารที่ที่เราเลีเ้ยงร่างกายทางดินทางน้ําตัวใหญ่แล้วทาลงลมการลมหายใจเข้าออก ธาตุไฟก็อวาร้อนของดวงอาทิตยก็เลยทําให้ร่างกายเจริญเติบโ ต, ตให้มาได้ออคลอดมาจากท้อแม่ก็ไม่มีใครบอกก็คิดว่าเป็นละเป็นตัวเราทันทีไม่ไม่มีใครสอนพ่อแม่ก็พอแม่ก็ไม่สอนพ่อแม่ก็คิดว่าร่างกายเป็นตัวเราเนคนสมัยบบราณก็คิดว่าโลคที่แม่ก็เชื่อกันมาตลอด จนมีคนฉลาดที่คิดเป็นอมองขึ้นไปบนท้องฟ้าเขาพิเคราะหดูว่าดวงดาวมันต้องโกงคนแล้วโลกนี้มันจะแบนอันเดียวได้เพราะอะไรตั้งทฤษฎีพิสูจน์โดยในที่สุดเรากพิสูจน์แล้วว่ามันไม่มันไม่แบบทุกนี่นี่ก็เหมือ น, น, นกันพูดเจ้าว่าตานล้องตลบว่าร่างกายเป็นตัวเราแล้วทุกกับมัน แล้วหลังจากนั้นก็ใช้การวิจารณาด้วยปัญญา yeah, yeah. แยกแยะก็เกิดเห็นว่าร่างกายนี่มันเป็นเป็นดินน้หลมไฟไม่ใช่มไม่ใช่ผู้ลูกขึ้นโดมิ ญ, ญานี่มาเกาะมาติดกับร่างกายัยาถ้าเรามีปัญญาเราก็จะรู้ว่าร่างกายนี่ไม่เชื่อมต่อกั รางกายก็เป็นเหถยนต์ส่วนเราก็เป็นเหมือนคนขับรถยนต์มันอยู่ที่แชมันไปไหนไมาไหนก็ได้ยกเว้นสมัยนี้ก็มรีรถยนต์ที่สามารถขับขึ้นไปไน้แต่มันก็ต้องมีตัวตัวคอยสั่งการมาใช้คอมพิวเตอร์สั่งให้มันวิ่งไปวิ่งมามีโปรแกรมเลยอันนี้รถทั่วไปแลก็ต้องมีคนขับ ่างกายนี้ก็ต้องมีใจพื่อคอยสามการใ่้ไม่มทาอะไรไปแต่ใจไปหลงคิดว่าเป็นตอนเดีงเป็นร่างกายก็เลยทุกข์กับร่างกายอันี้ถ้พอได้ยินได้ฟังทํามะมจะอสอนว่าใจไม่ใช่เป็นร่างกายใจเป็นผู้ร้องผู้คิดเท่านั้นเองอันี้เราก็ต้องเอาทฤษฎีนี้มาพิสุูจน์ด้วยการทําการบ้านแล้วก็ทําข้อสอบเนลาร่างกาย เป็นอะไรใจจะตื่นเต้นต่อใจหรือเปล่าถ้ามองร่างกายเหมือนมองเห็นเหมือนร่างกายคนอื่นเราก็ไม่เดือดร้อนใชร่างกายคนอื่นจะเจ็บจะเป็นอะไรเราก็เฉยเฉเราก็ต้องพยายามฝึกปล่อยวางให้ได้โดยการฝึกสมาธินั่งสมาธิให้จิตสงบมีโยเบขาก็จะก็กลม ความทุกข์กายเป็ ค, ความเนี้ยความยึดติดยึดมั่นถือมัม่ว่าร่างกายเป็นตัวหลงอันนี้ก็คือความหลงที่ทำให้เรากลัวที่ทําให้เราทุกกันเพราะเราไปหลงคิดว่าร่างกายเป็นเราเพอเรามีปัญญาเราก็ทําลายความหลงเอาความหลงไม่มีไปครก็ความทุกข์ก็ไม่มีการ ใช้ได้ไหยครับเข้าใจมากขึ้นเลยครับอาจารย์กขอบคุณมากครับงานนี้พยายามทกจิตซ้อนจิอยู่เรื่อยให้ปล่อยวางร่างกายเป็นอะไรนี้จะเป็นอะไรหน่อยก็อย่าไปเต้นเต้นตกใจหรือมองภาพดูว่ามันจะต้องเป็นมากกว่านี้จะต้องมจะต้องตายนเไม่มีใครไปห้า ม, มันได้นี่นจุดหมายปลายทางของมันก็คือความตาย แต่เราไม่ได้ตายครับเราไม่ต้องมันตื่นเตมนตกใจเราต้องยอมรับความจริงมันต้องเป็นอย่างนี้โอเคนะกับกับขอบคุณครับอาจารย์ถึมาที่สันโดรเปลี่ยนชื่อแล้วเรยันโดรแล้วัสกีครับอาจารย์ก็ชื่อเดิมค่ะ <laughs> ไม่ได้เปลี่ยนชื่ออ่ะปัญญาสบายดีนะปั ญ, ญายา อ่ยังแข็งแรงอยู่นะก็เหมือนเดิมค่ะตอนนี้โควิดหายดีแล้วนะไม่เป็นไรนะครับ่มีอะไรไหมวันนี้ตอนนี้มาส่งกันบ้านครับผมอาจารย์แล้วก็มาเรียนพระอาจารย์ว่าขอขอมาพระอาจารย์ที่อาทิตย์ที่แล้วไม่ได้เข้าสู่อดีว่าไปปฏิบัติธรรมที่พิษณุโลกครับผมอาจารย์ เรไปไกลเลยนะครับผมพอดีมีสถานธรรมที่นั่นก็เลยลองไปนั่งภาวนาของเราดูติดสงบดีมากครับปฏิบัติมานะเป็นกลุ่มนะแต่ว่ามันเดีียว <c oughs> ปฏิบัติก็มีทำวัดสดมนเป็นกลุ่มครับผมแล้วก็มีตอนกลางวันก็แล้วแต่แล้ ว, ว่าเราจะทำอะไรก็นั่งภาวนาไปแล้วก็เที่ยวมันวัดในตัวเมืองพิษณุโลกครับ ว่ามีวัดอะไรบ้างแล้วก็ไปตั้งภาวนาที่แต่ละวันอย่างเงี้ยเที่ยวไปด้วยภาวนาไปด้วยนะได้ทั้งสองอย่างนะอาจารย์ตอนอยู่ในรถเราก็ภาวนาครับอาจารย์แต่ว่า พ, พออยู่ในรถครับอาจารย์ด้วยความที่เราเหนื่อยนะนเราเราร่างกายหลับแต่จิตเนะี่ยตัวจิตอนะ่ะมันตื่น มันเราได้ยินหมดเลยเนี่ยแม่แม่พูดอะไรเกี่ยวกับเราหรือว่าใครพูดอะไรเกี่ยวกับเราในรถตู้คือได้ยินหมดแต่เราทําอะไรไม่ได้คือไอตัวกายเนี่ยมันไม่ยอมตื่นให้จนสุดท้ายจนสุดท้ายมันเหมือนแบบมันสุดท้ายมันเหมือนรวมกันนะฮะตอนแรกมันแยกกันอยู่แล้วเสร็จแล้วมันก็รวมฝึกขึ้นมาแล้วมันก็ฟึกขึ้นมาเข้ามาร่างกายก็ตื่นครับกันมาอะไรจะส่งแล้วก็ อ่าที่พระอาจารย์ให้ไปซ่อมเขื่อนครับก็ซ่อมซ่อมแล้วครับอาจารย์แต่ก็มีที่มันแตกใหม่บ้างเราก็พยายามซ่อมไปคือน้ําเก่ามันยังอยู่นะน้ําน้ํามันยังอัดมาเรื่อยๆมันกระแสน้ํามันยังไม่ลดลงมันยังเชี่ยวอยู่แต่เราก็พยายามอัดเขื่อนเข้าไปกั้นมันแล้วยิ่งกั้นมันยิ่งมาแรงยิ่งกั้นมันยิ่งมาแรงก็ยิ่งกั้นสูงขึ้นเรื่อยๆคราวนี้ก็ ผมก็เลยกั้นสูงไว้เลยมันคราวหน้ามามันได้ยังไงก็ข้ามมาไม่ได้กั้นยังไงก็สติทั้งวันเลยครับเอไออะไระก็รู้สึกตัวรู้สึกตัวรู้สึกตัวอยู่นิ่งๆก็หาดูลงหายใจใหายใจใหายใจทั้งวันวดีขึ้นไหมก็ดีขึ้นครับผมแล้วก็พออยู่กับฐานกายมาบ้างมันก็เห็นอารมณ์ที่เข้ามาแล้วเราก็น้อมใจรักน้อมใจรักพอใจรักปุ๊บจิต ก็สงบครับประมายนี้ครับผมมาถูกทางนะใช่ไหมครับท่านอาจารย์ก็เราดับความทุกข์ได้ก็ถูกทางดับความทุกข์ด้วยสติด้วยปัญญาอย่าดยดับด้วการไปเล่นเกมหรือไปไปเที่ยวตามว่าต่างๆ ก็ไม่ไม่ได้เล่นเกมครับอาจารย์ไมป ก, ปกติไม่ไม่เล่นเกมครับผมทำงานด้วยสติด้วยปัญญาครับอาจารย์แล้วก็ไปทำอ e ีบุ๊กมาให้คุณยายฟังเรียบร้อยครับหนังสื อ, อยายบอกเสียงนุ่มอ่านเล่มไหนไาให้คุณยายฟัอ่านเล่ม น, นักเดินทางครับหนักเดินทาง ดีไหมคุณยายฟังดีไหมค่ะยยไม่ต้อ ง, งไม่ต้องอ่านนะฟังเฉยเฉยยายฟังอยู่ค่ ะ, ะ ย, า ย, ยายแกยายแกแล้วนะให้ทำอะไรบ้างได้คะก็เนี่ยแหลทำพุทโธพุทโธเนี่ยทำใจให้สงบพุทโธพุทโธยายถามหนึ่งค่ ะ, <ล>ะยายนี้ ปัญญาก็พิจารณาปัญญาร่างกายว่าไม่ใช่ตัวเราของเรามันไม่เที่ยมมันต้องมันมันหนึ่งมันจะต้องกลับคืนสู่บ้านเดิมของมันกลับคืนสู่ดินแดนลมไปต้องให้มันไปอย่าไปอย่าไปยื้มันอย่าไปดึงมันเลยมันจะไปให้มันไปลมมันจะไปก่อนลมมันจะมันจะหมดชอน พอลงไปแล้วทีนี้ไฟก็ตามไป่อไปไปแล้วน้ำก็ตามมายวก็นไมีอด้แต่ดินอันนี้คือร่างกายของพวกเราทุกคนมันมีจุดหมายปลายทางเวจะไปบ้านจะเขาเรียกกลับบ้านเก่าอยาอยู่แบบสบายๆหน่อ ย, ยนะนอนสบายเนีย่ยทำใจสบาย ปั่มันไปแล้วแล้วเราก็สบายมันจะอยู่มันจะไปแล้วก็สบาย ไ, ไม่มีอะไรเกิดขึ้น <c oughs> เราเฉยๆไปโอเคมีอะไรไหมอาจารย์ครับช่วงนี้ก็มีทุกขเวทนาทางตายเยอะมากเลยครับอาจารย์นั <c oughs> ่นเหมือนแบบ ผุ่ยไงแบบอยู่ๆก็เจ็บหน้าอกอะไรอย่างนี้หรือบางทีก็มันเป็นอาตาแล้วนั่นเป็นอาการอ่ะมันมันอยู่ๆมันก็มาถ้าเกิดเรเราสั่งมันได้ไหมห้ามได้ไหมห้ามห้ามไม่ได้เราก็พยายามน้อมก็กดใจรักไเรื่อยๆก็ปล่อยมัมาไปเลยแล้วไม่รู้ไปเฉยๆอันนี้อยากพยายามให้มันหายอยากให้มันหายอยากพยายามให้มันไม่มา ยูทุกเขาไม่อยากให้มันมามันปล่มันก็มาดูมันไปดูมันมันเกิดเดี๋ยวมันก็ดับเองครับไม่ทาจะทครับอาจารย์ได้ครับแล้วเดี๋ยวไปตามดูมาเรื่อยๆแล้วเดี๋ยวมาเรียนอาจารย์ครับอันนี้ก็เป็นตายรักเหมือนกันทําไมไม่บอกเลยก็พยายามเห็นอยู่ครับอาจารย์มันมันเหมือนแย่งชิงจังหวะกันนะครับบางที เหมือนกำลังสติมันกำลังจะมาละแต่ถูกความเจ็บมันดึงผลักออกไปก่อนหรือบางทีความเจ็บมันมาแล้วแต่ถูกสติมันผลักออกไปอย่างเงี้ยมันมันคอยชิงมันอยู่ประมาณนี้ครับที่ทำงานถามเพอ้วนเอนอะอุ้ยอุ้นอะ้อุ้ยออุ้ยทุ้ยอยอุอุ้ยอุ้อุ้ย้อ้ แปลกไหมนะอ้วนดีนะอ่ะยกเดี๋ยกไปรับคำ้วนคาเฟ้พระจาหนักขึ้นเยอะนะไม่แน่ใจว่ามันโตขึ้นต่ะตขึ้นขึ้นแต่เวลาอยาให้มันมันเกินเกณฑ์กแล้วัเกครับอาจารย์เดี๋ยวจะลองไปพิจารณาเรื่องอาหารครับ ก็มีกำหนดในอายุท่านี้ทองน้ำหนักเท่าไหร่ถ้าไม่เกินก็โอเคถ้าเกินก็ต้องพิจารณาแล้วเดี๋ยวกลายเป็นนองอ้วนขึ้นมาจราบากันค่ะเดี๋ยวหาวันไปที่กุฏิครับผมอาจารย์ไปฟังธรรมนะครอาจารย์ดีก่นะ้เิ่มนะคอาจารย์ไปจากท่านผ่านแข็งแรงค่ะคุณย อภาพแข็งแรงนะเป็นนานาคร่ะขอบคุณค่ะดูไปที่บาลิต่อบาลิ์ก่อนทำเอากลบมาราชการครับก็อเปลี่ยนช่องของแล้วนะครับกลว่าเป็นทําปกติอ่ครับก็ึ่งกลับมาปกติแล้วก็ก็อย่างอันหนึ่งที่ เห็นสมเรื่องความในการรักษากจิตของตัวเองมันคือแปลว่ามีสติตลอดเวลาใช่ไหมครับอันเดียวกันหรือเปล่าครับนั่แหละถ้ามีสติมันก็พูนได้รักษาได้โอ้ยมีสติมันก็อารมณ์ก็แหวนไปแขวนมาดีใจเสียใจใน้ายไปวุน่นวายคําบเรื่นงนั้นวุ่นวายครับเงนี้แสดงว่าไม่ไม่มีสติกลุใจ ถ้ามีแสดงปัญญาไนเ้องเฉยๆแบบนี้ยครับอืมเรื่องแล้วสติสติที่อะไรนะสติที่ไม่ได้ไปเพื่อรักกิเลสกับสติกับมันแตกต่างกันไหมครับสติที่อะไรอ่ะมันมีกิเลสแต่ว่าสติที่มันบางทีเข้าไปสนาบสนุนกิเลสก็ได้เวลานั่งเล่นไในสตินี้มาก เรายิงมือเื่นไพ่อ่อในกสติไปสติมันเป็นเหมือนเครื่องมือแล้วแต่ใครเอาไปใช้ถ้ากิเลสเอาไปใช้ก็ได้ครับไปยิงนกตกปาก็ได้ครับ ม, มีสติครับ อ, อ, อ, อันนึงสงสัยว่าหลวงพ่อเติบโตมาทางอเมริกาเหมือนกันเขามีเรื่อง ร, ระเบียบ ว, วินัยอย่างเนี้ยครับมันผมก็เลยสงสัยเรื่อง ร, ระเบียบ ว, วินัยมัน ฝึกแตกต่างกันยังไงครับเพราะว่าของวัฒนธรรมตะวันตกเขาจะเหมือนปล่อยให้เด็กทํามาหากิจแปลกระโดนผู้ใหญ่แล้วแต่ของไทยระเบียบมันจะแตกต่างกันแล้วกันแต่สุดท้ายก็ต้องระ เ, เบียบวินัยคือมันฝึกเป็นยังไงครับหลวงพ่อในส่วนนี้เ้าไม่ยากส่วนค่ะระเบียบวินัยก็ต้องฝึกคนเราอยู่ในสังคมราต้กันต้องมีกฎกติกากฎกติกาไ ม, ไม่ใช่เราจะทำอะไรก็ทําได้ ทำแล้วไปสร้างความเสียหาเดือดร้านก็เขา่าถือว่าผิดผฎหมใช่ไหมครับอ่าฉะนั้นสังคมทุกสังคมมีกฎกตรริกาไม่ใช่ปล่อยให้ฟรีสไตล์ไปหมดทุกอย่างนึ่ อ, อยากจะทําแล้วก็ทําไดค้ครับอ่านข่าวแล้วสังเวชใจอยากทําอะไรเขาคิดอย่างนั้นอ่ามันก็ก็มันเรื่องของของโลคที่ของวันที่ไม่มีการศึกษา มันรู้ว่าถึงมาถางรบกดอนตกเรารคิดว่าเขาฟรีเขาก็ฟรีในบางเรื่องแต่บางเรื่องเขาก็ไม่ฟรีเขาก็มีกฎ ม, มีระเบียบเหมือนกันคบางทีกฎช่องเข้าเข้มข้นอย่างของเราใช่เนีย่ยอย่างที่เคยเราอยู่ที่นั่นมีคนถ้ามีคนอยู่ดีๆรับจอดรถอยู่ดีๆเขาก็รับการคืนเนี่ยเราไม่รู้เรื่องเราเราข้าบ้านนอนแต่เช้าขึ้นมาเอาข้างหน้ารถเรา มันบุกเข้าไปแต่พอดีมีก็ ม, มีเขียนหนังสือไว้ที่ที่ไว้ที่เขียนไว้กับที่ปันทนัมผลเขาบอกว่าเขาถอยรดมาชนเขายินดีที่จะจ่ายค่าเสียหายแล้วเขาก็ให้เบอร์ของบริษัทประกันกให้ไปติดต่อเพราะกฎหมายก็บังคับเนี่ยถ้าชนแล้วหนีเนถ้าชนแล้วไม่รับผิดชอบเนี่ยผิดกฎหมายอันนี้เขาเขาเขาก็มีกฎในระเบียบ ดีกับเราเยอะก่อนเขามีที่ขายหนังสือพิมพ์เนี่ยก็ไม่มีคนขายแล้วก็มีตู้แล้วก็ใครอยากเวาจะซื้อหนังสือพิมพ์ก็หยอนเหรียญแล้วก็เปิดตู้ออกมานี่เปิดตู้มันจะหยิบฉบับหนึ่งก็ได้สองฉบับก็ได้สามฉบับก็ได้แต่เขาไม่หรอกเขาเขาหยอดเหรียญเท่าไหร่เขาก็หยิบตามที่เขาเขาใส่เข้าไป แต่คนไทยไม่เป็นอย่างนั้นคนไทยไปอยู่ที่นั่นพปไปกดเลนสนเปิดตู้เอเอาไปฝากเพื่อนด้วยแจ่ายแค่ฉบับเดียวอย่างนี้ ค, คนไทยเรา ม, มันระดับของความสำ น, นึกผิดถูกดี่ช่วยยังไม่ไม่อยู่ในระดับของเขาเราถึกศรีมาที่แค่นวดก่อนเยอะ ก็บางคนก็ชอบอ้างแบบฝรั่งไม่ต้องแต่งชุดนักเรียนเห็นไมเขาฟรีสไตล์เขายังมีคุณภาพชีวิตที่ดีได้แต่เขาก็มีมุมนั้นเหมือนกันอย่างนี้ใช่ไหมใช่ก็มีการกามีการสั่งสอ น, นด้วยเหตุด้วยผลเท่าไหร่ของเราเาจะไปก็เีบางอย่างบางเดียวไม่ได้ต้องเอาทุกอย่างที่ก้องทำอ๋อทุกอย่างครับก็ก็เอาศึกษาศาสนาพุทธ แะไรศึกษาอาหารใจก็ให้ใจมันส ง, งบ ก, ก็ก็ตั้งใจอยู่ครับหลวงพ่อก็ขอบพระคุณครับเราชอบดูเราของที่เราชอบมาใช้แต่ของที่เราไม่ชอบเราก็ไม่อยากจะเอาของเขามาใช้เ <c oughs> นี่อเหมือนอะไรเหมือนเหมือนเด็กเห็นอะไรชอบก็เอาเข้าปากหมดก็เลยมันก็เลยเป็นปัญหาขึ้นมาของเรา เขาอตามใจชอบไม่ยากไม่ใช่เหตุใช้ผลแต่แต่ก็สังเกตเขาก็มีเหตุผลที่เขาอ้างของเขาทุกคนมีเหตุผลที่อ้างหมดแหละครับแต่ว่าเหตุมันต้องมันถูกขึ้นมาเหตุผลที่อ้างมันต้องดูว่ามันมันตรงกับความเป็นจริงหรือไม่ครับเพราะถ้าขี้เกียจพูดมากเรื่องการบ้านการมันทำบ้านอย่างนี้ นี่ก็เป็นธรรมะครับหลวงพ่อได้ชัดเจน ม, มากขึ้นครับขอบพระคุณครับ okay. ที่ใช้น้าคุณสารการปฏิบัติ ท, ทุกวันนะพระอาจารย์แล้วก็มาฟังธรรมค่ะไม่มีคำถามค่ ะ, ะ okay. สบายใจนะอยู่กับคนที่เขาไม่ปฏิบัติธรรมอ๋อคือเขาก็ไลฟ์สไตล์ก็ต่างคนต่างอันนี้ค่ะไม่ค่อยยุ่งกัน แล้ว<ม>แต่ส่งวันส่วนต่างสางชาวชนเหมือนนะใช่แต่ว่าเขาก็อย่างกับว่าวันก่อนอะค่ะไปเจอเขาคือฝนตกแล้วเขาก็ไปดูที่เพดานดาฟ้าที่ข้างบะข้างบนนะคะมันมีนกที่ล่าอะคะ่ะอาจารย์มันมันมันมันเริ่มแบบมีลูกนกอยู่อะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาก็นึกถึงหน้าลูกปุ๊บเขาก็ปล่อยะค่ะปล่อยไว้เพราะ เพราะเขาก็รู้ว่านิใส่ลูกยังไงก็คือก็ค่อยๆปรับกันแต่ว่าไอ้อย่างเขาชอบพวกใสาประมาณการเอเอาความทุกข์มาใส่ตัวลูกก็จะไม่ค่อยคุยอะไรเท่าไหร่ค่ะเพราะว่ามันเป็นเรื่องมันเป็นเรื่องเออมันมันเราไปแก้บางอย่างเราก็แก้ไม่ได้มันเรามาดูที่ตัวเราดีกว่าลูกชอบเงียบ ก็ต่างคนต่างอยู่ลูกก็อยู่กันในห้องปักหมากแต่เขาก็ฟังประจารค่ะปฏิบัติค่ะอาจารทุ่จ่าอ่าในที่น่าที่ว่าบุญรุศากับแม่ใช่ไหมนักวัฒนการดิศยาดิศยาเป็นมากที่แม่รักษาค่ะเป็นยังไงมีอะไรไหมวันนี้วันนี้ นี่มาฟังทำกับพระอาจารย์ค่ะไม่มีอะไรค่ะคู่ะค่ะเดี๋ยวพรุ่งนี้เดินทางค่ะพระอาจารย์แล้วก็ไปกับพระอาจารย์วั น, นวันที่เท่าไหร่นะที่ไนวันที่สวันที่3าสิบค่ะพระอาจารย์เดี๋ยวจะไปไส่บ yeah, yeah, ่าค่ะพระอาจารย์อ่า้า่เดีคนอ่อนอนองเคยเข้ามาแล้วเป่เนี่ยออน เข้ามาค่ะพระอาจารย์นอาทิตย์ที่แล้วก็เข้ามาค่ะโอเคทำไปได้ไดค่ะไม่เป็นไรค่ะพระอาจารย์อาจจะยังหน้าใหม่อยู่เข้ามาได้สักสองสามครั้งเองค่ะพระอาจารย์อืมอ่าก็มีอะไรไหมมีมีคำถามอยู่นิดนึงค่ะพระอาจารย์คือปกติเนี่ยโยมต้องทํางานกับพี่น้องเป็นเป็นเป็ น, เ ป, นเป็นกิจการครอบครัวนะคะซึ่งบางครั้งเนี่ย น้องๆของยอมก็มักจะใช้คําพูดที่รุนแรงเวลาแสดงความไม่เห็นด้วยเราซึ่งเป็นพี่คนโตก็ตัวยอมเป็นพี่คนโตก็เลือกที่จะคือไม่อยากโตตอบจริงๆเคยเคยผ่านช่วงที่แบบมีการโต้ตอบกันก็พลังมันก็ว่าเราบางทีมันเหมือนคาสเตียจะมีอารมณ์กันค่อนข้างมากหลังๆก็เลยเลือกที่จะไม่โต้ตอบแล้วก็นิ่งๆเพราะว่าจริงๆไม่อยากให้ยอมพ่อยงแม่ไม่สบายใจด้วยเพราะนี้พอ โยมเรื่องไม่โต้ตอบบางทีคือคือไม่ได้มีความโกรธอะไรเพียงแต่ว่าเรื่องดังกล่าวเนี่ยมันคําพูดที่รุนแรงเนี่ยมันจะวนเวียนเข้ามาอยู่ก ว, วนใจอยู่เสมอก็เลยไม่รู้ว่าจริงๆกา ร, ร, รการที่โยมเนี่ยเรื่องไม่โต้ตอบมันถูกต้องไหมแล้วก็เราควรจะวางจิตยังไงให้คือคือคําพูดเนี่ยมากวนใจแต่ว่าไม่ได้ทําให้มีมีอารมณ์ขึ้นมาว่าเออเราโกรดน้องนะหรืออะไรเงี้ยเพียงแต่ว่ามันจะมีลักษณะ แบบเนี้ยเกิดขึ้นอยู่บ่อยๆโยมก็เลยไม่รู้ว่าจริงๆการที่เราไม่โต้ตอบกลับไปเนี่ยมันถูกต้องไหมคือเหมือนแบบเราหนีปัญหาหรือเปล่าไม่โต้ตอบมันโอเคแต่มันปัญหาไม่ได้อยู่ที่โต้ตอบมันไม่โตตอบปัญหาอยู่ที่ใจเราไม่สบายใจเวลาที่เขาพูดไม่ดีกับเราใช่แต่ปัญหาคือเราไปถึงว่าเราเป็นพี่เขาใช่ไหมเราต้องหวังว่าให้เขาต้องเขาต้องพูดดีกับเว่าเราเป็นพี่เขาที่ในทางธรรมพุทเจ้าบอกว่าเราต้องมองสอนตัวเราว่าให้เราเป็นเหมือน เป็นน้องนราอยากเปเราต้องคิดตัวเราเป็นแฉกของทุกคนแล้วเราจะได้ไม่ไปหวังว่าเขาจะต้องพูดดีหรือไม่ดีคือปัญหาของเราเราวางตัวเราผิดใ น, ในาทางหลักธรรมในทางสมมุติถูกแล้วเราเป็นพี่เป็นน้องในทางสมมติในทางธรรมถ้าอยากได้สบายใจให้วางตัวเราเป็นเหมือนปฏิปีพระเจ้า ทำเป็นเหมือนดินใครจะเหยียบใครจะย่ำใครจะพูดใครจะดา่าใครจะอะไรก็ดินก็ไม่ถตอนแล้วเราโยม <ง S 1> ควรจะต้องตอบตกตอบกลับไปไหมหรือว่าจริงจรงเราก็ว่าถ้าคุยด้วยเหตุด้วยผลถ้ามีเหตุจะ ต, ต, ต้องตอบก็ตอบไม่ใช่เรื่อเฉยๆทุกแต่ไม่ได้ตอบด้วยอารมณ์เพราะอย่างถ้ามีเหตุจําเป็นจะต้องอธิบายก็พูดไปให้เข้าใจกันแต่เราไม่ต้องมีอารมณ์กับเขาเท่านี้ ที่เรามีเราเพราะว่าเราถือว่าเราเป็นพี่เขาเราเป็นน้องเขาจะเขาจะต้องเคารพเราเยาจะต้องอ่อนน้อมต่ำเรงแต่ทางทํำเราต้องพี่กลับว่าเราเราเป็นน้องเขาก็เป็นพี่เราน่าจจัดเต็มเจอร้องทำดูวยเหตุเอาไปเราเจอกันเราต้องคิดว่าเป็นพี่เราทั้งนั้นเราเป็นน้องไป็นหมดดีคะพรับาจารย์เดี๋ยวยอมจะทาแนะนํานี้ไป ปรับใช้ดวงน่าจะจะได้ผลดีคุณนี่ก็เลยนี่เป็นหนึ่งในบุญสิทธิ์ชนิดเนี้ยความอ่อนน้อมถ่อมตนเป็นบุญอย่างยิ่งทําให้เรามีความสุขเราทําตัวเราอ่อนน้อมถ่อมตนได้แล้ว ใ, ใครจะใครจะว่าะใครจะพูดแล้วเราถือว่าเราเป็นเจวเราเป็นลูกน้องเขายิานดีรับฟังคําสัง่งอัมติชมทุกอย่างมีค่ะอาจารย์เดี๋ยวโยมจะเอาไปปรับใช้ค่ะต้อง เราเจอกขาต้องดึงใจว่าเราเป็นน้องเขานะเข้เาเขา้าเป็นพี่เราทางธรรมเป็นอย่างนีทง้ทางโลกเขาเป็นน้องเราแต่ทางธรรมเขเป็นพี่เราอืมอันดีมากเลยครับอาจารย์ต้องต้องปรับมุมมองแบบนั้นน่าจะทําให้สบายใจาขึ้นเยอะอยู่กับ ใ, ใครก็ได้ว่าเรา<ข>เรายอมหมดเรายอมแล้วเราก็อยู่ยๆๆอยู่แล้วเราก็เย็นใช่ค่ะ นี่คะ่ะได้ค่ะพระอาจารย์ยมใจเราไปปรับนํานํามาปรับใช้แล้วดูว่าใช้น่าจะสบายขึ้นจ ะ, จะทําได้ปะ <c oughs> ทําได้ก็สบายถ้าทําไม่ได้ก็ยังทุกต่อไป <c oughs> ใช่ต้องต้องพ<ม>ยายามทาให้ได้ครับอาจารย์ <c oughs> ต้องฝึกไปเรื่อยเื่ยคิดว่าฝึกใช่ค่ะมันมันเย็นดีกว่านอนอ่ะใช่ไหมใจเราเย็นดีก็่้อนใช่อาจารย์ทุกร้อนกับเย็นสบายยไหนจะดีกว่ากันอืมได้ค่ะ คนนิยมก็มีคําถามประมาณนี้ค่ะพระอาจารย์ขอ <Okay. S 1> บ, บคุณในคําแ น, นแะนํานะโยมจะลองไปฝึก ด, ดูค่ะแล้วจะคอยรายางานผลว่าน่ า, าจะจะเย็นขึ้นมาแร้วประกันได้ถ้าทาได้เย็นแน่ๆ uh huh. แล้วเขาก็จะดีกับเราขึ้นเยอะตอบบางทีเขาอาจจะตอบโต้กับเราเพราะว่าเร า, เราไปเหมือนการเราไปไปกดเขาไว้เราเป็นพี่ก็ได้ uh huh. เขาไม่อยากจะ เราก็ใหญ่ๆเหมือนเราเราก็ยหญ่ๆก็อาจจะเป็นอย่างเั่นว่าใช่ได้เลยค่ะอาจารย์ลองทำดูนี่แหละเป็นวิธีพลิกศัตรูให้เป็นเพื่อนค่ได้ค่ะอาจารย์ครับนักวิชาการขอบพระคุณค่ะทดลองดูนะเรามีอะไรมาเล่าให้ฟังได้เลยค่ะอาจารย์ถึงไปที่อาจารย์คงพิไลเชิญอาจารย์ อ่ากำลังดูีว่าอยู่ค่ะกลับนุัสกรรมพระอาจารย์ค่ะมาแล้วค่ะนอนกําลังไกายอยู่แล้วกับนมัสการพระอาจารย์ครับอ่าเป็ยไงสบายดีนั้นโอเคโอเคเลยครับพระอาจารย์พระอาจารย์สบายดีนะคะสบายดีไม่มีอะไรค่ะอนุโมทนากับท่านที่บริการรถตอกด้วยค่ะเขาสงสารเขาอยากให้เราสบายค่ะจะได้หายปวหลังด้วยค่ะ โดยถ้านั่งมันก็ไม่ปวดแต่ถ้าแรงมันก็จะต้องต้องคอยยืดเส้นยืดสายไปเรื่อยๆตามทางนึั่งต้องขึ้นรถพักเป็น ช, ช่วงๆแต่ถ้ามีรถก็อกมันก็นั่งได้ตลอดทางแต่ตอนนี้เราก็ไม่ได้ใช้มัทุกวันเราใช้เฉพาะวันที่คนมาเยอะ ๆ, ๆคนที่<ๆ>คนที่มาเอาใส่บาตรตลอดทางในวัน ท, ท, ที่ผ่านมานี้ก็คนใส่ต้องหกร้อยกว่าค่ะม้วนค้าใช่ไหมค่ะม้วนค้าด้วยมันตกวันอาทิตย์ด้วยค ก็เด so so so so so ินเดนนี้ที่ว่าจะจะนั่งรถช่วงวันเสาร์อาทิตย์วันพระหรือวันที่วันเทศกาลในวันธรรมดาอย่างวันนี้ไม่คนคนมันเคมีคนแค่ร้อยกว่าคนก็เดินเเดินไปสัดภาพแล้วก็คืนช่วงนี้ไม่มีคนนขึ้นกหนั่งไปอ๋อค่ะงั้นพรุ่งนี้พรุ่งนี้เราไปตักบาทเราก็ให้อาจารย์เดินเดินรับบาทพรุ่งนี้ละพรุ่งนี้จะไปตัดบาทค่ะที่บ้านถ้าไปตัดที่จุดที่เราเดินก็จะได้สาย ค่ะที่เดิมที่เดิมครับอาจารย์ค่ะพรุ่งนี้พรุ่งนี้ไปค่ะวันนี้ไม่ไม่ได้นําทุกวันค่ะแต่พูดดีวันอาทิตย์มีถ่ายทอดเนี่ยค่ะก็ก็ได้ที่วัดที่วัดนั่งทุกวันวันนั้นคนเยอะมากเลยเมราะวันอาทิตย์ขนาดดูถ่ายทอดที่แบบนานมากใช่ นั่งทุกวันก็ไม่ดีแล้วมันไม่ได้ออกกำลังกายอ๋อใช่ค่ะวันนี้ก็ไม่มีอะไรค่ะพรุ่งนี้จะไปตักบาตรพระรอาจารย์สาธุค ร, รับพระอาจารย์ครับสาธุไปที่เท็ซสต่อที่คุภัสจร้มที่อเมาิกาจารย์าไม่เขามีระเบียบ ม, มีความรับผิดชอบเยอะกว่าเราใช่ไหมการนมัสการพระรอาจารย์สิคะ ก็อง yeah. มีมีเจ้าค่ะแต่ว่ายุคนี้ก็เป็นยุคศีลธรรมน้อยอันตรธานเยอะอันตรธานเยอะหึ้นเจ้าค่ะตอ น, นที่เราไม่อยู่ร้อห้าสิบปีก่อนนะั้นมันก็ยังเรียบรอบเรียบร้อยดีเยอะันเรียบร้อยกว่นี้นยอะใช่เจ้าค่ะก็ก็ระเบียบเขาเมืเ่อปีแล้วค่ะกดก็กดกดระเบียบเข้มแข็งเจ้าค่ะแต่ว่าคนยุคนี้คนมีศีลธรรมน้อยเจ้าค่ะก็เข้าไป เอาของตามห้างตามอะไรก็เข้าไปเอาของของเขามาเลยอะเจ้าค่ะไปโกงไปเช่าก็เอาแบบจุดในร้า <ไป S 1> เลยใช่เจ้าค่ะตอนนี้ปัญหาหนักของที่นี่คือแบบคือด้วยจากภาวะโควิดที่ผ่านมาคนก็เศรษฐกิจไม่ดีคนตกงานเยอะไม่มีที่ อ, อยู่เยอะเขาก็เลยเข้าไปเขาไปเอาของในห้างแบบเอาออกมาเลยอะเ<ช><ๆ>จ้าค่ะ เข้าอปไปเลยวข้ามาใช่แล้วค่ะต่อหน้าต่อตาหมายถึงว่าอยในข่้วใชคะก็่ค่ะก็คือเข้าไปแบบเป็นแก๊งคือไม่ต้องปิดหน้าไม่ต้องอะไรแล้วก็ทางห้างเขาก็ทําอะไรไม่ได้เพราะว่าเขายึดว่าไม่อยากให้ลูกค้าหรือเจ้าหน้าที่ได้ลําบาดเจ็บเขาก็ต้องปล่อยให้คนพวกนี้เอาของออกมาเลยเจ้าค่ะคนคนยุคนี้ขาดศิลธรรมคุณธรรม เยอะเจ้าค่ะเมื่อห้าสิบปีก่อเมื่อห้าสิบปีก่อนคนยังยังค่อนข้างที่จะมีศีลธรรมเยอะทำไมที่เราไปอยู่นะเพราะงั้นค่ะยุคนี้น่ากลัวเจ้าค่ะภัยภัยเยอะมากภัยอันตรายเยอะมากแล้วก็การเกลียดคนต่างแบบคนเอเชียอะไรอย่างเงี้ยด้วยเจ้าค่ะค่ก็ชวนให้เขาบ้างไปทําให้เขาเกลียนนะ อยู่ดีๆเขาไม่เกลียดแล้วถ้าถ้าเราไปทําดีเขาไม่เกลีไดมไม่เกลียดเราแล้วแต่พ ว, ตพวกที่ไปแล้วมันไปทําไม่ดีกันเยก็เลยทําให้เขาเกลียดหมดเลยก็ไม่แยกแยะว่ามีดีไม่ดีบนกันบปแล้วค่ะตั้งแต่ยุคโควิดเจ้าค่ะตั้งแต่มีโควิดมาเขาก็คนเอเชียอะไรเป็นเป้านิดนึงอ่ะเจ้าค่ะอืเขาทําให้เศรษ ฐ, ฐกิจของเขาแย่ทําให้เขาลําบากอะไรเงี้ยเจ้าค่ะก็เลยมีการมีการแบ่งแยก เงินมากขึ้นนะเจ้า ค, ะค่ะนะเออเจ้าคะ่ะลูกก็ปฏิบัติเหนเดิมนก็ฝึกเจ้าคะ่ะฝึกความเพียรพยายามต่อเนื่องเจ้าคะ่ะน้อมนําคําสอนเจ้าคะ่ะไม่มีอะไรไม่มีคําถามเลยยังไม่ไม่มีคามําถามเจ้าคะ่ะอยู่ในช่วงที่แบบว่าก็ฝึกต่อไปเรื่อยเรื่อยเรื่องของอ่า ทุกเวทนาเจ้าค่ะในเรื่องของเวทนานะคะก็คือลูกก็พอฝึกสติไปแล้วพอช่วงหนึงก็คือเปิดสลับอะเจ้าค่ะก็คือจะใช้ปัญญาต่อแล้วก็ดูว่าเป็นยังไงปัญญาแบบสามารถผ่านเวทนาได้ไหมแ ล, แล้วก็กลับมาอย่างเงี้ยเจ้าค่ะก็ฝึกไปเรื่อยๆเจ้าค่ะจนกระทั่งเดี๋ยวควาเฉยได้ป่ะมาให้มันเกินมันดับมันเองก็ดีขึ้นเจ้าค่ะดีขึ้นเจ้าค่ะก็เกิดดับดีดีขึ้นเจ้าค่ะแต่ว่า ยังไม่ยังยังไม่ขาดมันต้องลองหลายๆข้อสอบเพื่อความแน่ใจเจ้าอ่ะต้องลองหลายๆอย่างเจ้าค่ะก็เลยยังไม่คิดว่าลองข้อสอบไปแบบหาข้อสอบทําเรื่อยๆเจ้าค่ะจนมีความแน่นน <ะ S 2> ใจดีกว่าแล้วนักปฏิบัติต้อต้องทดสอบตัวเองไปเรื่อยๆพยายามเปลี่ยนข้อสอบหาจนให้มีความแน่ใจว่าว่าเราเรา ใช่เจ้าค่ะไม่ประมาเจ้าค่ะไม่ประมาเพียงแต่ว่ามีแค่ก็คือเห็นแล้วก็เข้าใจเรื่องของของกายกับจิตที่การทํางานอะไรเงี้ยเจ้าค่ะแต่ว่าก็ต้องหาข้อสอบไปเพื่อความแน่ใจแล้วก็อยู่ยังไม่ประมาเจ้าค่ะเอ้ค่ะกาขอบพระคุณเจ้าค่ะค่ะนไปที่บอวิน้ำอมน้ำอมในนี้ บอกวิน ช, นชอนไปเลยน่ามาสักการ์ค่ะผ้าจาันหาใหน้าไปหลายหาหลายอาทิตย์นะอาทิตย์ก่อนเข้าค่ะแต่ไม่ถึงคิวพอดีเน็ตหรืรอเปล่าไม่มีอะไรเอ่อมีวันเสาร์ฟังธรรมผ้าจารั์ที่พูดเกี่ยวกับเรื่องขันห้าค่ ะ, ะที่เป็นเอ่อนำมาขันกับรูประขัน ตัวร<ช>ูปประคันนี้คือมันจะเปลีล่ยนน้ำตายใช่ค่ะมันจะเปลี่ยนตามการเวลาใช่ไหมคะก็เกิดแก่เจ็บตายค่ะส่วนตัวนามนขันนี้คือจะเปลี่ยนตามสิ่งที่มากระทบใช่ไหมคะใช่ฮันลูมฮันลูกมันก็จะเกิดเวทนาอย่างใดอย่างหนึง่งแล้วก็เกิดสังขารคิดปรุงแต่ว่าตามอัญญาสังขารก็ทางานต่อทีนี้ถ้าเราค่ะข่าพระจานทร์พูดก่อนไม่มีอะไร ถ้าเราอยากจะหยุดปฏิทียาเราต้องหยุดเแบรบกตรงช่วงสังขารใช่ไหมคะหยุดที่มันตัวความอยากสังขารเนี่ยมันจะมันจะคิดไปในทางความอยากได้หรืออยากไม่ได้<ม>อยากมีอยากเป็นก็ต้องหยุดมันเพราะถ้าอยากแล้วเดินกลับไม่ได้นังใจอยากก็จะทุกข์ใช่ไหมเห็นของสวยอยากได้แต่ไม่ดีกระเชื่อมันก็ทุกข์ค่ะครูดองใช้ปัญญาสอนว่า ของที่เราอยากได้มันเป็นไปแรักได้มาแล้วเดี๋ยวมันก็เดี๋วเดี๋ยวมันก็เสียมันก็ผ่านคือมันจากเราไปมันก็จะทําให้เราทุกข์ถ้าไม่มีความจเป็นก็อยากไปอยากได้อ ย, อยากประยาดนี่อ ย, า, อยากปยาดเร า, าใช้ปัญญาหยุดุกหยุดความอยากคือสังขารตามที่สัญญาแล้ต้องเปลี่ยนมันอยากไปเห็นว่ามันเป็นสุขทุกอย่างที่เราเห็นมันเป็นทุกข์แต่เราไม่เห็นเรา คามหลงมันจะเห็นว่าโอ้ยนี่สวยได้ม า, มาเราจะเป็นความสุขแต่เราเรียว่ามันเป็นอนิจันต์เป็นของไม่เทีย่ยมอืมเราต้องเข้าไปเปลี่ยนตัวสัญญาด้วยอ่าสัญญาตัวที่ไปเห็นว่ามันดีอื ม, มันไม่ดีไม่มีอะไรดีในโลกนี้ ม, มันทุกข์ทั้งนั้นมันถึงทุกชาติทุกเร็วทุกอดทุกหลังนั่ ทีนี้การภาวนานี้ก็คือเพื่อให้เราควบคุมใจเราได้ใช่หรือเพื่อให้ใจเราสงบครับอาจารย์สังกัดก็ควบคุมการควบคุมใจก็การทําให้มันสงบกแสดงว่าเราควบคุมมันได้อืมธรรมดามันมันจะไม่สงบเนี่ยมันจะคิดไปทำอะรบางอางเนี่แล้วมันก็ทำให้คิดเป็นเรื่องยากมันก็ทำให้เราทุกข์เห็นไหะอ่าอ่านี่เราก็ต้องหยุดก่อนหยุดมานาต่อไปก็สอนให้มันคิดไปในทางที่ทําให้เราไม่อยาก กินมัาทุกอยากไปไป่างเป็นตายรักเลยเป็นทุกข์คือเริ่มต้นเราต้องควบคุมมันให้ได้ก่อนถ้าเราอยู่มล้ไม่ได้<ม>เรายังไปสารไม่คิดไปไม่ อ, อยากไม่ได้เหมือนก่อนที่เราจะยูเทิร์นเราต้องหยุดรถก่อนใช่ไหมหยุดรถแล้วถึงเราถึงสามารถ U ยูเทิร์นได้ยกกับรถได้ถ้ารถยังวิ่งอยู่เราอยู่ยดีใช้ไมนยูเทิร์นไม่ยูเทิร์นค่ะค่ะอจาจารย์ อนนี้มันคิดไปในทางนิจจสุขขนาตาเพราะดายเเห็นอะไรก็เป็นนิจจสุขขนาตายิมันไม่ความจริงมันไม่ได้เป็นนิจจสุขขนาตาเลยเป็นอนิจจทุกขขันธตาซึ่งที่เราที่เราเห็นเพราะว่ามันเป็นสัญญาเก่าใช่แล้วถูกสอนมาตั้งแต่หลายภพหลายชาติเห็นทุกอย่างเป็นนิจจสุขขนาตาถึงกรรมาเกิดอย่างไงมาเห็นรวปเสียงกิ่นแล้วว่าเป็นนิจจสุขขันธตาใช่ไหม ไม่มีใครสอนนิจจังทุกขงัง อ, อนัตตาพ่อแม่ก็ไม่สอนครูบาอาจารย์โรงเรีนก็ไม่สอนถ้าได้มา <c oughs> นี่น่าจะไม่เกิดแล้วได้ถ้าได้มาก็ไม่มาเกิดนะเอาจะสอนร่วมให้เราไม่เกิดให้เรา เ, <c oughs> าเป็นทุกข์มันก็ไม่อยากจะมาเกิด <c oughs> นี่และประโยชน์ของพระพุทธศาสนาไม่มีใครสอนใครสอนเรื่องราอเหออนี้ทั้งโลกสอนนิจจังสุ ข, ขงังอนัตตา แย่กันนะว่าแย่งเก้าอี้แย่งโน้นแย่งนี่กันย่อมเป็นสุขขังมันที่ไหนได้ทุกกันกิมไม่ได้นอนไม่หลับกันอไหนก็ยังไม่ยอมยังอยากได้อยู่นะกินไม่ได้นอนไม่หลับก็ยังอยากได้อยู่เนี่ยมันมันได้ความอยากมันแรงจนกระทั่งมันทำให้มันได้แต่ความทุกข์มันไม่กลัวขาดทุกข์นอืม ซึ่งมาจากความหลงใช่ไหมคะใอ่ค่ะความหลงก็คือการไม่เห็นใจรักอืมค่ะใช่ไมอืมไม่เห็นใจรักมันก็ไม่หลงอมันก็รู้มันเป็นปัญญาใตรักนี่คือความกระจ่างเลยทุกอย่างเป็นอนิจจังไม่เที่ยงอืมค่ะทุกอย่างเป็นอนัตตาไม่มีตัวตนไม่มีอะไรเป็นเราไม่มีอะไรควบคุมบังคับได้สวรรค์ไป เข้าใจนะเข้าใจค่ะอาจารย์หมดคำถามทำใจได้เปล่าทำใจได้เปาใจเรื่องอะไรคะรับใจตามที่เราเข้าใจ อ, อ๋ก็ก็พอแยกร่างกายออกจากจิตใจได้ค่ะพอาจารย์ไม่ทุกข์กับมันได้ไหมถ้าถ้ามีเวลาเจ็บป่วยมาบางครั้งเราก็รู้สึกอยู่แต่ว่า เราก็พยายามทําใจไม่ให้ทุกไปกับมันค่ะเพราะว่ามันก็เหมือนเป็นหุ่นหุ่นยนตหุ่นตัวหนึ่งค่ะเราก็มองให้มันเป็นสิ่งของค่ะพระอาจารยา์ถ้าสมาธิแน่นน่าจะไม่ค่อยรู้สึกกับมันเท่าไหร่คิดว่าค ถ, ถ้าสมาธิเด่นอุ้ยขาแรงก็จะเฉยๆนะถ้าไม่เฉยก็เรียใช้สติสร้างอุเบกขาขึ้นมาพุทโธพุทโธพุทโธไป ค่ะค่ะอาจารย์โอเคนะค่ะไม่มีคำถามแล้วค่ะขอพระบุณค่ ะ, ะที่น้องหนเนี่ยแม่น้องหลนเนียอาาเพราอาจารย์ได้ยินหนูไหมเจ้าค่ะพระอาจารย์ได้ยินชัดเจนจ้ะเจ้าค่ะค่ะวันนี้เข้ามาฟังเจ้าค่ะพระอาจารย์ต้อ ก็ปฏิบัติอยู่เจ้าค่ะก็ลองทดสอบก็คือลองคือปกติ ค, คือนอนห้องแอร์ใช่ไหมเจ้าค่ะก็ลองไปนอนห้องพักแล้วก็ลองไม่ใช้แอร์ดูเจ้าค่ะว่าถ้าเราอยู่กับความร้อนอะไรเงี้ยเรายังติดความเย็นอะไรอย่างนี้หรือเปล่าเจ้าค่ะก็ลองนอนดูสุดท้ายก็ตอนแรกเหมือนนอนหลับ ดีแล้วเจ้าค่ะแต่ว่าก็ลุกขึ้นมาเพราะว่าหนูก็ยังสงสัยว่าสงสัยเป็นห่วงคนข้างล่างหรือเปล่าทีต้องกลับลงไปนอนข้างล่างอย่างนี้เจ้าค่ะพอลงไปจากห้องพักไปดูเห็นสามีกับลูกนอนอยู่ข้างนอกกําลังบริจาคเลือดให้ยุงเจ้าค่ะก็เลยต้องพาไปเลยให้ทั้งสองคนกลับเข้าห้องมานอนแต่ว่าพวกหนูนอนแยกกันอัตโนมัติเลยเจ้าค่ะพอาจารย์ในปัจจุบันหนูจะไม่นอนเตียงเจ้าค่ะนอนพื้นอย่างเดียวเลย ก็ก็ปฏิบัติอย่างนี้ไปเลยเลยเจ้าค่ะมันก็จะมีอาการปวดหลังหรือกระดูกอะไรอย่างเงี้ยเจ้าค่ะแล้วก็การตื่นก็จะใช้ระยะเวลาสี่สเออสีชั่วโมงอย่างเงี้ยเจ้าค่ะครับเดียวคือนอนนอนง่ายก็คือนอนหลับง่ายแล้วก็ตื่นไวอย่างเงี้ยเจ้าค่ะก็ปฏิบัติอย่างนี้เจ้าค่ะอยู่แบบอยู่แบบเรียบง่ายเจ้าค่ะอาจารย์ก็ลุยไปทำงานก็คือ นั่งรถมาแล้วก็ตอบพี่วินอย่างเงี้ยเจ้าค่ะก็ใช้เงินไม่ต้องมากนะเจ้าค่ะพอเท่าเท่าที่มีอภัยเจ้ามันก็ไปถึงจุดหมายปลายทางเหมือนกันใช่เจ้ า, าค่ะครับรถเม้นก็ไปถึงจุดหมายปลายทางเหมือนกันจ่ายเงินเยอะว่าใช่เจ้า ok ค่ะก็หนมก็คํานวณอ ว, วันหนึ่งก็ไม่ถึงร้อยอะไรอย่างเงี้ยค่ะคํานวณในการเดินทางก็ใช้น้อยสบายใจเจ้าใช่มากน้อยสั้นโดยนะเจ้าค่ะพะอาจารย์แล้วก็ อาหารแต่ก่อนเนี่ยเราไม่แต่ความอยากใช้ใช่ไหมเจ้าคะ่ะปัจจุบันเนี้ยก็อิ่มแล้วคือทานได้น้อยก็ไม่ได้หิวอย่างเงี้ยเจ้าคะ่ะพระอาจารย์ใช่เป็นก็อยู่ไม่ได้อยู่ก็เก่งค่นนะใช่ค่ะแต่ก่อนหนูจับกอกจับกอกก็คือร่างกายเหมือนพักพักเดี๋ยวก็อ้วนเดี๋ยวก็ผอมเหมือนลูกบอลอ่าเจ้าคะ่ะพระอาจารย์ปัจจุบันนีก็คือคงที่คะ่ะมีแล ม, มีหลักไม่เก่ง น, นะให้เด็กอย่างคงที่ กินก็อยู่ไม่ได้อยู่เพื่อกินเจ้าค่ะพระอาจารย์โอเคนะสาธุค่ะพยายามรักษาใจไม่ให้ไปทุกข์กับอะไรนะเจ้าค่ะพระอาจารย์สาธุค่ะ <Okay. S 2> <อ>ที่คุณหมอภาสนะกลับมามาตการพระอาจารย์ค่ะมาว่าแบบนีไไ้ก็ยั ง, งของความสงบได้นะคะพระอาจารย์แล้วก็ ช่วงนี้ก็ฟังหลวงปู่สิงห์จะจบแล้วอะหลวงปู่สิงห์ก็ยิ่งตฟังแล้วรู้สึกแบบชอบมากเลยพระอาจารย์รังทุกอย่างนะฟังอาจารย์หลายๆรูปก็ดีจะได้ได้ได้อุบายธรรมะเหมือนกันแต่อุบายไม่เหมือนกันแต่ลทั้งหมดอุบายต่างกันไปมันก็อาจจะมองกับเราถูกแล้วหรือข่าเราไม่ได้ต้องขออันนี้ไม่เสียหายที่จะฟังธรว่าของครูบาอาจารย์หลายๆรุ่นด้วยกันขอให้เป็น เป็นพระปฏิบัติดี ป, ปฏิบัติชอบนะครับจะไม่ขัดกันนี่เป็นพระอาจารย์ให้มาตอนปีใหม่ค่ะตอนที่พระอาจารย์แจกอะค่ะปูกดีมากๆที่พระอาจารย์แจกมีหลายรูปเลยค่ะฟังมาตั้งแต่หลวงปู่ฟัานหลวงปู่ขาวฟังแล้วแบบคือฟังแล้วมันได้กำลังใจมากๆเลยพระอาจารย์แต่ละรูปฟังแล้วแบบโอ้ยรู้สึกว่าแบบอืได้กำลังใจมากพระอาจารย์แล้วก็ตอนนี้เป็นปู น, ปนสิงอยู่พระอาจารย์ให้มาเยอะเลยอะค่ะตอนนั้นนะคะที่แจกช่วงนีที่ได้รับมา ค่ะฟังมาได้กำลังใจแล้วก็ตอนนี้ค่ะก็คือว่าเราสามารถที่จะทําตามหน้าที่ได้ก็คือที่บ้านตอนเนี้ยก็คุณพ่อก็จะผ่าตัดน้องก็จะผ่าตัดแต่ว่าไม่ได้เป็นมะเร็งคืดคือผ่าตัดเขาบอกพราะกูเป็นมะเร็งก็เลยต้องผ่าเจอก้อนเนื้อไงคะแล้วก็ก็เลยให้ท่องบทนันตระฆัสุโดยทําโดยที่แบบไม่มีอารมณ์ค่ะพระอาจารย์ก็คือทําตามหน้าที่เต็มที่ก็รู้สึกดีนะคะแล้วก็ขนาดหมาที่บ้านยังต้องผ่าเลยพระอาจารย์หมาที่บ้านคุณพ่อผากันทุกทุกคนงงอืมแล้วก็ทําหน้าที่ของเราค่ะ ทำใจให้เฉยๆก็แล้วกันทําหน้าที่ไปไม่ถึงเต้นตกใจไม่เดือดร้อนอะไรจะเกิดก็เกิดแต่พยายามจะช่วยรักษาใจให้เพราะว่าเรารู้ว่าแต่อยากให้คือพยายามรักษาใจให้ทั้งคุณพ่อกับน้องคือให้เขาให้กําลังใจใช่ไหมคะพระอาจารย์ให้เขารักษาใจให้คือใจสําคัญกว่ากายอยู่แล้วเพราะกายเป็นอะไรมันก็ป้องเป็นแต่ว่าใจใช่ไหมคะพระอาจารย์เนี่ยพยายามช่วยรักษที่เขาอยู่ที่เขายินดีจะฟังหรือเปล่า อ๋อฟังอ่ะตอนนี้ตอนนี้เขาเริ่มฟังกันนะครับอาจารย์คือแบบคือรู้สึกเลยว่าเขาบอกเขาฟังไงก็เลยเออเลยโชคดีคือไม่ได้ไม่ได้ไปขอไม่ได้ไปขอทําให้เขานะคะคือเขาฟังแล้วก็เขาถามอะไรเนี่ยค่ะก็เลยบอกเป็นเรื่องที่บังคับกันไม่ได้ของทีดด่ค่ะค่ะพรอาจารย์ก็จะเองก็ทำตัวเองต่อนะคะพรอาจารย์ทําเดือนนี้ยเพราะว่าเดี๋ยวเดือนหน้าก็จะได้ไปค่ดีโอเคขอบพระคุณค่ะทุกา่านที่เป็นเอกเชียงรายเอง ในสัตชิกไม่บาดในวันพระน่หยุดแล้วแล้ว ก, การพระอาจารย์ครับก็มีมีวันมิสาวันที่ผ่านมาก็พอมีสัตชิกไปครับอาจารย์แต่ว่าสู้กิเลสไม่ได้ครับประมาณเที่ยงคืนมันไม่ไหวครับง่วงครับอาจาก็แต่ก็ตั้งใจไว้อยู่ครับอาจารย์ว่าวันศักระว่าจะดีสัตชิกอีกเหมือนกันพระอาจารย์ครับรร เ, อเอาตั้งใจนี่สําคัญถ้าไม่ตั้งใจมันก็ มันก็โลเลยพอตั้งใจแล้วมันก็ต้องเอาละต้างมีศัจจานะตรงนี้นะครับผมครับผมศัจจ์อธิษฐานเนี่ยความตั้งใจที่แน่วแน่ศั จ, จากเปความแน่วแน่จริงจังไม่โลเลยครับผมครับผมนี่ทำอะไรจะสําเร็จได้ก็ต้องมีมีความตั้งใจมีความแน่วแน่มีศัจจ์ครับ จะอธิษฐานก็ความตั้งใจตั้งใจปฏิบัติในสัจจินนิเรศว่าอธิษฐานครับผมครับอาจารย์ก็มีมีเทพอาจารย์ที่เทพไว้บารมีสิบหรอครับอาจารย์เทพไว้ก่อนหน้าผมฟังดูเข้าใจมากยิ่งขึ้นครับอาจารย์มีบารมีสิบตั้งแต่ทานศีลที่ใครมาเมตตาเมตตาทานศีลเป็นขั้นเป็นขั้น ขึ้นขั้นไปก็เข้าใจมากยิ่งขึ <m <m ้นนะครับอาจารย์ที่ว่าก็จะมีมีสัต์จะมีวิริยะีที่เป็นบารมีสัตว์อยู่สี่ี่อย่างอันนี้เป็นเครื่อมูลนะครับก็ผมได้มาที่ก็ก็มีช่วงปฏิบัติในช่วงเช้าครับพระอาจารย์ผมก็ใช้ทาบริกรรมพุทโธสัมภารณ์พุทโธแล้วก็มันบุบลงไปครับพระอาจารย์แต่ว่า บูกไปเบาสบายครับอาจารย์มันอยู่ได้ไม่นานครับอาจารย์สติยังยังอ่อนไปอยู่เปล่าครับอาจารย์ครับก็ถ้ามันไม่นานก็แสดงว่าสติเรายังมีไม่มากพอถ้าได้นาเป็นเครึ่งชัวโมงช่วโมงก็แ ส, นนสดงสติกำลังดีมาก อ, อ๋อขำขำ<ม>บูบไปก็ไม่ไม่นานก็มันก็กลับามา咯ขันธิกาศขันธิกาศส<ม>าม ก mm hmm. ็ตอนนั้นปลูกไปมันก็เบาสบายครับอาจารย์ทำเวรกรรมก็หายไปท้าพอาจารย mm hmm. ์สภาพมันก็ถอนขึ้นมาครับอาจารย์ก็ไม่เป็นไรกร็ฝึกต่อไปอย่างนั้นมันจะทําให้เราเป็ําำลังใจนะว่าฝึกสติมันได้ออย่างนี้นะครับผมครับผมก็ mm hmm. ถ้าหลังหลังออกจากสมาธิก็มันก็สบายครับ มันไม่ ง, ง่วงทั้งวันเลยครับอาจารย์ก็ไม่เมื่อเนื้อไม่ปวดด้วยครับอาจารย์ใช่ถ้าจิสนานานานตสงบแล้วนานแค่ไหถ้าเราออกมาก็จนรู้สึกเจ็บทุกข์ปวดอะไรถ้ า, าบูมถ้าบูมเด็ก็ต้องสูดต่อไปตามต่อไปถ้าบูมต้บูมให้มันได้ผลมากขึ้นให้มันอยู่ได้นด่งได้นานขึ้นถ้าบูมยังไม่ทต้องไ ป, ปงกังวลเรื่องปัญญาเท่าไหร่ถ้าสมาธิเรายังไม่ยังไม่มั่นคงยังไม่ อย่างไม่นานฝึกสมาธิไปก่อนออกจากสมาธิมาก็ฝึกสติไปก่อนอย่าเพิ่งไมคิดคิดบ้าง ก, ก็ไดนะ้ถ้าจำเป็นจะต้องคิดจะคิดบ้าง ก, ก็ไดนะ้คิดทางปัญญาบ้างอ็ได้ใหลักก็พยายามฝึกสติไปก่อนครับผมครับผมก็พยายามฝึกทุกวันนะครับอาจารย์ช่วงเดิมช่วงอะไรก็พูดโทไปด้วยครับอาจารย์บางครั้งมีอีเรื่องที่มากระทบใจก็ก็เอ า, าไปมองว่าเอ๊ะมันเกิดจาก ความอยากของเรารู้เปล่าที่อยากอยากให้มันแบบออว่าให้มันเป็ น, ปนปญญอย่างนั้นอย่างนี้เหมือนใจเรารู้เปล่าเนี่ยครับใช่ใช่ครับใช้ปัญญาได้เวลามี ป, ปัญหาขึ้นมาครับเพราะว่าก็ให้เขาคิดอยู่ในใจอยู่มันมันมันเริ่มจะทันนะครับเวลามันมีความโกรธขึ้นมาอย่างเงี้ยพระอาจารย์มันก็ก็จะรู้ว่าของเอาเราไม่พอใจแล้วเนี่เอ๊ะทำไมเราคงไม่พอใจก็โกรธขึเข้าไปเพราะเราอยากนี่เองอย่างเงี้ยครับอาจารย์ก็ ทำทำสั่งสอนของาอาจารย์ก็หุดหันมาในใจว่าเอออาจารย์บอกว่าเพราะความอยากนี่เองมันทําให้เราแบบไม่พอใจหรือว่าโกรธขึ้นมาเนี่ยครับอาจารย์ใช่ก็ทําอย่างนั้นทําอย่างนี้เราก็ไม่ทำก็โกรธเขาครับครับใช่ครับถ้าเกิดว่าเฮ้ยเราไม่อยากดีกว่าเดี๋ยววคนเราอยู่อยู่ได้ไม่นานอย่างเงี้ยมันก็เดี๋ยวก็จากกันแล้วอย่าไปอยากอะไรมากไปเลยอย่างเงี้ยมันก็คิดอย่า ง, งเงี้ยครับอาจารย์ยินดีตามรีตารเกิดดีกว่าสันด่ด ครับผมครับครับก okay. okay. ็ครับผมกรายงานพระอาจารย์แคนี้ก่อนครับครับครับขอ้ท้านรอาจารย์แข็งแรงครับผมสวัสดีค่ะท่านอาจารย์ แล้วคือวันนี้ค่ะลูกลืมไปแล้วค่ะแต่เดวิดละเขาเหมือนเขาไม่ได้ลืมก็บอกว่าฝากบอกอาจารย์ด้วยนะคะเรื่องบอลจองเต้แล้วก็ฝากความคิดถึงท่งานอาจารย์ด้วยค่ะดูกัเลยบอกเขากบอกว่าเอ๊ลืมได้ยังไงเขาถามหนูว่าหนูลืมได้ยังไงบอกดีนะเนี่ยที่ยังมีคนาคอยเตือนอยู่ค่ะ<ม>แล้วก็อีกเรื่องหนึ่งนะคะท่านอาจารย์เรื่องการนั่งปฏิบัติอะค่ะคือปกติเนี่ยเวลาลูกปฏิบัติเนี่ยมันจะไม่เคยในลักษณะที่ว่า ช่วงแรกๆเคยเคยเจอในรัศดที่ว่าคือวูบหลับคือสับงบเพราะว่าถ้าอาจารย์บอกว่าถ้าถ้าความแตกต่างระหว่างการการการที่ว่าเอจิตรวมกับหลับก็คือว่าถ้าถ้านั่นน่ะเราจะรับรู้เหมือนกันเราคุยกันในรักษณะนี้ใช่ไหมคะแล้วตอนนี้คือเนี่ยค่ะเมื่ออาทิตย์ที่แล้วอ่ะค่ะมันเริ่นเกิดอาการที่ว่ามันไม่เกิดอาการเหมือนมันดับอ่ะค่ะมันมันมันดับ ลูกคือลูกไม่ได้ัคือถ้าสับสปปงงเหมือนเหมือนสมัยก่อนที่ปฏิบัติเนะี่ยเราจะรู้ตัวว่าเราสปประพังงกใช่ไหมคะ mm hmm. แต่อันนี้มันคือมันมันดับมันดับแล้วสักพักนึงอะคะ่ะแต่ลูกไม่ทราบว่ามันมันมันนานหรือเปล่าลูกก็ไม่ได้ลูกไม่ลูกไม่ทราบแต่รู้แต่ว่าพอมันรู้อีกทีก็คือมันจิตมันตื่นนะคะถ้าอาจารย์ mm hmm. ลูกก็เลยอยากจะถามท่านอาจารย์ว่าการการการวูบของการหลับกับ ที่ว่าการดับดับทั้งหมดของที่เกิดจากการนั่งสมาธิเนี่ยมันมันมันมันแตกต่างกันยังไงคะท่านอาจารย์มันก็สงบมันก็เนี่หมันก็ทุกอย่างมันดับมันแต่รู้ตัวเดียวมันการดับเนี่ยการการการดับเนี่ยมันเหมือนมันเหมือนมันเหมือนอยู่ในที่มืดแล้วแบบคือทุกอย่างดับหมดเลยก็คือเหมือนว่าผัสสะทุกทุกอย่างเราจะไม่มีการได้ยินได้อะไรเลยใช่ไหมคะ มันดักเยล่ะ ต, ตัวรู้มีตัวรู้ตัวเดียวที่ไม่ได้ดักตามค่ะอ๋อค่ะรู้สักแต่ว่ารู้อ๋อมันจะมีตัวรู้คําว่ามันจะมีตัวรู้ขุดอยู่มาแค่นั้นมันต้องรู้เสร็จมันต้องรู้ทุกอย่างแบบถ้าไม่เป็นตัวรู้มันก็ไม่มันก็ไม่รู้อ๋อค่ะถ้าจ้าถ้าหลับเนี่ยจะถ้าถ้าถ้าหลับแบบรูปถ้าหลับแบบรูบรูบนี่ก็คือคือคือคือมันจะไม่รู้อะไร และลักษณะของการนั่งสมาธิที่ว่าวูบและักษณะที่ว่าอาการดิ่งแบบที่ท่าอาจารย์บอกว่าตกเหวนี่มันมันมันรู้ไหมคะท่าอาจารย์รู้เสียงรู้ตลอดนะรู้ในลักษณะที่ว่าใจมันมันมันมันวูบลงรู้ไหมที่กำลังกระโดดของมัาจากที่เชิงเนาะอ๋อค่ะท่านอาจารย์เพราะว่าลูกไม่เคยเจออาการนี้อาการของลูกก็คือว่ามันจะอยู่ในที่เวิ้งว้างที่ท่านอาจารย์แต่ไม่จำเป็นจะต้อง มันทำไม่ได้จําเป็นจะต้องดิ่แบบนี้เสมอไปที่มันก็ค่อยๆสงบเย็นสบายเฉยๆได้ไหมค่ะลูกค่ะก็ลูกไม่เคยเจอเจอการแบบนี้มาก่อนก็เลยก็เลยงงเอ๊ะตกลงเราเราหลับลื้อลือลื้มันเกิดจากอาการที่ว่าดับดับในกรณีของที่การเกิดการสมาธิอะค่ะก็เลยก็ก็เลยตรงไปตรงจุดนี้เฉยๆนะค่ะท่านอาจารย์ค่ะเข้าใจแล้วค่ะท่านอาจารย์ว่า ก็คือให้รู้คํำมันจะมีคําว่าสักแต่ว่ารู้อยู่ในนั้นใช่ไหมคะคือตัวรู้เฉยๆค่ะว่าระดับว่าระเบนระดับการู้ไปเฉยๆแล้วเวลาอาการที่วูบลงดิ่งนะคะถ้าอาจารย์มันมันมันวูบลงดิ่งคือเรารู้ว่ารูปวูบลงดิ่งพอพอดิ่งปุ๊บพอดิ่งปุ๊บเนี่ยสักพังหนึ่งจิตมันก็จะตื่นขึ้นมาหรือยังไงคะท่านอาจารย์มันไม่มันไม่มันไม่มันไม่ตื่นขึ้นมามันตื่นตลอดเวลาเลยนะตื่นั้แต่เวลามันรูปอ๋อเหรอคะ ข้าอาจารย์ค่ะถ้ามันถ้าถ้ามันหลับก็แสดงว่ามันหลับถ้ามันว่ามาตื่นแสดงว่ามันหลับอ๋อค่ะค่ะข้าอาจารย์ค่ะมันไม่ตื่นเนี่ยมันมันไม่ได้หลับจะไปตื่นได้ไงอ๋อค่ะค่ะข้าอาจารย์ค่ะเพราะว่าที่ที่ที่ลูกเจอก็คือว่ามันมันมันมันหลับแล้วมันตื่นเนี่ยมันมันสับมันก็มันสับประบอกเดียวมันก็มือนสับประบอกเดียว อ๋อแต่แต่นี่มันคือมันไม่ได้ตับสงบคือมันดับหายแล้วสักพักหนึ่งแต่ลูกไม่ทราบว่ามันมันมันมันหายนานไหมแต่ว่ามันดับหายมันก็หลับแล้วนะอ๋อค่ะแต่แต่ถ้ามันมีเตื่นก็แสดงว่าต้องหลับสิถ้าไม่ใช่ไหมถ้าไม่ถ้าไม่มีตื่นก็แสดงว่าไม่หลับอ๋อแต่คือทราบเฉยๆว่ามันดับหายแล้วสักพังมันก็ คือจิตมันก็เหมือนแบบมันมันมันผุดขึ้นมามันแบบเหมือนมันเหมือนมันมีมันมีกําลังขึ้นมาเราไม่รู้ว่าคุยไปกันเหนื่อยปะปะค่ะท่านอาจารย์เข้าใจนะค่ะเข้าใจค่ะท่านอาจารย์ที่ท่านอาจารย์บอกว่ามีคําว่าศักด์แต่ว่ารู้เข้าใจแล้วค่ะท่านอาจารย์ค่ะค่ะขอบพระคุณมากค่ะท่านอาจารย์ขอบคุณวิญญาณท่านอาจารย์ที่เมตตาค่ะทุกคนกาแฟครับโซล่าธานี มนมัธ ก, การครับวันนี้มามาสง่งผลงานชิ้นโบแดงครั บ, บเนี่ยมาเลยเอ่อก็อ๋อผมก็อดอาหารครับเราอดอาหารอะไรทำฟาสติ้งก็อดอดแปดชั่วโมงอกินกินหกชั่วโมงแล้วก็ที่เหลือก็อดอาหารครับเอก็เป็นการฝึกอ่นอยั ง, งไงไม่เข้าใจอ่อนยังไงก็คือว่าเรากินอาหารแค่แค่สมมุติกินแปดโมงถึง ที่อยงเงี้ยครับแล้วทีเดียวเราก็อดอาหารแต่กินแต่น้าเปล่าครับไม่ไม่ไม่ผ่านจนถึงวันรุ่ขึ้นใช่ใช่ครับไม่เช่นนั้นเที่ยงเกินแล้วทานต่อ <c oughs> แล้วก็แล้วหนักแล้วหนักรดไปสี่กิโลแล้วครับคร<อ>ับคือมาถึงก็ถือศีแปดถืถอศีลข้าไม่กินแล้วอาหารเที่ยงวันไม่แล้ว มันไม่เหมือนศีลแปดพระครับคือผมรอเริ่มผมเริมประมาณช่วงเที่ยงเที่ยงถึงประมาณประมาณสิบเอ็ดโมงถึงสี่โมงห้าโมงครับกินเริ่มกินก็คือกินใช้หน่อยครั บ, บแล้วหลังจากสี่โมงก็ถึงไม่กินถึงไม่กินเลยครับก็ อ, อดเอาก็ถือว่าเป็นฝึกตะบะเอ่อความอดทนพูดง่ายๆคือไม่กินอาหารเลย อครับจนถึงจนถึงเช้าเช้าหิวก็ไม่กินครับกินกินอีกทีกินอีกทีมากินตอาชิเบนโมใช่ครับใชกินืิอเดียวไม่กี่กินกินมื่อสองประมาณสองมื้อครับสองวันชิเบนโมกับชีโมประมาณนั้นครับก็การ้ําหนักมันก็โอเคอะไรว่าก็ใช้ได้ครับปั๊ปะก็สี่ห้าวันครับประมาณห้าวันลดไปสามกิโลกว่าครับอ่าลดต่อไปได้ก็มทาต่อไปได้ไหม ก่อนเนี่ยครับเอาสักสิบกิโลนด้ไได้ครับอาจารย์ได้จะได้ครับถ้าทำทำมาได้แล้มันต้องทําต่อไปนะได้ใช่มันมีกําลังแล้วก็กายมันมันเบาครับคือเราตัดความกังวลเรื่องอาหารไปแล้วก็คือบางทีมันก็อร่อยนะอาหารประจันแล้วก็แล้วก็อ่ะพอและก็คือกินหนึ่งมันมันดีมันดีเราตัดใจด้วยครับดูคราวนี้รู้สึกไม่ค่อยว่นเหมือนเมื่อก่อน แล้วมันจะท้าอยู่พอดีอะไรแต่ีแล้วก็ปัญหาเรื่องเรื่องคนอื่นอะไรเงี้ยคนอึ่งก็เราก็ทําแล้วก็ขอคนก็มาขอโทษผมผมก็ไม่เป็นไรก็ไม่ไม่ได้โกรธอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เหมือนลูกค้างเงี้ยครับวันหนึ่งอ่ะมีเรื่องที่มานําความร้อนให้เราแบบว่ามันเข้ามาพึ่งพาเราอะไรเงี้ยแล้วคุณแม่ก็สอนว่าก็ดีแล้วที่เขามาพึ่งพาเราคอยยังดีนะที่เขานึกถึงเราตอนที่ เ, เขาลำ บ, บากก็ไม่เป็นไรอะไรเงี้ยก็ก็แก้ปัญหาได้ครับอาจารย์คือมันจะมีเรื่องคนนั้นทะเลอะคือเข้ามาให้เราแก้ปัญหาครับถ้าช่วยได้ก็ช่วยไปถือว่าเรามีโอกาสได้เจริญเมตตาบารมีไปต่ <c oughs> อ, อครับปัญหายเยอะครับอยาจะเป็นโ<ต>พธิสัตว์ใช่ไหมอยากจะเป็นโพธิสัตว์กันต้อง มีแต่คนบอกว่าผม่มีความเมตตาแบบมีแต่คนแบบเหมือนเพื่อนที่คือีแบบเขาเป็นคนใจดีมากแล้วก็แบบเหมือนทุกคนเราข้างก็ก็บอกครับแบบเป็นเสียงเดียวกันครับแล้วก็ใช่ก็มันเป็นบางคนจริงเพราะว่ามดมดก็ไม่เคยตีห้ากปีแล้วจิตอาฆาตความแบบว่าที่เราจะพยาบาทเนี่ยเราเราเราไม่เราไม่มีเลยครับไม่ไม่รู้ว่าไม่มีหรือเปล่าแต่ว่ามันไม่มันไม่ได้ปรากฏ มาครับก็ดีถ้าไม่ทํำดีครับแล้วก็น้องน้องที่ฝึกงานนะครับออกแล้วก็น้องเขาเ อ, อ๋อเราสรธรรมะด้วยไง น, น้องเขารักษาสินห้าเขาเป็นเด็กธรรมดาที่แบบว่าแต่ว่าเขาสนใจแล้วก็ข้อรักษาสินห้าก็รู้สึกว่าเข้ากับเราได้ครับแล้วก็ช่วยเราได้ครับพวกเสียงก็งมัจะคบกับพวกที่มีเียพวกไม่มีเสียงก็งมักจะไอยู่กับพวกที่ไม่มีเีย น้ำกัน้ำมันไม่ปลดกันนะ้ำว่ายู่กับน้ำน้ำมันก็ดีก่าน้นันนนครับมันมันดีขึ้นกว่าเดิมแล้วก็เริ่ ม, เ ร, มเริ่มเจอคนมีสีมากขึ้นครับแล้วก็เหมือนที่ปฏิบัติเราเจอคนเยอะส่วนใหญ่คนเขาจะลูกค้าคือจะมาแบบวันนี้เหมือนกันมาหาเรื่องจะมาโพสเฟ ส, ฟสจะมาทำอะไรแบบร้ายๆแต่ว่าเราก็นิ่งสงบอะไรเงี้ยครับมันคือเขาไม่สามารถดึงให้เราไปมีพฤติกรรมแบบ ต่ำกว่าแบบไปเพเลาะเขาได้แต่ว่าพอพอเกิดเรื่องต่างๆเราต่างหากที่แบบเหมือนกระเทาะความความความข้างในสิ่งที่เราสั่งสมมามันเหมือนเราเราได้ขัดถูตัวเองไปเรื่อยทุกทุกบอ่มีปัญชาบ่เกิดครับโอเคครับผก็มีแหละครับก็นี่ครับร้อได้ลนะสิบโลนะ <laughs> ไม่ยากหร อ, อในสามรอสิบเดเจ็ดโลเดียวเดียวครับประจารขอ บ, อบขอบขอบขอบคุณคุณพิลาด้วยครับ่ไม่ถอยนะไม่ถอ ย, ไ ม, ไ, มถอยไม่ถอยครับผมเลือกเลือกทางนี้แล้วแล้ก็อย่างหนึ่งครับก็คือขอขอเขาพูดตรงๆก็คือว่าผมไม่ไม่มีความรู้สึกออที่จะไปเสพกับร่างกายใครอะไรเงี้ยครับแบบ<ม>คนที่แบบมันอะไรเงี้ยเราเราเรา ไม่รู้สึกมีความต้องการที่ว่าจะไปยุ่งกับใครเลยครับต้อดูไปด้วยใช่ไหมต้องดูไปก่อนอย่าไหมครับอย่าไปเจออะไรทีู่กใจขึ้นมาครับดีครับจิตใจคือแบบเหมือนโดนเรื่องจิตใจประมาทเนี่ยประมาณไม่ประมาณครับวันนี้ผมง่วงผมก็ต้องเข้ามาส่งผลงานครับการของคนก็เสรครับ ในทีเออคุณทิสากลับนมัสการค่ะพระอาจารย์ค <Yeah. S 2> ่ะก็ไม่มีคำถามค่ะพระอาจารย์มาร่วมรับสั่งค่ะียอยดีเรียบร้อยดีค่ะก็ยังเพียรปฏิบัติเหมือนเดิมค่ะพยายามเพิ่มเวลาให้มากขึ้นแต่ว่าตรงเวลาที่เพิ่มก็เป็นการเดินจงกลมค่ะพระอาจารย์ เพราะว่านั่งนางนๆมันก็เมื่อยปวดหลังค่ะพระอาจารย์ก็ฝึกสติไปเรื่อยๆก่อนค่ะใช่ค่ะคระค่ะพระอาจารย์ฝึกสติสติมากขึ้นแล้วต่อไปจะนั่งได้นานขึ้นสมาธิได้นานขึ้นค่ะพระอาจารย์ก็เวทนาตอนนี้ก็ก็ใช้สติกดหนึ่งนะค่ะก็ด nice> ีขึ้นค่ะดีข mm ึ้นเยอะเลยค่ะต mm ั้งแต่ตั้งแต่ฝึกสติรู้สึกว่ามันช่วยมากๆในการนั่งสมาธิค่ะพระอาจารย์ ใช้ใช้ได้ยิ่งได้ค่ะพระอาจารย์ก็ปึกสติก็คือพุทโธแล้วก็ใช้การดูยักร่างกายอ่ะค่ะพระอาจารย์ก็ไม่มีค่ะไม่มีอะไรค่ะพระอาจารย์เพียงปฏิบัติเหมือนเดิมค่ะพระอาจารย์รักษาระดับการปฏิบัติไว้ก็แล้วกันให้มันค่้นค่ะพยายามค่ะให้มันขึ้นแต่อย่าให้มันลงข่ะพรอาอนอันนี้ระค่ะสำคัญเลยค่ะต้องไม่ให้มันลงค่ะพระอาจารย์ ถ้ามันขึ้นนอกจากว่าถ้ามันมีเหตุจําเป็นบังครั้ให้มันลงก็ชั่วครั้งชั่วคราก็โอเคค่ะลูกก็พยายามพ้นเวลาค่ะก็พยายามรักษาแล้วมาช่วยเฉยมาช่วยเฉยทีหลังก็ได้ค่ะพระอาจารย์ค่ะพระอาจารย์ก็ยินเห็นพระอาจารย์นั่งรถกอล์ฟเรารู้สึกดีมากเลยค่ะรู้สึกก็แบบยังคิดสบายแทนสบายแทนแล้วแบบเห็นพระอาจารย์แบบวันนั้นเพราะเดือนเดียลูกจะดูถ่ายทอดวันอาทิตย์ใช่ไหมคะ แล้วแบบคนเยอะมากวันอาทิตย์ถ้าแล้วเดือนนี้รู้สึกว่าวันอาทิตย์จะเป็นวันพระแล้วเห็นพระอาจารย์แบบเดินนานมากแล้วลูกยังคิดว่าโอ้โหแต่ว่าพอเห็นพระพระอาจารย์เห็นนั่งรถกอล์ฟแล้วรู้สึกโอ้โหแบบยินดีกับคนที่บริจาคแบบคนที่ถวายกับพระอาจารย์นะคะรู้สึกอนุโมทนาบุญมากๆเลยค่ะอ่าคนดีจะดีใจค่ะรู้สึกแบบเออเราปลื้มปิติมากๆเลยอ่ะยังคิดเลยว่า โอ้หถ้าเรามีส่วนด้วยร่วมมันก็ดีเนาะแต่ว่าก<ม>็ดีอะคะ่ะเพราะอาจารย์ได้รักษาธาตุขันคืออยากให้พระอาจารย์บินทบัตอย่างนี้เป็นนานๆนะคะพระ<ม>อาจ <c oughs> ารย์สาธุค่ะค่ะอนุนโมทนาบุญถ้าเกิดเขาไม่บริจาคแล้วพระอาจารย์ไม่สามารถเดินนานๆลูกก็ไม่ลูกก็คิดว่าวันอาทิตย์ลูกจะได้ดูไหมเนี่ย อ, อย่างเงี้ยเพราะแต่เรก็ยังมีความกังวลว่าโอ้โหพระอาจารย์เดินนานมากคะ่ะ ขนาดใช้รถยังนานเลยค่ะใช้มั้ชั่วโมงกว่าไม่ใช่ใช่สองชั่วโมงค่ะนานมากค่ะพระอาจารย์ก็ไม่มีอะไรค่ะน้อมน้อมนำปฏิบัติค่ะกาบสาธุค่ะพรัอาจารย์ได้ยินไหมครับการมสานครับได้ยินท่านจริงอ๋อครับอยากจะบอกว่าวันพรหัสที่แล้วครับไปไปงานศพ คนรู้จักของเพื่อนที่สิงคโปร์ครับเขาเป็นคนไทยครับแล้วเขาก็เสียชีวิตแล้วก็พอไปร่วมงานเสร็จประทับใจตรงที่ว่าเขาปฏิบัติธรรมแล้วเหมือนเขาทํากันบ้านผ่านเหมือนที่อาจารย์บอกเลยครับก็คือเขาเป็นมะเร็งต่อมน้ําเหลืองครับแล้วเขาก็อ่าเหมือนเขาปฏิบัติมาระดับหนึ่งเลยครับเขาบอกเออเขาเตรียมทุกอย่างพร้อมแล้วแล้วเขาไม่มีความกังวลกับร่างกายเขาแล้วเขาไม่เจ็บปวดเลยครับอาจารย์ อันนี้ล้อันนี้เรื่องของการปฏช่ครับมันเจ็บนะเราไม่ทุ่มกับมนมั น, ม, นมันเจ็บจะนะไม่ทุกับมันใช่ครับเราเขาบอกทุกคนเลยว่าเออไม่ต้องเศร้านะเขาเออเขาแค่แป้แค่แบบจะเปลี่ยนแค่เปลี่ยน่านล่างใช่ครับรบอกเขาจะทิงสังขารอันนี้ยเดี๋ยวเขาจะไปจิ้มที่ใหม่ละอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วเขาก็วันสุดท้ายที่จะไปเขาจะบอกเออเขาจะไปแล้วแล้วเขาเหมือนลักษณะเหมือนเข้าสมาธิครับอาจารย์แล้วก็หลับไปเลยครับ พอได้มาเจอกับตัวจริงรู้สึกโอ้โหเราก็เหมือนเขามาสอนเราอครับเหมือนอันเนี้เหมือนเราได้ไประโยชน์จากการไปงานศพเขาครับได้สบายพุทธการนี้พระผู้เจ้าสอนให้ทราบไปไปเยี่ยมป่าช้าบ่อยๆพิจารณาความตายเป็นทราบสูงจะได้จะได้พิจารณาว่าร่างกายเราต่อไปมันก็ต้องเป็นอย่างนี้เลยนะ แล้วกลุ่มเพื่อนเขาเป็นคนปฏิบัติธรรมเหมือนกันที่คุยกันเขาเขาบอกว่าเออเขาก็เหมือนเขาก็เข้าใจทั้งหมดครับเขาเขาบอกมันไม่ใช่เรื่องเศร้าเลยคือแค่แค่จิตมันไม่ได้ตายไปไเขาเขาก็ <ๆ S 1> บอกวอกก่าแค่เปลี่ยนรอนคันรอนคันที้เก่าแล้วเอาไปเปลี่ยนร่อนใหม่ถ้ายังไปไม่ถึงนิพพานก็เปลี่ยนรอนใหม่ถ้าไปถึงนิพพานแล้วก็ไม่เปลี่ยนนะจบาน้ากายสุดท้ายครับ แ ต, แต่ประทับใจตงนี้ว่าทําเขาทําได้เหมือนที่อาจารย์บอกจริงๆครับก็เหมือนเขาไม่อะไรกับร่างกายเนี่ยครับก็เลยลว่าโอโ้มาถูกทางที่มา ฟ, างฟัางอ า, า, าจารย์ครับอรย์ดีมากเราต้องทําให้ได้เหมือนเขาเลไม่อยากๆๆเขาเขาทำได้เราก็ต้องทําได้ทําแล้วก็วันอาทิตย์ได้ฟังที่ไลฟ์กับหมอมาวีใช่ไหมผมก็ตอบที่ยอมหยุดเย็นนะครับว่าเอออขอเข้าใจมากขึ้นนะครับว่า ยอมหยุดแล้วมันก็เย็นเองปล่อยข้างนอกมันใครจะร้อนก็ช่างไปเรายอมเราหยุดเรายอมไม่ต่อซู้ไม่ต่อตู้ไวเข้าไปาากปอาาไ็อยากจะดาก็าปล่อยก็ดามไม่งนก็ทำไปก็ปล่อยม็ทำไปนแต่พอถ้าเรามีสมาธิมากขึ้นมันก็จะไวมากขึ้นถูกไหมครับอาจารย์มันจะเฉยอยู่แทนไม่มันจะไม่ต่อตู้ พรวันนี้เหมือนอพอดีว่าหลังจากดูแลพ่องพ่ออาลงกเดเสร็จก็เหมือนช่วยกันเก็บเต็นอะไรคมันก็จะมีเหมือนคนขี้เมามเหมือนคนจอนประมาะวุ่นวายแต่คนลูกศิษย์ท่า น, นอื่นเขาก็อวยวายอวยวาย่าแบบเหมือนว่าว่าเขาผมก็เราก็ดูแค่ใจเราครับเออเขาก็ไม่ให้ได้แต่งใจเราเอแต่เรายอมหยุดเย็นเหมือนที่พระอาจารย์บอกเลยครับแล้วเราก็ทําหน้าที่เราให้จช่วงนี้ไปโปรดสตรัตที่ไหนกันนะ เอ่อทุกวันวันพุธท่านจะมาที่มานำส่วนมุน่งที่ไหนนะฮัลโหลาไปแล้วหุดพอดีอไม่เป็นไรอันนี้คุณสิวัฒนาต่านเอาต่อจวัฒนายังไมาได้เปิดเลยกาวรวัมสการ์ค่ะการวัศสการ์ค่ะ อาจารย์ด ไ, ได้ยินไีมคะได้ยินชัเจนจ้าเมื่อเดือนเมนสัญญาณพระอาจารย์เป็นสีแดงเจค่ะโยมก็เข้ามากราบและมาสั ก, การพระอาจารย์แล้วก็มัดว่องฟังธรรมครับโอเค <Okay. S 1> ต่อใจธรรมะดีขึ้นไหมต้าฟังธรรมบ่อยๆออตอนนี้โยมก็หลังจากที่ที่ฟังพระอาจารย์ฟังธรรมพระอาจารย์มาต่อนเนื่องต่อนเนื่องเนี่ยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยพระอาจารย์จะเน้นเรื่องไตรลักษณ์ค่ะ ก็มีเมื่อสัปดาห์ที่แล้วว่าจะถามพระอาจารย์สุงที่แล้วว่าจะถามพระอาจารย์พอดีวันรุ่งขึ้นเน่ะพระอาจารย์ตอบเรื่องที่ว่าเออ่มันมีตัวตัวบอกตัวบอกกับตัวฟังตัวถูกบอกพระาจย์บอกว่ายงเข้าใจว่าตัวบอกนี่เป็นตัวรู้แต่พระอาจารย์บอกว่าตัวบอกก็คือพอเป็นปัญญาแต่ตัวที่ถูกที่ฟังเป็นตัวรู้อันนี้อันนี้ยงเข้าใจถูกแล้วใช่ไหคระอาจารย์ ก็คือฟังฟังธรรมพระอาจารย์อยู่แล้วเหมือนกับมีมีตัวมาบอกว่าอะไรก็ไม่ใช่เราแล้วทีนี้ตัวที่ฟังนี่ก็ก็เหมือนกับรับทราบแล้วก็เอาคำพระอาจารย์มาบอกว่าให้สอนใจว่าอะไรก็ไม่ใช่เราแล้วมันก็มีอีกตัวหนึ่งขึ้นมาบอกว่าผมขนเล็กฟันหนังอันนี้ก็คือมันนึมันนึกถึงที่พระอาจารย์จะจะเน้นเรื่องอาการ32เจ้าค่ะตอนนี้โยมก็มามาสอนตัวเองว่า ผมคนเล็กฟ้าหนังก็ท่องท่องอยู่ว่าทุกอย่างที่ที่มันประกอบมาเป็นตัวเราก็คือไม่ใช่เราก็จะจะเรียนเรื่องไตรลักษณ์แล้วก็พยายามนั่งสมาธิให้มากขึ้นจ้าค่ะตอนนี้เขาไม่ไม่หลับแล้วนะคะอาจารย์มีอะไรไหมก็ก็ไม่มีแล้วจ้าค่ะก็มากราบเรียนอาจารย์อธิบำบัดมากขึ้นจ้าค่ะอาจารย์อธิบำบัดเพื่อดับโรคนะ ไม่ใช่นับอะไรดับความทุกข์ะดยการหยุดความอยากนับความอยากขอบคุณเจ้าจค่ะอาจารย์นี่คุณที่ประวอายเดอโฮยูเอเอยมได้ฟังปาลวธรร์ของพระอาจารย์ทำมาบนเขาค่ะก็ซาบซึ้งในรธรรม แล้วก็จิตก็ตั้งมั่นเห็นเห็นชัดเจนขึ้นนะคะเช่นโยมเดินไปเตะขาเตียงก็รู้ว่าเตียงมันตั้งอยู่เราไปเตะมันเองแล้วเราก็รู้สึกเจ็บแต่ก็รู้ว่าสาเหตุจากเราเองสติเราไม่ดีพอไม่แม่นยําค่ะถ้าของที่แตกเสียหายแม้ว่าจะมีมูลค่าตามสมมติแต่เราก็ยัง ยัง เ, เก็บอย่างรักษาไว้แต่เท่าที่เข้ามาฝึกแล้วฟังธรรมะของพระอาจารย์จากสมาชิกที่นี่ด้วยก็ไม่ได้ติดใจค่ะเหมือนกับมันมีแล้วมันก็หายอย่างที่พระอาจารย์พูดเสมอว่ามันเป็นมันเกิดด้าันก็ดับได้ไตรลักก็ก็บอกกับคนที่ทำแตกค่ะว่าไม่เป็นไรค่ะ ก, ก็ไม่ไดีรู้สึกเพะจะไม่โดน<ะ>ไมนะ่ไม่แล้วพอเราเหน็ดเหนื่อยมากๆก็นั่งพิจารณาก็แบบมันมันคงเห็นความเป็นจริงเยอะขึ้นนคะเหมือนมันเหนื่อยแล้วก็มีความเสียดายเวลาที่ที่มีอยู่เห็นคุณค่าค่ะแล้วพอเกิดความขี้เกียจก็ร ะ, ะลึกถึงพระอาจารย์หนวงพอว่า เดินปีนาบารหลายชั่วโมงสอนทำ ม, มะทั้งที่หลายวันแล้วก็หลายชั่วโมงพูดซ้ําแล้วซ้ําอีกก็กลับมาที่เดิมโยงก็นํามาพิจารณาเหมือนกับหลวงพ่อสอนตั้งแต่กอไก่ถึงฮอนคู่ค่ะไม่ว่าจะขึ้นบทไหนก็มาจบลงที่เดิมก็เก็บรายละเอียดได้มากขึ้น แต่โยมก็ยังใช้ไม่ได้อะค่ะเหมือนความเพียงต้องปฏิ ต, ต้องนั่งสมาธิเยอะๆพยายามนั่งสมาธิให้ได้ครับขอบพระคุณค่ะโอเคนะค<ะ>่ะถูกที่อาจารย์สายทิพอันนี้อที่ไหนอาจารย์ขอนแก่นเลย ก, การน้ัสกั่นพระอาจารย์เจ้าค่ะอยู่คนแกน่นค่ะอะ ม, มันพูดมาอยู่คนแกน่นเป็นพื่อนเป็นพ่อแต่คุณพ่อหนี่ไปอยู่บ้านสวนให้เราอยู่คนเดียวค่ะพระอาจารย์คุณพ่อลำคาเราหรือเปล่าไม่รู้คุณพ่ออยากไปเปิดเทปธรรมมฟังที่บ้านสวนจะได้แบบไม่ควนข้างบ้านมังคาพระอาจารย์ อ, อยากอยากไปฝึกอยู่คนเดียวด้วยค่ะอยู่พ่อก็อยากปฏิเวกค่ะปฏิเวกนี่เราเป็นตัวอย่างที่ดีแล้ว ค่ะคุณพ่อบอกว่าเราจะได้ปฏิบัติของเราอยู่บ้านคนเดียวพ่อก็ไปปฏิบัติไม่ยุ่งกันพ่อบอกไม่ยุ่งกันค่ะแต่เราก็แอบปันจักยานตามไปนิดนึงพอได้คุยเราก็ค่อยกลับมาค่ะพระอาจารย์ตอนเย็นค่ะสือสินแปดทุกวันแล้วนะคะพระอาจารย์ยูทูบเริกดูยันไม่ดูเลยค่ะก็ก็ตัดเลยค่ะแต่เมื่อวานมีวัดใจนิดนึงว่าโอ้ยอยากดูบอลลีบอลไหมนะอไม่ดูแล้วกัน ค่ะก็ก็เลยตัดเลยค่ะพระอาจารย์ก็ไม่ดู<ช>เวลาบ้างก็เลยเยอะขึ้น<ม>พอเยอะขึ้นก็ทําอะไรดีก็ฟังทำแล้วก็ได้เห็นจิตใจของตัวเองมากขึ้นได้ค่ะพระอาจารย์<ม>แล้วพอจะทุกเราก็เริ่มรู้แล้วก็อ๋อจิตใจมันตัวที่ทําให้เราทุกเนี่ยก็คือความคิดนี่เองอะไรเงี้ยค่ะ<ม>ความคิดที่อยากเราจะทํายังไงดีหนะ้าเราถึงจะไม่อยากกําลังพยายามค่ะพระอาจารย์ก็มีเรื่องกระทบใจเหมือนแบบ เพื่อนร่วมงานเขาจะลาออกแล้วก็วิวอยู่นิดนึงว่าเตายแล้วมีมีคนมันมันมีการพัดพลากอะไรเงี้ยค่ะพระอาจารย์แต่ใจมันก็เฮ้ยเขามีทางทางเดินของเขาอะไรเงี้ยแล้วก็ก็มันก็เป็นเรื่องธรรมดาเขาก็เดินทางของเขาเราก็เดินทางของเราอะไรเงี้ยค่ะพระอาจารย์ค่อยๆสอดตัวเองไปด้วยเราก็แับด้วยก็เข้ากับความเป็นจริงทั้ใหม่ ค่ะเราก็แบบเหมือนแบบว่าเอ้ยมันก็คือฝึกพัดพลาดครั้งที่ไม่ใช่คนใ<ควร>นครอบครัวนะคะพระอาจารย์เป็นเพื่อนร่วมงานแต่เราก็รู้สึกว่าเหมือนเราก็คงจะแบบอยากให้ทุกอย่างมันเป็นไปเหมือนเดิมแต่พอมันมีอะไรที่มันจะเปลี่ยนไปจากเดิมอแต่เราก็แบบเหมือนแบบวิ ว, ว, ว, วิวนิดนึงอะไรเงี้ยค่ะไม่มีอะไรเหมือนเดิมทุกอย่างในการเปลี่ยนแปลงมาเรื่อยๆค่ะต้องมาคอยถอดตัวเองมีความแก่เป็นธรรมดามีความเจ็บมีความพัดพลากอะไรเงี้ยค่ะพระอาจารย์ มันการมีการเปลี่ยนแปลงเป็นธรรมดาก็เลยไม่มีอะไรที่เป็นเหมือนใจเราอยากให้ตลอดเราก็เป็นอย่างที่เขาอยากให้เป็นไม่ได้เขาก็เป็นให้เราไม่ได้ต่างคนต่างเป็นไปอะไรเงี้ยค่ะพระอาจารย์ก็ค่อยๆสอนตัวเองแล้วก็พอถือศีลแปดเวลาว่างมันเยอะขึ้นค่ะพระอาจารย์ก็ตื่นเร็วขึ้นได้ทําสมาธิมากขึ้นอะไรเงี้ยค่ะ เป็นแปะที่ช่วยให้เราได้ปฏิบัติได <s next> ้มากค่ะมีเวลาว่างขึ้นเยอะเลยค่ะพระอาจารย์ไปนั่งหมดมวนไปนั่งหมดไปการูปเสียกินลดค่ะแล้วก็กินกินก็กลายเป็นว่าตอนแรกนึกว่าเออจะสี่ทุ่มเลิกทํางานจะหิวไหมนะวันแรกไม่หิวเลยค่ะพระอาจารย์แต่ว่าพอวันวันหลังก็มีหิวบ้างแต่ว่าก็อดทนนะคะว่าไม่ไม่เป็นไรไม่ไม่อาจจะมันอาจจะแข็งแกง อไป น, น, นานๆเข้ามานอาจจะเริ่มหยอดก็ได้ต้องระวังนะเหมือนเหมือนวนมาใหม่คุณชอบเหมืนมามามาติดต้น่ไปแล้วออก <c oughs> เริ่มต้นหลุมดมา <c oughs> วิ่งกำลังบูชามันดีแต่ไปนานๆเข้ามันก็จะ ม, มีการไหวรู้น้ำเงินขึ้นมาอย่างที่โบลาณเขาบอกว่าระยะทางไปเคลื่อนไม่สุดนะเวลาไปเคื่อนไม่สุ์คน่ลองคอยเตือนตัวเองเรื่อยเรือ ต้องรักษารักษาคุณภาพไว้ให้มันไม่ให้ย่อหย่อนค่ะตอนนี้ตอนนี้พยายามอยู่ค่ะพระอาจารย์เนียวันนี้ก็ตอนเย็นอันนี้ยังใหม่ๆบางอย่างมีพลังอยังตอบไปตอบไปแล้วก็ค่อยๆหาไปมันเมื่อวันก่อนนี่เมื่อก่อนเมื่อวันก่อนนี้เมื่อวันก่อนนี้แค่มือเดียวเลยค่ะ ดีๆมันหานไปหมดเลยค่ะสมาธิที่เคยแบบปุ๊บปุ๊บปะหายไปหมดแบบที่แบบติดรวมจิตลยไม่ไม่เหลือเลยค่ะพราเราไม่เรา่คอยสอดสอนดูตัวเราเองค่ะปล่อยปล่อยไปเยอะเลยค่ะเปล่าเลยเดี๋ยวสตาร์ทใหม่กับพระอาจารย์ต้องเข้าซูมบ่อยๆ เดี๋ยพ่อาจารย์หินหน้าอ้วนพี่อาจารย์ก็จะเอ า, เอาละตัวสิบแปดหายไปละว <c oughs> แตพยายามค่ะพระอาจารย์ไม่เป็นไรแต่ที่เราย<ำ>ังเรายังมีการ พ, รพรยายามอยู่มันต้องสําเร็จสักวันหนึ่งค่ะดว ง, งา ต, า, ตาทั้งคู่เสมอสู้ไม่ถอยนะสู้ไม่ถอยครัะส <c oughs> ู้ไปเรื่อยๆค่ะพี่อาจารย์ <c oughs> ตะกันองถึงเป้าหมายเดิมการแต่แตเดินมาล้วเก้าถ้าเดินเรื่อยๆไม่หยุดมันก็ต้องถึงชาแนลนั่นเองอย่าหยุดก็แล้วกันอย่าถอยก็แล้วกันให้เก้าเหมือนกันเลยแต่มันจะก้าน้อยหน่อยเก้าเปเก้าเดียว่็ยังดีกว่าไม่ได้เ ก, ก้านะพยายามค่ะอาจารย์ค่ะ พีอะไรแม่วันนี้วันนี้เพราะวันนี้ว่มื่อกลางวันได้ฟังพี่พู้อาจารย์ตอบอไม่แน่ใจว่าเป็นเป็นคนต่างชาตินะคะขเขาบอกว่าเขาจะจูบแฟนเขายัางไงไม่ให้มันเป็นแบบทางด้านเหมือนการมาาคาอะไรเงรี้ยค่ะแล้วพระอาจารย์ก็เลยบอกว่าให้คิดว่าเขาาจูบศกหรือจุบหนังแล <c oughs> <c oughs> หนูก็คิดภาพตามแบบตบที่มันเ น, น, น, น, น่าๆแล้วเขาจูบแล้วก็อี๋ <c oughs> <c oughs> เออถ้าเราคิดแบบนี้หมายถึงว่ากับ กับใครที่ถ้าถ้าส่งว่าหรือมองเห็นเป็นศพอะไรเงี้ยค่ะก็ไม่น่าจะมีความรู้สึกที่อยากจะมีคู่อะไรตื่นเลยทังฟังพระอาจารย์กับเขาคุยถามตอบกันแล้วก็คิดตามแล้วก็โอ๊ยเราภาพศพมันก็ขึ้นมาเลยค่ะพระอาจารย์ไม่อยากจูบใครเลยนี่แต่ไม่คิดที่จะมีแปฟนอยู่แล้วค่ะไม่อยากมีภาระค่ะพระอาจารย์ค่ะวันดีมากดีมากค่ะ ค่ะพราจย์ไม่เคยมีแฟนเลยแต่มาจริงๆเคยมีค่ะพระอาจารย์แล้วก็เลิกกันแล้วค่ะเลิกกันที่นี่ก็แม้เอา<ร>แล้วเฉยแล้วไม่คิดจะมีค่ะรู้สึกว่ามันมันเป็นเรื่องยุ่งยากแต่ก็มีมีคนผ่านผ่นเข้ามาแต่เราไม่รู้สึกเราก็รู้สึกว่ามันมันน่าจะหนักมากกว่าค่ะพระอาจารย์ไา้ไมคุมเสียเพราะว่าเราได้เข้ามาได้ญาติเข้ามาด้วยเราคงต้องดูแลหมด ได้มาได้มันเป็นขวนเลยไม่ใช่ได้มาคนเดีเพราะว่าเราก็คงจะต้องดูแลหมดมันคงโอ้ยไม่ไหวดูแลครกบครัวเราคุณพ่อแล้วก็พี่พี่น้องน้องก็ก่อนแล้วอะไรเงี้ย <c oughs> ค่ะพระอาจารย์เราบางทีลืมนะว่าเราแต่งงานกันที่ไม่ได้แต่งกับเขาคนเดียว <c oughs> <p> <p> นะพี่พี่ป้านะปู่ย่าตายาย <c oughs> พ่อแม่ก็ตามั้งหมดเลย ใจค่ะเพราะคิดว่าถ้าเป็นเราเราคงดูแลหมดก็คงจะเออไม่ไม่ไม่ไหวค่ะแล้วคุณพ่อบอกว่าให้จบที่รุ่นเราได้ค่ะพระอาจารย์ไปแต่งหมดครอบครัวก็หมดไปเลยห ม, หมดไปเพราะบอกแกมค่ะจบที่รุ่นเราเพราะพี่น้องพี่สองคนก็ไม่แต่งงานเลยค่ะพระอาจารยา์ใช้แต่งคนเดียว <ขอ S 1> แต่งแล้วมันเป็นทุกข์สุงบางแม่คุเห็นแล้วรุนหนักหลายๆครอบครัวเลยค่ะไม่ ติประเทองไม่อยากหนักค่ <c oughs> ะโอเคมีมากค่ะพระอาจารย์สาธุค่ะสาธุปไปที่ไต้หวันเลยคุณขันจินขันจินอยู่ไต้หวันใช่ไหมน้ำกลาบพระอาจารย์ครับน้ำกลาบพระอาจารย์ครับไปที่ไต้หวันตอนนี้หนาวแล้วร้อนบางวันก็ร้อนบางวันก็หนาวครับตอนมากก็ฝนตกมาก็ก็จะหนาว ครับถ้าวันธรรมาดาก็ร้อนครับอตอนนี้เขาเตรียมซามวน์นุ่งไว้เพราะเขาแบเห็นดอกจีนทาง่านจะบุกมาเลยครับงานก็ไม่ค่อยมีครับเพราะว่าเขาไม่ค่อยสั่งออเดอร์มาเนี่เพราะว่ามันจะเขาวันกลัวเกิดสงครามนะครับเขาวันกลัวก็ อ, ออนุมทนากับ คุณลานะครับที่ส่งหนังสือไปให้คุณแม่ที่อยู่ทางบ้านให้ครับส่งหนังสือของพระอาจารย์นะครับอาจารยมีอะไรไหมไม่มีครับวันนี้เข้ามากราบพระอาจารย์ครับก็ปฏิบัติถ้าว่างก็ปฏิบัติครับได้ปฏิบัติให้มากๆเท่าที่จะทาได้นะครับโอเคไปดูดอน าา ก, าการธรรมะสักครั้งค่ะพระอาจารย์วันนี้ไม่มีคาถามค่ะโอเคไปได้เป็นหน่ยน่ยใช่ยังนิดกล่ารรมะสักการพระอาจารย์เจ้าค่ะ อ, อ่าเป็นยังไงหยุ <c oughs> ดช็อปหยุดช็อปได้ยังเ <c oughs> คนเดิมก็เหมือนเดิม <c oughs> จ้ะค่ะน้ำตาบ้าเลย หลับสารพาวอบประจาจมกองกิเลสไม่ไม่ไปไหนเลยเจ้าค่ะรู้สึกผิดตลอดเลย<ด>ก็เเงินที่ชอบไม่ไปทําบุญแทนนี่ทุกครั้งที่จะชอบอะไรก็เอาเงินนี่ไปไปทำบุญดีกาาว่ า, านนทําบุญก็ทําหนักก็ค่ ะ, ะไม่ไม่ได้เอาเงินที่เราจะไปชอบนี่ไปอย่ า, า, ยาทุกครั้งที่จะชอบอะไรก็เอาเงินที่จะชอบนี่ไป ด้วยชอบมาแล้วก็ไปแจกของยาวมาใช้เองกิเลสมันหลอกว่าให้อุดหนุนแม่ค่ะเจ้าค่ะนั่นอะไรก็ซื้อมาแล้วก็ไปให้คนอื่นไงเราอย่าเราอย่าใช้เองอย่ากินเองอืมอุดหนนเขาได้แบ่งไปบ้างใช่ไอ้ตัวที่ชอบก็เก็บไว้ไอ้เจอที่ไม่ชอบก็บริจาคเราต้องดันด้วยสายชอบก็ไม่ชอบก็ถ้าซื้อมาแล้วก็ไม่เก็บมาใช้เองให้คนอื่นใช้ไปต้องตัดเลยใช่ไหมเจ้าค่ะ มันจะได้มันได้มั น, มนถ้าเราไม่ได้ใช้ต่อไปมันก็ไม่ได้อยากจะซื้อนะซื้อมาแล้วไปให้คนอื่นซื้อไปทำไมใช่ไหมคะถ้าอาจารย์เจ้าคคือที่จริงอ่ะหน่อยก็รู้นะคะว่าตัวเองโดนหลอกอย่างเช่นแบบมีคนป่วยเป็นมะเร็งแล้วเขาคือผู้ปกครองอะค่ะเขาป่วยเป็นมะเร็งแล้วเขาก็มาขอบริจาคไม่ได้ขอบริจาคเขาบอกว่าเขาอ่ะ มีเงินที่ส่วนเกินที่หาหมอแล้วมันไม่พอเขาก็เขาก็ไลน์มาหาก็โอนไปช่วยนะเจ้าคะ่ะแล้วทีนี้กลายเป็นว่าผู้ปกครองรุ่นไหนรุ่นไหนก็เจอแบบนี้ตลอดเลยเจ้คะ่ะเจอคนนี้ตลอดเลยถ้าเป็นก า, ารหลอกลงเราไม่ควรที่จะไปสนับสนุนเขาแต่เขาเป็นมะเร็งจริงเจ้าคะ่ะถ้าเป็นจริงแล้วเขาไปทํารักษาตัวเขาได้จริงก็แล้วไป ที่จริงคือเขามีสวัสดิการเขาเป็นผู้ป่วยที่เหมือนกับในอุปถัมแล้ว่เจ้าค่ะเขาไม่ต้องเสียแล้วไหะเจ้าค่ะก็เลยแล้วจะไม่รู้รายละเหล่านี้ก็ได้แต่เขามาหลอกว่าขายของเงินนี่นั่นแล้วทีนี้พอขายของปุ๊บเราโอนไปแล้วเขาไม่ได้ให้ของเราอเจ้าค่ะแล้วเขาก็บอกว่าเขาไปลงมามาก็ถ้าถูกเขาหลอกวันหลังก็อย่าอย่าอย่าให้เาหลอกซ้ําก็แล้วกัน ก็ไม่ไม่โอนแล้วจะค่ะแต่เงินก็ไม่ไม่ได้คืนนะคะเือกี้าบุญไปแล้วอะไรเนต้อค่ะเมื่อที่ไปแล้วคิดเป็นเงินทําบุญไปอะไรจะได้สบายใจอ่าหนคิดว่าอเพราะตัวเองโง่หรือเปล่าหรือว่าเราเราแต่แต่ยานอย่อย่าเสียสมเด็จเสียเงินก็พอแล้วอย่าไปเสียใจด้วย ก็คิดว่ากรรมเก่าเราด้วยหรือเปล่าแล้วก็แล้วคนเราจะสร้างบุญมันก็ต้องมีมารอะไรอย่างเงี้ยจ้ะก็คิดไปเรื่อยไปอย่าไปเสียใจกันแ้วถ้ามันไปแล้วก็ปล่อยไปเลยเจ้าค่ะไม่ไม่เสียใจค่ะอืมอมก็ปล่อยไปเจ้าค่ะ แต่ว่าก็คือว่าเหมือนกับสงสารลูกเขาเหมือนกันนะคะที่อยู่ในห้องเพราะว่าเด็กคนอื่นเขาก็ถามเหมือนกันเพราะกลายเป็นว่ากรรมที่พ่อแม่ทําแล้วกลายเป็นเด็กที่ต้องมารองรับอะไรอย่างเงี้ยเจ้าค่ะคือเหมือนกับเพื่อนคนอื่นก็ไม่เล่นกับเด็กคนนี้เลยไม่คุยด้วยอะไรอย่างเงี้ยคือแบบก็สงสารเด็กเหมือนกันนะเจ้าค่ะก็น่าดีความสงสารก็เป็นสิ่งที่ดีถ้าช่วยเขาได้ก็ช่วยเขาไปก็ ช่วยช่วยนึกไม่ออเลยค่ะช่วยยังไงก็คือมันคงเป็นวิบากกรรมเขาอะอประมาณนี้เพราะว่าไม่อยู่ในสถานะที่ช่วยได้เลยค่ะเพราะว่าเด็กบางคนบอกได้แต่ว่าเขาไม่เอาอย่างที่เราบอกหรอกพระอาจารย์เขามีความคิดของเขาเองก็แล้วไปแล้วช่วยไม่ได้กราเล้วไปเจ้าค่ะก็แถมไม่ตาได้ไหมเจ้าค่ะก็เบิดขาไปไม่ได้แถมไม่ตาเนี่ยบิดขา S <S บางเฉยไม่ไปทุกร้อนกับรับเจ้าค่ะเออแล้วก็มีอีกประเด็นหนึ่งที่พี่ๆหลายคนคุยกันเรื่องต่างประเทศที่แบบเขามีกฎเกณฑ์ชัดเจนอะไรอย่างเงี้ยที่จริงไหนว่าใช่เจ้าค่ะแต่ว่าคือเขาก็จะมีโฮมเลสอีกอย่างหนึ่งที่ที่ถ้ามีกฎหมายที่ชัดเจนแล้วกลายเป็นว่าโฮมเลสเยอะแยะ หนก็ไม่เข้าใจว่าทําไมเขาถึงปล่อยได้อะไรนั่นหรอคะและ้วทีนี้บางทีเราไปเที่ยวเราเป็นแบบคือเขาเหยียดเอเชียเลยคือถ้าอย่างหน่อยไปเนี่ยหน่อยก็โดนแบบโดนขันในห้องน้ําอ่ะเจ้าค่ะแล้วมันเป็นถือว่า ม, ม, ม, มันเป็นผลปล่อยได้ของของสภาพสังคมที่มันเสื่อม ล, ลงไปนะเจ้าค่ะทำไมที่เราไปอยู่มันไม่ได้เสื่อมอย่างนี้อืม คือ ก, ก็หลายคนก็คนที่อยู่ต่างเทศก็จะแนะนำเลยว่าถ้าเจอโฮมเล็กไม่ต้องสบตาให้เดินผ่านไปเลยอะไรอย่างเงี้ยันนี้อันตรายคิดว่าเขาอาจจะเป็นผู้โจรก็ได้ใช่ค่ะที่จริงอ่ะหนก็พลาดเองที่ไหนไปสบตาแล้วเขามองหน่อยแบบสุดสายตาแบบจนจนคนที่ไปด้วยต้องให้ต่างเน่ยเจ้าค่ะเขาเเขาก็ถามว่า ให้ไหมก็ต้องให้อ่ยเจ้าคะ่ะก็ถึงจบก็เลยเดินหนีไปแล้วกลับบ้านไปเลยนะคะ<ฆ>ก็คือไหนว่ามันน่ากลัวอยู่นะจ๊ะค่ะประเทศเราอ่ะยังไม่น่ากลัวเท่ากับต่างประเทศใช่เวลาแต่วล า, าไปเจอคนกลุ่มนะไหนเนี่ยอาจารยคนกลุ่มไม่ดีมันก็น่ากลัวยาคนกลุ่มดีมันก็ก็ไม่น่ากลัวก็มีคนมันก็ป่วยกันไปนะมีทั้งดีไม่ดีแต่ก็ต้องแยกแล้วไม่ใช่ว่าไปว่า ปาทูเเงาตัวหนึ่งแล้วก็เเงาไป ท, ทั้งเคงใช่เจ้าค่ะคนดีก็ดีคนไม่ดีก็ดีเจ้าคะ่ะก็เยอะค่ะก็ <c oughs> ขึ้นอยู่กับเราว่าเราจะดวงเจ อ, เเจอเใช่เจ้าค่ะก็มีประมาณนี้เจ้าค่ะแล้วก็ทำมาพระอาจารย์ทําให้กินข้าวอิ่มนอนหลับดีมากเลยเจ้าค่ะโอเคก็ดีปันสุขยากไปสุขกาสบายใจ ก็ค่ะก็พยายามอยู่ค่ะแต่ว่าก็ไม่เลิกแน่นอนหน่อยถ้าหน่อยไม่ตายเจ้ากำเนิดเอาสู้กันไปใครคนใดคนหนึ่งต้องตายก่อนสิค่ะโอเคนะเจ้าค่ะรักษาใจไว้ให้สบายะอย่าทุกข์กับเจ้าค่ะเจค่ะโอเคไปนังบนนไหน้นไหน กั บ, บนมัสการพระอาจารย์เจ้าค่ะมีอะไรไหมวันนี้มีเจ้าค่ะขอโอกาสรายงานการปฏิบัติที่รู้สึกว่าปรับเปลี่ยนรูปแบบขึ้นมาเจ้าค่ะจากที่อาทิตย์ก่อนบอกว่านั่งสมาธิหนึ่งชั่วโมงแต่ว่ากำลังไม่พอตอนนี้โยมก็เลยใช้เป็นว่าคือคืออยากปฏิบัติให้มากขึ้นด้วยเจ้าค่ะ แล้วก็ตอนเช้าตอนเนี้ยตื่นได้และวตีตีสี่ตี 4, ตี่แบบแล้วก็ลุกขึ้นเองได้แล้วก่อนนาฬิกาปุกค่ะก็ดีใจค่ะแต่ว่าคืนนั่งสมาธิอ่ะคงจะยาวไม่ได้ยมก็เลยแบ่งเป็นว่ามาฟังธรรมสามสิบนาทีแล้วก็มานั่งสมาธิสามสิบนาทีช่วงหนึ่งแล้วก็มีสวดมนต์ค่ะสวดมนต์สามสิบนาทีแล้วก็นั่งสมาธิสามสิบนาทีอันนี้ครบสองชั่วโมงช่วงเช้า แล้วก็แบ่งเวลามาระหว่างวันก็จะเป็นเดินจงกรมสามสิบนาทีแล้วก็นั่งสมาธิสามสิบนาทีอย่างนี้มันจะดูชิวๆสบายๆเจ้าค่ะแต่ว่ามันก็ไม่เห็นเวทนาอะไรเลยมันก็แต่ว่ามันแต่ในช่วงนี้ก็ทําอย่างนี้ไปก่อนได้ใช่ไหมเจ้าคะได้ถ้าเรายังไม่พร้อมที่จะจะประชัยกับเวทนาเราก็อยากล้วก็นั่งไปสบายๆไปก่อนถ้าถึงเวลาที่เราคิดว่าเราอยากจะ mm hmm. นอง จะเวทนาแล้วก็ต้องนั่งให้มันนานจนกว่ามันจะเจ็บเป็ น, ปนที่ไม่ต้องลุกเลยเจ้าค่ะถ้ายังให้พ่อเขาก็อยากให้ทำก็พยายาม<ต>ทำแล้วก็วเหมือนยังยังไปไม่ถึงแล้วก็<อ>กลายเป็นว่าแค่จะนั่งสมาธิให้หนึ่งชั่วโมงกลายเป็นว่าไม่ไม่ไม่ได้เลยสู้เรามาแบ่งเป็นช่วงๆอย่างนี้มันมันมันง่ายกว่าเจ้าค่ะก็ลองทำอย่างนี้ไปก่อน ตนต่อไปก็อาจจะขยายเวลาจาก30เป็น4พฤษภาคมอะนี้เจ้าค่ะกับขอบพระคุณเจ้าค่ะค่อยๆขยับขึ้นไปทีละเก้าเจ้าค่ะพระอาจารย์มีคำถามที่คาใจอยากจะถามพระอาจารย์นะคะพอดีว şey ่าเพื่อนเพื่อนเพื่อนสนิทกันเนี่ยละจ้ะค่ะเขาก็ปฏิบัติเหมือนกันเขาก็เขาก็บอกว่า คือเขาทราบว่าว่าโยมคือเรียนครูสมาธิของหลวงพ่อวิริยางค์แล้วก็เพราะวัตหลวงพ่อยางก็เป็นศิษย์หลวงปู่มั่นท่านก็จะสอนพุโทโธแต่ว่าหนูก็ไม่รู้เขาภาวนาอะไรนะแต่เขาก็บอกว่าตอนนี้เขาจะชอบไปแนวเหมือนกับว่าแนววิปัสสนาเขาก็บอกว่าที่เด็กปฏิบัติอยู่เนี่ยคือผิดละเพราะว่าพุโทโธเนี่ยมันคือการยึดจิตเนี่ยมันไปยึดมันไปจํามันก็ทําให้มันก็คือการยึดอยู่ดี ทีนี้หนูก็เลยคิดว่าเอ๊ถ้าเกิดคนปฏิบัติจริงอะ่ะพุทโธเนี่ยมันจะหายไปอยู่แล้วอ่ะมันเราแค่ใช้เป็นตัวเป็นอุบายแล้วหนูก็เลยมานั่งไปไปอ่า น, น่ะคะคือคือสติปัฏฐานก็ก็ใช่เป็นสติปัฏฐานสูตรที่พระพุทธเจ้าสอนแต่ว่าเคยฟังธรรมหลวงตามหาบัวเรื่องจิตเสื่อมท่านบอกว่าท่านเคยจิตเสื่อมอยู่เพราะว่าท่านบอกว่าไม่มีพุทโธกำกับหลวงตา ก, ก็เลยบอกว่าพุทโธเนี่ยแหละสำคัญมาก ที่จะทําให้จิตเราเนี่ยมันไม่เสื่อมนะมนก็จําแล้วก็คิดว่าพุทโธเนี่ยมีประโยชน์นะไม่ใช่ว่ามันจะทําให้เป็นการยึดติดแต่ว่าไม่ได้ไปเถียงเขาอะค่ะหลวงก็เลยจะมา ข, าขอขอโทษไปเป็นความเข้าใจผิดของเขาเองค่ะทีนี้ว่ า, าความ <ทำ S 1> เข้าใจาแบ<ก>บนี้มันต้องมีอะไรคอยคํากับใจเจ้าค่ะทีนี้เข้าใจว่า ที่เราทําอยู่เนี่ยคือเราลมหายใจเข้าพุทธหายใจออกโทก็คืออาณาปานาสติโดยมีพุทธโธกํากั บ, กบซึ่งเป็นอยู่ในหมวด ก, กายะนักตาสติอะไรอย่างนี้ถูกต้องแล้วใช่ไหมคะที่เข้าใจเนี่ยคะ่ะต้องเอเบ็ดาแลวันนั้นเขไม่เป็นพุทโทขาให้ดูเฉยๆดูออกเฉ ย, เฉยๆแต่ถ้าเราจะใช้พุทธโทกำกํากับเขาไม่มีใครห้ามเลยไม่เสียหายตรงไหนเจ้าค่ะ เข้าใจมครัเข้าใจค่ะทีนี้ว่าเขาก็เพื่อนก็บอกว่าแล้วยังไงพุทโทหายแล้วยังไงบอกว่าก็อยู่ในความว่างตอนนี้ก็อยู่ในความว่างเขาก็บอกว่าว่างแล้วยังไงว่างแล้วมันจะเกิดปัญญาได้ยังไงอย่า ง, า ง, งนั้นมันไม่ใช่มันไม่ใช่การปฏิบัติเพื่อปัญญาปฏิบัติเพื่อความสงบ ม, ม, มันคนละเรื่องกัน <c oughs> ค่ะปัญญานี้ต้องอีกขั้นหนึ่ง ตอนนี้เรายังไม่ไปถึงขั้นนั้นอ๋อเจ้าค่ะตอนนี้เราอยู่ในขั้นที่เรากำลังฝึกสติฝึกสมาธิให้จิต น, นี้กำลังก่อนะละ้วเราจะค่อยไปขั้นปัญญาขั้นปัญญาเราต้องไปศึกษาไตรลักษณ์กับอริยสัจสี่อ๋อเจ้าค่ะคอันนี้เข้าใจเ<ๆ>ข้าใจเจ้าค่ะก็เลยบอกว่าก็ตอนนี้จิตเพิ่งจะเพิ่งเพิ่งจะฝึกเอง แล้วจะให้เข้าไปดูเนาะค่ะคงยังไม่กําลังยังไม่พอมั้งก็ก็เลยบอกให้แค่เข้าไปก่อนละกันเรายังจะอยู่ฐานเนี้ยยังจะดถูตัวเนาะค่ใครไปยังห้าไปไม่ได้ถ้าไม่มีสมาธิพาไปเข้าไปไม่ได้เขาเขาหลงเองดูจิตแล้วหยุดจิตไม่ได้ดูไปก็เสียเวลาใช่ไหมดจิตเขาก็บคุมจิตถ้าเมื่อควบคุมจิตไม่ได้ก็ไปดูให้มันเสียเวลาเพราไม่มีเครื่งม เหมือนเหมือนให้ฐานหรืตำรวจไปเฝ้าไปเฝ้าป้องกันทำความป้องกันคนร้ายแต่ไม่ให้อาวุธเข้าไปเขาจะมีแต่ดูคนร้ายบุกมาก็ทำอะไรไม่ได้ต้องมีอาวุธต้องมีสติต้อมีสมาธิที่จะหยุดมันในเรลาเวลากิเลนกระโผลขึ้น ม, มาโยค่ะโยมก็ว่าจะค่อยค่อยค่อยค่อ ย, อยฝึกให้ฐาน คือประมาณที่มันแน่นตอ่นั้นเจ้าค่ะครับกลับขอบพระคุณเจ้าค่ะไม่มีคําถามนะเจ้าค่ะขอบคุณที่เมตตาชี้แนะเจ้าค่ะอย่าสาธุคนมามีตัดมาในแน่นตามหลวงพ่อค่ะก็ปฏิวัติอยูุ่กวัค่ะหลวงพ่อแล้วก็หลวงพุ่งจะเข้าใจมากขึ้นถึงตอนที่ ภาวนาภาวนาพอเป็นสมาธิแล้วพอออกจากสมาธิแล้วมาทางปัญญาะะอยเงี้ยค่ะหลวงพ่ออย่างยกตัวอย่างอย่างอย่สมมติหนูหนูนึกถึงขมขนเล็บอย่างเงี้ยค่ะตอนแรกไม่เข้าใจมันหมูนเข้าใจแบบข้องจําะคะ่ะว่าเออเดี๋ยวมันก็เปลี่ยนเปลี่ยนสภาพไปไม่ไม่อยู่ตรงที่แล้วก็หลุดล่วงไปอะไรเงี้ยคะ่ะหลวพอ่อมันเหมือนเหมือนเราเข้าใจแค่ข้องจํา แต่ถ้าหนูลองพิจารณาตามตามทุกทุกจุดทุกระยะมันมันมีคำตอบผลเข้ามาทำให้หนูเริ่มเริ่มมองเห็นว่ามันมันเป็นจริงๆสนมพว่าแต่ละสิ่งแต่ละอย่างเนี้ยมันอยู่อยู่ด้วยอะไรแล้วขั้นต่อไปมันจะเป็นยังไงสุดท้ายคือมันคืนกลับไปที่ไหนอะไรอย่างเงี้ยขนมพ่มัน มันมันพอพิจารนามแบบเนี้ยมันมันไปแบบเป็นช่องช่องช่องแล้วแล้วมันจะทําให้ใจเราวางวางแล้วก็ไม่ยึดไม่ติดแบบเนี้หนูเข้าใจผูกจริงๆใช่ไหมคะหลวงพ่อเราอย่าไปถือว่ามันตัวเราเป็นของเราก็แล้วกันมันเป็นมันเป็นมันเป็นธรรมชาติร่างกายนี่มันส่วนหนึ่งธรรมชาติเราเพียงแต่มาครอบครองและชั่วข้าว เราก็ดูแลมันไปตามตามกำลังตามความสามารถเท่าที่เราจะดูแลได้เมื่อถึงเวลาที่เราดูแลมันไม่ได้ก็ต้องปล่อยมันไปอแค่นั้นเองอย่าไปยืดอย่ไปติดอย่าไปห่วงอย่าไปห่วงก็คือเหมือนพอพิจารณาแบบนี้แล้วมันมันเหมือนต้องทําซ้ําๆทําทําบนอยู่แบบนี้เพื่อเพื่อให้ใจมัน เพ่อแม่ลเพื่อแม่ลึงเพื่อแม่นึง่เรามันไม่ใช่มันไม่ใช่ตัวเราของเรามันไม่เที่ยมมันจะต้องมีวันเสื่มันมันเสียวันหมดไปฉัเช่นฟันนี้ต่อไปก็อาจจะถูกถอนออกถิงซี่สองซี่เี่พราะมันมันเริ่มเสืยก็ต้องปล่อยมันไปจนเมื่อไรก็ต้องปอมนถอไปให้ฟันปลอมไป อย่างฟันหนูก็จะมานึกถึงว่าเออมันแช่อยู่ในป่าแช่อยู่ในน้ําลายน้ําลายมันก็จะมันก็คือไม่ได้สะอาดมันก็คือมันมันมีมีคําตอบแบบแบบเนี้ไปเรื่อยเรื่อยเื่อยอย่างเงี้ยคือมันมันมัการพิจารณากันมีหลายมิติะพิจารณาความไม่เที่ยงก็มิติหนึ่งพิจารณาความไม่สวยอามก็มิติหนคนมิติกันแล้วแต่ว่าเราจะพิจารณาในมิติไหน ไมเที่ยงก็ไม่ติเนี่ยไม่สวยงามก็ไม่ติเนี่ยไม่ใช่ตัวเราของเราเลมติเนี่ยต้องมอกให้อย่าไปสับสนงงยากเป็นวิตตินิติไปพิจารณาไม่เที่ยงกนเดี๋ยวมันเกิดแล้วดับใชนไหมารแล้วไปถ้าจรเดนูวิติไม่สวยงามก็พิจารณาเนี่ยมันมีแต่ของสกปรกน้ำลายน้ำเลอดน้ำเนปัสวะให้เป็นของสกปรกร แในเวลาอย่างเราเรามองเห็นคนอย่างนี้ค่ะหลวงพ่อหนจะมองมันจะมองเห็นถูโครงที่อยู่ข้างในอย่างเนี้ยขะหลวพอว่าแต่ละคนเวลาทั้งเดินทั้งยิ้มทั้งทํากิจกรรมหนูก็จะมองเห็นข้างในว่ามันเป็นโครงโครงของเขาอย่างนี้ค่ะก็ดีก็จะได้เห็นว่าต่อไปเวลาต่างก็เลยแต่โครงันจะไปลี่ยนมาเราว่ามันไม่ช่วยในงานอย่างที่เราเห็น เห็นเขาแต่งเนื้อแต่งตัวอะไรต่างๆมันเพียงแต่ไปหู้มอโครงกระดูกดีๆนี่นแก<ๆ>็ดูแบบไม่สวยงามไปดูแบบไม่เที่ยงไปแล้วตาจะมองในในมุมมองไหนแล้วแล้วที่ฝึกฝึกพิจารณาแบบนี้ก็คือทําซ้ําๆทําซ้ําๆทาวนทาวนอยู่แบบแบบนี้ใช่ไหมคะหลวงพ่อโดยกระ้ามันเป็นอัตโนมัติเห็นทีไรก็ไม่ทํางมาไม่ตํามา คิดเห็นปุมันก็โผ่มาปั๊บเลยเห็นของมาด่งได้อะไรค่ะแล้วหลวงห่อขับถามอีกนิดนะะึงค่ะคือตอนเนี้ยสภาวะหนูมันมันไม่เหมือนป ก, ปกติมันไม่เหมือนแต่ก่อนที่ยังไม่ภาวนาค่ะหลงพ่อมันมันจะรู้สึกว่ามันจะรวมอยู่ตลอดเวลามันจะเข้าสมาธิอยู่ตลอดเวลาอย่างเงี้ยค่ะหลงพ่อแล้ว อาการแบบเนี้ยมันมันจะเป็นนานไหมคะหลวงพ่อถ้าเราฝักษ า, ส, า ส, สติไว้ถ้าฝึกสติไปมันก็ยามันจะอยู่ไปเรื่อยๆแต่ถ้าเราหยุดฝึกสติมันก็จะหมดไปได้ต่อไปคือทําอะไรก็แล้วแต่ค่ะหลวงพ่อเดี๋ยวเดี๋ยวก็มาอีกแล้วค่ะหลวงพ่อส่วนมนต์ทำงานก็จะเหมือนอยู่ข้างในมันจะมัดกันอยู่ข้างในอย่เลยนะใช่มันเป็นผลจากการที่เราฝึกสติทางสมาธิไงนะ ต่อไปมันก็จะมาโดยอัตโนมัติถึงเวลามันก็มาอีกเหมือนฝนตกเนี่ยทุ่งเทพมันจะตกตอนเย็นเนี่ยทันบ่ายตอนเย็นแล้วพอช่วงที่มันมันมาแบบเนี้ยขนมพ่อถ้างหนูหยุดทํางานหรือหยุดแล้วหนูนั่งยาวเนี่ยมันมันจะไปได้แบบคือแบบสบายสบายไปอย่างเงี้ยขนมพ่อมันจะไปของมันเลยอะค่ะใช่เพราะว่าเราไม่ต้องทํำอะไรมันเป็นเหมือนกัว่ามัน มันจุดฝึกมาให้ให้สงบของ ม, มันเองพอถึงเวลาก็เมื่อที่เราไม่ต้องไปทําอะไรก็คือมันก็จะอยูู่กับเราแบบนี้ไปเรื่อยๆล่อค่ะหลวงพ่อสามใดที่เรายังฝึกอะยังฝึกสติยังฝึกสตินั้งสมาที่อยู่ก็ยังอยู่ต่อไปออโอเคนะเดี๋ยวกันนิด เ, เวลามันจะเร็วน้อยนะนเอาคนละห้านาทีไปก็ได้มีอะไรไหมถ้ามีก็พูดได้ไม่เป็นไร อวันนี้พอแค่นี้ก่อนอค่ะหลว่อเพระคุณหลวงพ่อฟาที่างไม่ได้คุณตายเจ้าคตายพะยัะทยาวันนี้อาชนะคเรียนได้นะเข้ามาได้น้องสาวนมัส ก, การนะคะพระอาจารย์ก็พยายามเข้าตลอดล่ะคะ่ะอันนี้ได้ยินผ่ะอาจารย์พูดเรื่องฟันหนูก็นึกถึงตัวเองเหมือนกันว่า ค, คนเรา น, นี้เวลาเวลาแก่ไปมันก็ไม่มีอะไรดีเลยเพราะว่าฟันหนูมันฝู่ข้างในสองซีรอาจารย์ แล้วมันกินอะไรไม่ค่อยได้นะกินปุ๊บ ก, ก็ติดฟันติดฟันต้องถอนออกเล่เออหนูไปอุดคะ่ะพาาระอาจารย์แล้ววันนั้นไปอุดหนูมีเรื่องจะเล่าคะ่ะนึกขึ้นได้พอดีไปหาหมอฟันหมอฟันท่านมีอายุเยอะแล้วนะคะแต่ฝีมือค่อนข้างดีคะ่ะก็แม่ก็บอกว่าไปหาหมอคนนี้สิแต่ก็แต่เขาดุคะ่ะพระอาจารย์พอหนูขึ้นไปนั่งนั่งที่ไปทําฟันนะคะหนูก็ พูดโทพูดโท้เลยนะคะพระอาจารย์ก็คือกลัวค่ะกลัวหนูก็ทําใจพุดโธพุดโธอยู่บนเตียงพยายามทําใจให้มันสงบสงบแล้วก็อาปากให้หมอหมอก็พยายามอุดฟันแล้วเขาก็ดูนะคะพระอาจารย์ดูหนูว่าเก็บลิ้นสิมีสมาธิหน่อยมีสติหน่อยหนูก็โอ้อะไรเนี่ยหมอจะเก็บลิ้นยังไงไม่ให้ไปไปยุ่งกับไอตัวที่ที่เขากําลังจะ อ, อุดนะคะ พอกห้หนูมีสมาธิหนูก็เนนนึกเพียงในใจนะคะว่าโอ้หนูทําสมาธิตั้งแต่ขึ้นบนเตียงที่นั่งหมอแล้วแล้วทําไมสมาธิหนูหายไปไหนแต่หนูไม่ได้กรธคุณหมอนะคะเพราะเขาอายุเยอะคิดว่าเป็นพ่อคนหนึ่งเขาสั่งให้หนูอาปากแล้วเอาลิ้นให้อยู่เฉยๆให้บังคับลิ้นอยู่เฉยๆเอ๊แล้วจะบังคับยังไงเนาะจะให้มันอยู่เฉยๆได้ยังไงยิ่งสั่งให้มันอยู่เฉยมันก็ยิ่งยิ่งไปอีกทางหนึ่งก็จะหนูนี่และการสุดท้ายหนูก็เลยว่า โอจะดูก็ดูเถอะอ๋ยอมละหนูก็อ้าปากเฉยเออมันก็สงบเองนะคะอาจารย์ลิ้นหนูอะ<ต>หนูก็งงกับตัวเองเหมือนกันเนี่ยค่ะที่มาคนเราแท้แก่มาหนูก็ไม่เหลืออะไรจะดีสักอย่างเลยในตัวแม้แต่ข้าวก็จะกินไม่ได้ละคะ่ะอันนี้ก็ไม่มีอะไรค่ะอาจารย์ค่ะรึกสติไปเรื่อยนะสติไปเรื่อย นะคะพระอาจารย์อาจารย์ไปที่แมบบรแลนด์คุณจิ๊ฟหายไปไหนไม่ได้เจออาทิตย์แรกสองอาทิตย์เนีโอ้หกลับมาวัดสการค่ะพระอาจารย์พระอาจารย์สบายดีไหมเจ้าคะก็เหมือนเดิจ้อ๋อพระอาจาย์ปวดหลังเหรอคะไม่ปวดแล้ออตอนนี้ปวดใจพาะเวลาเดือนอ๋อค่ะขอให้พระอาจารย์แข็งแรงนะคะขออนุโมทนากับผู้ที่มอบถวายรถให้พระอาจารย์ด้วยนะคะ ก็โยมก็ช่วงนี้รูปปิดเทอมค่ะเมื่ออาทิตย์ที่แล้วก็ไม่ได้เข้าก็แบบพอมา น, นึกได้ทีอุ่ยเป็นสิบโมงครึ่งของที่นี่ก็คือก็คือเท่าไหร่อ่ะคะ่ะเก้าโมงเก้ามงครึ่งของพระอาจารย์แล้วยมก็ว่าเอออยากเข้าเลยเพราะว่าจะสายแล้วกลัวแบบไปรบ ก, กวนท่านอื่นก็เลยแบบเออไม่ได้เข้าไม่ได้ฝากไม่ได้ฝากสลินทอนด้วยว่ากลับฝากกับพระอาจารย์ด้วยอะไรเงี้ยค่ะไม่เป็นไรเราไม่เป็นไรครับไ่องนาเจะกัเลย<ำ> ค่ะก็ระลึกถึงพระอาจารย์ตลอดเลยเจ้าค่ะพอดีลูกๆหยุดแล้วก็แบบวันพุทธที่เราก็ปั้มอยู่กับเด็กๆทําาอะไรก็จะตื่นก็จะอะไรกันเด็กๆอ่ะค่ะโ mm hmm. ยมก็แบบพอวันพุธช่วงนี้ซัมเมอร์ก็เลยแบบเเขาที่ทํางานเขาให้ทํางานที่บ้านได้เฉพาะ อ, าอนจารย์กับพุธอะไรอย่างเงี้ยค่ะโยมก็เลยเออได้มีโอกาสได้แบบตั้งทํา น, ทนู่นทํานี่บ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะช่วงนี้ก็เหมือนพ่ออาจารย์บอกคุยไปเมื่อกี้บอกอย่าเป็นเพียง มามาอะไรนะมาตินต้นมันใช่ไหม<ช>มัน<ช>ตอนนี้ยอมว่ายอมอมขาอยู่แบบกรีบมาอยู่ข้างหลังแหละค่ะโดนถีบไปอยู่ข้างหลังก็เดีย๋ย <c oughs> วเอาใหม่ค่ะเดี๋ยวรอลอ้อรอบต่อไปการจะขึ้นาใหม่แล้วค่ะคแต่ก็พยายามจะปฏิบัติค่ะพระอาจารย์ก็จะถามพระอาจารย์ว่าสมุดถ้าบันทีมันมีความคิดแบบคืออยู่ดีๆก็ไม่ได้เป็นคนคิดไม่ดีนะคะ แต่บางทีแบบอยู่ดีเอ้าความคิดไม่ดีมาจากไหนเนี่ยแล้วโยมก็เลยเอ้ามันคิดแม่งมันนี้ไม่ควรจะคิดแบบนี้โยมก็ตีเหมือนตีกันเองอยู่ข้างในก็เลยเอาพุทโธละกันพระอาจารย์บอกให้พุทโธพุทโธดักอันนี้ถูกแล้วใช่ไหมคะถูกครับแล้วเราจะ <ทำ S 1> <Jeez. S 1> บาปไหมคะมันจะบาปไหมคะแบบอ้าวถ้าเกิดสมมติมันคิดไม่ดีแบบว่าเอ้าอยู่ดีๆคิดไปถึงเรื่องคนนู้นคนนี้เราคิดไม่ดีอ๋อยังยังไม่บาปถ้าเรายังไม่ไปทํำลายเขายังไม่บ ถ้าอยู่ในใจแล้วเนีู้สนมันเป็นธรรมให้ใจเราไม่สบายฮะถ้าเราคิดไม่ดีค่ะแต่มันเกิดขึ้นมาเองโยมก็งงเหมือนกันเองหรือมันจะเป็นมันเป็นทดสอบเรมันเป็นนิสัยเก่าของเราอมันติดมามันติดมาจากก่อนๆชาติก่อนๆแรงใช่ไหมคะติดเป็นเหมือนเป็นนิสัยเราชอบคิดอย่างนี้มันก็จะคิดอย่างนี้ไปเรื่อยๆแล้วน่าคอยหยุดบ้างคอยเปลี่ยนก็มันคิดเป็นดีก็คิดไปอทางที่ดีแท ค่ะก็เอาพุโธแบบเอาทางธรรมะเข้ามาข่มมันซะคือให้มันไม่ได้มันก็ยังจะคิดอยู่เรื่อยๆแต่เราก็พยายามแบบต้อนต้อนมันให้มันไมันคิดไม่ดีเราก็หยุดมันหยุต่อไปมันก็ไม่คิดถ้าเราหยุดมัค่ะแต่ถ้ามาถึงจุดจุดหนึ่งมีสมาธิมากพอแล้วมันก็จะเป็นปัญญาตลอดมันก็จะไม่มีแบบหันกลับไปคิดไม่ดีแบบนี้ใช่ไหมคะใช่ถ้ามีปัญญามันก็จะไม่คิดค่ะ ค่ะก็ไม่มีอะไรครับอาจารย์ที่ทํางานโยงก็จะมีคนก่อกวนก็พยายามยอมหยุดเย็นอย่างพระอาจารย์ว่าอยู่เจ้าที่ว่าเป็นเหมือนลมพัดแดดออกแล้วนั่นเขาเป็นธรรมชาติเราไปควบคุมบังคับเขาไม่ได้ใช่ค่ะโยงก็เลยมาปรับตอนนี้ก็คือโอเคเราทําของเราดีที่สุดแท่นี้ค่ะพระอาจารย์ขอพระอาจารย์ทัดคันแข็งแรงนะเจ้าค่ะดีใจที่ได้เจอพระอาจารย์ดิฉันเดียร์พระอาจาร ใชลลึกถึงสมอนะเจ้าคะข อ, อ, อสาธุคะ่ะที่บบทบบิบาเทวุับอสบกลบัมิการพระอาจารย์ครับอ่าเป็นยังไงครั บ, บสบายดีครับวันนี้เข้ามาฟังธรรมครับมาเขสักสองอาทิตย์ก่อนได้ได้เข้าไปดูอ่าศพที่ที่เคเล่าพระอาจารย์ฟังนะครับที่เขาให้ไปลองทสอบอุปรกรณ์ในคนคนใช้ที่เพิ่งเสียชีวิตนะครับกบ็ก็ดีเหมือนกันครับเพราะว่า มันผมก็ปดีพิจารณาเรื่องธาตุอยู่อ่าที่อาจารย์ไปสอนนะครับเออครับธาตุดินธาตุน้ำธาตุลมธาตุาไฟผสมเขาก็เหมือนกับอ่คพึ่งเสียแล้วก็เขาก็แช่ตู้เย็นนะมันก็จะเหมือนคนปกติเลยแล้วก็ก็จะไม่มีลมไม่มีไ ฟ, ไฟเหลือแต่ดินกับ น, น้ำอะไรเงี้ยครับก็ดูแล้วก็ก็อก็ดีครับแต่ว่าแต่ว่าก็จะได้ตอนแรก็จะเหมือนเห็นคนเป็นคนตายไม่ค่อยต่างกันก็เป็นธาตุเหมือนกันนะแต่ว่าจะได้อยู่แค่สักไม่นานครับเพราะว่าพอ พองานมันยุ่งยองหลายๆอันแล้วก็อ่แล้วก็ไอ้กําลังไอ้ตรงนั้นมันก็ก็ก็ดูแล้วมันก็โอเคมันก็หายไปแล้วพอพอช่วงนี้มาว่างขึ้นนิดหนึ่งมันเริ่มมีเวลามีสัตธรรมสมาธิทําอะไรมากขึ้นมันก็มันก็ก็มันก็จะเล็กขึ้นหลงๆครับนะแล้วตอนนั้นมีโอกาสได้ถ่ายถ่ายเก็บไว้กั็ดีเวลาไม่มีเวลามันจะจางหายไปก็เปิดอย๋อครับตอนนั้นแต่ว่าก็จําได้อยู่ครับเพราะว่าก็อ พอเป็นเหมือนกับเอาคนมาแล้วก็ลองให้เราใส่สายอะไรเงี้ยเพราะเหมือนคนปกติปกติถ้าเราก็จะเจ็บในตรงที่หนังใช่ไหมเราใส่สายไปก็จะไม่รู้สึกเราก็จะเห็นจากภาพิกเซลเลยแต่ศพเนี่ยเราก็ทายกันก็ดูแล้วก็ันเป็นคนตายจริงก็ก็เป็นดินน้ํารวมไฟไปเหมือนกันนะครับเหมือนที่ไม่มีลมหาใจอล้ว S <S ใช่ครับแล้วก็ <S <S <ๆ>แล้วก็ตัวที่จะเย็นเย็นเฉียบเพรา ะ, ะตอนนั้นก็ไม่มีกลิรร่นนะเพราะสัง่งเพราก็บอกว่าเห็นน้องที่เขาอยู่ทางอนาโตมีเขาบอกว่ากลิ่นก็เกิดจากอาหารที่ที่เรากินไปแหละแล้วพอ<ม><ๆ>พอมันวันสองวันมันเริ่มเสียเมื่อจะมีกลิล่นเน่ากลิ่นอะไรเพราะฉะนั้นสอบที่เห็นก็ก็จะไ ม, ไ, ม ไ, มไม่ไม่ได้มีกลิ่นี่อะไรครับนะแล้าก็จะมีการหลอนน้ําให้มันก็จะมีน้ำหลอกหกมาลงเท้าผมเหมือนกันแต่ว่าแต่ก็ไม่เขารู้สึกมันสกปรกแต่ก็ไม่ได้รังเกียจนะครับเว่าเขา รูสึกเออมันก็เป็นมันก็เป็นทีนก็เหมืนกันคนเป็นก็ร่างกายมันร่างกายเรามันก็เหมือนกันเอ่ใช่ครับใช่ครับก็เป็นองค์ประกอบมาแล้วก็ใช่ครับมาแล้วก็รู้สึกว่าบางทีไอ้ตัวไอ้ความรู้สึกจริงๆก็เป็นเส้นประสาทถ้าตรงนั้นไม่ได้มีเส้นประสาทถึงก็ให้เป็นคนเป็นมันก็มันก็ไม่มีความรู้สึกมันจะใส่สายเข้าไปในหลอดเลือดเนี้ยมันก็ก็ดูแล้วก็โอเคก็ก็ดีฮะแต่ว่าก็แต่ก็มาติดตรงไอ้ตรงเวลาที่จะไปปฏิบัติต่อรู้สึกก็เสียดายอยู่พอ พอ ง, งานมันเยอะๆแล้วมันบางทีก็โดนตามก็ ม, นนมีนู่นมีนั่นเราก็บางทีก็สึกทํำไม่ทันทําไม่ทันก็ทําให้ ใ, หใหเวลาที่จะไปพิจารณาตรงนี้ก็ก็ก็น้อยลงไปครับแต่ว่าก็ก็ยังยังยังจําภาพได้อยู่ครับรก็จำด้ว่าตัวเราต่อไปก็ต้องเป็นเหมือนเขาไล้ใช่ครับอันนั้น <laughs> เป็นปกติอันนั้นอันนั้นอันนั้นอันนั้นอันนั้นทราบครับว่ามันมีเกิดก็ต้องมีแก่มีตายเป็นธรรมดาครับมา เป็นอะไรที่เลียงไม่ได้ครับก็เขาพยายามปฏิบัติอยู่ครับแต่ว่าก็เอความสามารถก็สึกขึ้นอยู่กับงานงานมันเยอะมันก็จะดึงเวลาสติสมาธิเราออกมันก็พอพอช่วงยุ่งยุ่ก็จะก็จะกำลังก็ลดลงพอช่วงว่างขึ้นมีเวลาก็จะดีขึ้นครับนะก็ยังขึ้นขึ้นลงลงอยู่ครับสติเรามันยังไม่รังไม่ต่อเนื่อ ครับกานทอนกคือคือผมกําลังมองอีกอย่างไม่แน่ใจว่าถ้าอย่างพ่ัถงานมันไม่ยุ่งมากเราหรอกคำชาช้ามันก็สามารถจะตามได้ตลอดแต่ว่าพอมีงานมาซ้อนๆกันหลายอย่างบางทีทําก็ไม่ทันเดี๋ยล้วแล้วก็มีอิมเมอร์เจนซีเข้ามาเลยมันก็มันก็เลยแบบมันก็เลยเหมือนกับต้องไปอยู่ไปงานอะไรเงี้ยมันก็ทําให้ไอแต่ก็ไม่รู้จะแก้อย่างไรก็ต้อง ต้องเอาเปลี่ยนตัวออกมาท่านใ่ยาใช่ใช่มันจะอยู่หรอล่ายู่เมันก็ต้องเหมือนขึ้นเวทีก็ต้องไต่กันไปก็ไตครับต้องไต่มาแล้วต้องไต่กลับไปใช่ครับมันเหมือนไปอยู่ในกระแสแล้วเพิ่มก็มันก็ต้องถึงเราจะรู้จะอะไรแต่ว่ามันก็ก็ก็ไม่ไม่ทันไม่ทันครับมันก็จะทันช่วงต้นแล้วพอสักพักเราก็เหมือนโดนลากตามไปครับบารจะได้ผลก็ต้องไปปลดไยนเมฆอ่ะ ครับนะแต่ช่วงท้าปิกวิเวกกดีครับก็ได้เอาเอาพวกตีก็เป็นก็เป็นสิ่งที่ดีเหมือนกันก็อยู่ในอาชีพนี้ก็ได้เห็นได้มีโอกาสอะไรที่เอย่างสมัยนี้ก็หาหาศพแบบที่เพิ่งเสียเพิ่งอะไรคงคงมานั่งไลดูนั่งดูอย่างที่ไม่ไดยครับนะมันก็มีโอกาสครับนะโอเคก็พยายามปฏิบัติอยู่ครับนะได้ครับผมครับอันนี้ก็นะได้ครับครับคุณบางวันไหนสามยอห้ายย ครับนรัศการเจ้ก็จริงอย่างที่พระอาจารย์ว่าค่ะพอเราอยอมหยุดเย็นค่ะแล้วหนูก็ยิ้มพอยิ้มเสร็จาที่เรา ท, ที่ที่หนูขอพระอาจารย์คือยอที่ห้าคือมีเวลาในการพิจารณามีปรัชนาญาณมีเวลามากขึ้นจ้ะเมื่อเมื่อสาวที่แล้วค่ะไปพาพนักงานที่โรงแรมไปแข่งกีฬาในวสปอร์ตเดย์ค่ะที่กรุงเทพหนูก็พกหนังสือพระอาจารย์ไปด้วยเป็นตังข้าูตรแล้วก็ แล้วก็ตอนที่เขาแข่งกันน่ะหนูก็มองเห็นน้องๆที่แข่งกียาเป็นกระดูกตีแบตอะไรเงี้ยค่ะ<ม>ก็พยายามมองตรงนั้นนะคะพยายามใช้ทุกวินาทีที่ทํางานให้มันเป็นธรรมะมากที่สุดค่ะเดี๋ยผมมองคนในรูปมูมเมลหนึ่งจะได้ไม่ลงไหลกับความสวยงามาของร่ารงกายเพราะกลับมามองที่ตัวหนูหนูมองเป็นซากศพไปเลยค่ะเหมือนแบบศพขึ้นอื่นหนังเหี่ยวยน่นอะไรอย่างเงี้ยนะลองมาดูเพื่อนที่ค่ะ ก็ปฏิบัติทำต่อไปเจ้าค่ะอาจารย์ดีโอเคคัตอนนี้เวลากล้จะหมดแล้ตองเร่หนะโอเคขันจเลนตอนต่อขันจเลนตอนประกาศนรมการพระอาจารย์เจ้าค่ะวันนี้ยมเข้ามาร่วมรับฟังถามค่ะไม่มีคําถามค่ะไม่มีอะไรนะสบายดีนะสบายดีค่ะพระอาจารย์ผ่านได้เลยค่ะไม่เวลาแล้วมีเวลาพอจะพูดได้บ้างไม่ถึงกับมเป็น ไม่ถึงคำวิสวรณ์สิพูดได้มาถ้าอยากจะพูดอะไรก็พูดได้มันมันไม่มีอะไรรายงานค่ะพระอาจารย์ก็ยังต้องปฏิบัติค่ะขอบคุณนะคะพยายามปฏิบัติไปเรื่อยๆกันนะค่ะค่ะขอบพระคุณพระอาจารย์เจ้าค่ะไปที่คุณบอสสุทัาเสนนรัตสกันเถอะพระอาจารย์เจ้าค่ะ อ่าเป็นยังไรมีอะไรไหมมีก็ค่ะถามว่ า, ว, าวันนี้ขึ้นทําข้อสอบเจ้าค่ะพอดีว่าวไปหักแล้วคุณหมอบอกว่าเป็นเนื้องอกอ่าเป็นเนื้องอกที่ ก, ก่อนหน้านั้นมีอาการปวดท้องแบบปวดเป็ น, ปนหๆหายๆพอปวดก็สักพักนึงมันก็จะหยุดเองเจ้าค่ะเป็นมาระยะใหญ่ก็เลยเอ๊สงสัยขึ้นมาก็เลยไปตรวจ พอตรวจก็เจอเลยเป็นเนื้องอกที่มดลูกเจ้า่ประมาณถี่เซนแต่ว่ารู้สึกว่าขณะตอนที่คุณหมอเขาอันตรซาแล้วก็วินิจฉัยเราเราก็รู้สึกว่ามันเฉยๆเจ้าค่ะก็เลยรู้สึกว่าทำมาสามารถคุ้มครองปกป้องจิตใจได้เลยเจ้าค่ะเพราะว่าลูกทำการบ้านทุกวันเจ้าค่ะใช่ดีมากเราทำอะไรไม่ได้แล้วยให้หมอก็ดูแลไป เราก็เป็นเหมือนพยาบาลคอยคอยดูแลไปด้วยแล้วค่ะเหมือนจะมันจะเป็นยางไงรักษาได้ก็รักษาไปรักษาไม่ได้มันจะเป็นอะไรก็ต้องหไหวไปด้ไปแล้วค่ะก็พยายามพิจารณาความไม่เที่ยงของร่างกายแล้วก็พิจารณาถีา่แล้วค่ะมันอาจจะเป็นเวลาของเราก็ได้ไมิยังไม่ถึงเวลาก็ได้ก็แท้แต่เราต้อง เ, อเราต้องรับกับสภาพให้ได้นะ ได้สบายมากเลยเจ้าคะ่ะท่านพระอาจารย์ใช่ไะเฉยไปวางใจเฉยไปว่าเราไม่ได้เป็นร่างกายเราเป็นผู้รู้เราเป็นผู้รู้ก็มุ่งไปเฉยเฉยใช่แต่ว่ามุ่งไปเจ้าค่ะทีนี้ลูกไม่ได้มีคําถามอะไรเจ้าคะ่ะแต่ว่าสามีกับมีคําถามเจ้าค่ะกับรูกวนเรียนถามท่านพระอาจารย์ค่ะเขาอยากให้ถามได้ค่ะเขาถามว่าอืม อธิษฐานบา ร, รมีในบา ร, รมีสิบขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าต้องทําอย่างไรเจ้าคะ่ะคือเป็นการตั้งใจนะครับถ้าเราไม่ตั้งใจบาทีเราก็จะไม่ได้ทําสิ่งที่เราควรจะทำํำจะตั้งใจจะรักษาสีอย่างเงี้ย่าอธิษฐานถ้าเราไม่ตั้งใจเราก็อาจจะรักษาบ้างไม่รักษาบ้างแต่เราตอนนี้จะรักษาสีเนี่ยเรียกว่าเป็นการตั้งใจในอธิษฐาน บาีศิลอธิษฐานนี้ไม่ได้เป็นความหมายว่าขอแต่เป็นการตั้งใจตั้งเป้ากำหนดทิศทาขงของการปฏิบัติของเราสำหนจในสิ่งที่เราต้องการจะปฏิบัติเหมนตอนที่พระเจ้าจะตัดสรุประสงค์ตั้งจิตอธิษฐานมันจะนั่งภาวนาจกว่าจะตัดสรุปนี้คืออธิษฐานถ้าเราไม่มีอธิษฐานเราก็จะไม่มีเป้าหมาย อ่าจ้าอาจจะทําแต่ตามอารมณ์วันนี้อยากจะรักษาสิ่งนั้รักษาไม่รักษาก็ไม่รักษาแต่ถ้าเราตั้งเป้าตามไปนี้จะรักษาสิ่งทุกวันมันก็ต้องอเป้าต้องทำนะนี่คืออธิษฐานข้อที่สองเจ้าค่ะเขาเขาถามว่าอาการเจ็บไข้ได้ป่วยของคนแต่ละคนเจ้าค่ะอา่าถ้ามองในทางธรรมะ อ่าสามารถมันเกิดขึ้นจากอะไรเจ้าคะมันเกิดจากการเกิดเงินทุกคนถ้าไม่เกิดมันก็ไม่มีแก่ไม่มีเกลียดไม่มีตายนี่แจะเจ็บมากเจ็บน้อยมันก็อยู่ที่บุญือบาป ท, ที่เคยทํามาส่วนนึ่งน่าจะมีเรื่องสาเหตุพฤติกรรมการอยู่การจริงของเรามันก็มีส่วนที่จะทําทให้การเจ็บไข้ได้ป่วยมีมากไม่น้อยต่างังไปถ้าเรารู้จักดูแ ล, ลรักษาสุขภาพมันก็เจ็บน้อย ทามันรู้จักดูแลก็ อ, อาจจะถทำให้มันเก็วบว่าแล้วมันมีหลายสายเหตุมีหลายปัจจัยด้วยกันเจ้าค่ะลูก่อกเข้าไปว่าถ้ามันเกิดจากวิบากลูกก็ยอมรับได้สบายมากเจ้าค่ะใช่อาจจะเป็นวิบากกรรมก็ได้แต่อาจจะเป็นเรื่องภาวะของร่างกายที่มันจะเป็นก็ได้บางทีดเราได้ร่างกายที่มันอาจจะมีกรรมพันธุ์อะไรมาอย่างเงี้ยก็อาจจะเกิดจากกรรมพันธุ์ก็ได้ แต่ไม่ถูกกับความเจ็บนะเจ้าค่ะเพราะว่าวมันี่เป็นืนนเเขาเกระจากพฤติกรรมการกินการอยู่ของเราก็ได้จะไปกินนู้นกินนี้อะไรที่ไปทำให้มันเกิดมีโรกนี้ขึ้นมากมาไ็ได้ไใช่ไหมเจ้าค่ะแต่ข้อสำคัญมันอยู่ที่ว่าใจเราเป็นยังไงครับใจเราเฉยหรือไม่เฉยนี่เป็นที่เ ป, เป้าหมายของการปฏิบททัติของเราพยายามทํารักษาให้ใจให้มันเฉยได้ ว่าจะเกิดขึ้นกับร่างกาย้วยอมหอยุดเย็นยอมรับสภาพแล้วก็หยุดหยุดที่จะต่อสู้หัวใจเราก็จะเยน็นเหมือนการทําข้อสอบครั้งครั้งนี้กับรู้สึกว่าแบบมันเยน็นมันสบายออมันว่าเราทําข้อสอบข้อนี้ผ่านเจ้าค่ะแต่ว่าออหนักกว่า น, นี้ก็ไม่แน่ใจเจ้าค่ะแต่ถ้าแค่เนื้องอกมันไม่รู้สึกอะไรเจ้าค่ะไปเรื่อยๆก็ดูไปเรื่อยๆ มันอันนี้สืบมาถ้าเจอข้อสอบอย่กั้นทุกคนใช่เจ้าค่ะใช่ไหมเจ้าค่ะนั่นก็นถือว่านี่เป็นการทํามีการซ้อมลบก็แล้วกั น, กนยังไม่ได้เจ อ, อคู่ต่อสู้แชมป์คู่ใหญ่นนะอันนี้เอาคูแเล็กๆไปก่อนซ้อมไปก่อนอถ้าเราผ่านได้ต่อไปแล้วก็จะผ่านได้ไม่ต้องกลัวนะ เพรารหยุดไม่ได้สภาพของร่างกายเจ็บเจ็บตายในี่นมีใครหยุดได้แมแต่พระพุทธเจ้าก็หยุดมันไม่ได้แต่ใจเราไม่ต้องไปเถียงร้อยเราไน่ได้ถึงที่เราต้องทํานะรู้กับขอบพระคุณท่านพระอาจารย์เป็นอย่างสูงนะเจ้าคะ่ะถ้าไม่จะไม่มีวันนี้เจ้าคะ่ะถ้าเจอข้อสอบทรงแบบเคลียดกินไม่ได้นอนไม่หลับอันนี้มันรู้สึกมันเหมือนปกติก่อนรู้กับหลังรู้มันเหมือนกันเจ้าคะ่ะ ได้ยัแสดงมาเราสอบผ่านัแค่ว่าถ้าคุณหมอให่ไ้ทำอะไรก็ทำตามที่เขาเขาน <ทำ S 2> ัดก<ป>็ทำไปก็ให้คมโอก็เคมโอไปผ่าก็อ่าไปแล้วค่ะท่านาจา์อันนี้ลูกสาวอยากกับท่านาจารย์ด้วยเจ้าค่ะอากอยาก่างไรเจากท่านผาจญหลุกอ่าวันนี้ไม่รบกวนเวลาแล้วนะเจ้าค่ะนะได้ได้สบายสค ไป <Okay. S 2> <Okay. S 3> ที่ท่านตอบไปเลยนะหาเออคุณธิติมาเลยธิติมาอยู่ที่ไหนเพิ่งเข้ามาเพิ่งเข้ามาแล้วคือเข้ามาแล้วค่ะพระอาจารย์กลับนวสการค่ะอ่ที่ไหนนะอาอยู่ดอนเมืองค่ะพระอาจาร์าค่ะวันนี้ไม่มีคาถามค่ะเข้ามากับพระอาจาร์แล้วก็ฟังธรรมค่ะ okay. ไปด้วยคนพักที่นัน่นพักที่นัน่น น้าวัชกข่าพระอาจารย์มีอะไรไหมที่เคยมากาดพั้งที่แล้วกับลูกสาวอะค่ะ ท, <c oughs> ที่ที่ที่พระอาจารย์บอกว่าเหมือนกับน่าจะแบบ ม, มีมีกรรมด้วยกันมาร่วมกันกับทั้งพ่อเขาแล้วก็ลูกเขาที่เอ อ, เ อ, อใช่ค่ะแล้วก็วันนี้ค่ะอ่าพู้ไป จะจะจะมาบอกพ่ออาจานว่าเดี๋ยวตั้งใจาะกินข้าวแค่วันละมื้ค่ะเพราะว่าจริงๆหมอก็สั่งให้ลดน้ําหนักแล้วค่ะแล้วก็ป่วยเยอะเหลือเกินค่ะแล้วก็กินเยอะมันก็ตัวขี้เกียจมันก็เยอะค่ะดีได้ทําได้ก็ดีเัมือนกับคุณกาแฟนี่เขาต้องต้องเป็นนักสั่เดีแน่นะค่ะแลก็มีค่ะ มีตั้งใจแล้วต้องทำให้ได้นะอธิฐานแล้วเลิกอธิฐานแล้วต้องมีสัจจะสัจจะอธิฐานสัจจะก็คือไม่ไม่เปลี่ยนคำพูดไม่เปลี่ยนความคิด <c oughs> <c oughs> แล้วก็ต้องมีขันติอดทนมื่อใดหิวว่าต้องอดทน <c oughs> ผมไม่ตายหรอกหิวแค่นี้บอกไม่ตาย <c oughs> กิเลยตายเพราะกิเลสไตายใช่มเนี่นย ร่างกายจะได้ร่างกายจะได้แข็งแรงขึ้นร่างกายจะได้ร้องไจะได้น้อยลงอะคุณค่ะพัดจ๊ะโอเคมีอะไรไหมขอขอถามอีกนิดนึงค่ะพอดีว่าเอ่อมีรู้สึกแบบโกรธคุณแม่นิดนึงค่ะพอดีว่าปกติอะน้องสาวจะอยู่อยู่เวลาจังหวัดแล้วทีเนี้ยน้องสาวค่ะลงมาสัมมนาที่ที่ที่กรุงเทพแล้วแม่ก็เลยมนาะแล้วก็ คือเราก็รู้อยู่แล้วค่ะว่าน้องก็คือเป็นลูกรักแม่ตลอดอยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เรายิ่งเหมือนพอพอเขามามาอยู่ด้วยกันเราก็ยิ่งเห็นว่าวบบโอ้แม่รักมากแม่เหมือนชมน้องน้องนี่ดีสุดๆไปเลยอะไรอย่างเงี้ยคือบางทีเราก็น้อยใจค่ะเพราะเราก็เป็นคนที่แบบอยู่กับแม่ดูแม่ตลอดละอะไรย่างเงี้ยแต่เราก็เราก็ยังไม่ใช่ลูกหลักที่สุดของเขาหรือว่ามันไม่ใช่อย่านะเรา แต่มันเหมือนคนใกล้เกลือกินดาบอย่เงี้ยไม่รู้คุณค่ของเกลือดูดีกว่าดาบตอนก่อนถ้าเราไม่ได้อยู่กับแกแล้ว ก, การถึงจะเห็นคนข้าวองเร า, าเวาอยู่กับแกทุกวันใจอาจจะเบื่อบ้างธรรมดาส่วนคนที่นานๆม า, นน า, นนานที่เห็นแล้วก็ก็เลยดีใจคิดถึงอะไร น, นั่นเองเออของใหม่แต่าไปคิดอะไรเลยนะคิดว่าเรามีหน้าที่เล้ยดูแม่แล้วก็ทำไป เป็นแม่เขาจะเขาจะคิดยังไงเราก็ปาเป็นความท้าของไม่ได้อ่ะไม่มีคําถามแามาะนะคะพระอาจารย์โอเคอย่าไปเสียใจอย่าไปเสียใจยปเป็นเรื่องธรรมดาคนที่อยู่ด้วยกันมกักจะไม่เห็นคุณค่าของการรักกันจนะนกว่าจะไม่ได้เจอกันถึงจะโอ้มันไม่อยู่เราลาบากเนี่ยว่อยาอย่างนี้มันจะมันข้ามขึ้นไปรนะดีค่ะ แล้วอย่าไปคิดอะไรเราทำบุญเพื่อตอบแทนบุญคุณทดแทนบุญคุณ น, น, นะท่านเออลี้ยงดูเรามาแล้วนี่หน้าที่ของเราที่เราต้องต้องตทดแทน <Precis. S 1> เราทำโดยที่ไม่ได้หวังให้ท่านต้องหวรักเราหวชอบเราพระอาจารย์นะเนี่ยอย่าไปหวังผลตอบแทนเย่่าเราท่า น, ทนให้เรามามากพอนะให้ชีวิตเรามานี่ก็เหลือเฟือแล้วอัอนนี้เป็นหน้าที่ของเราที่เราจะต้องตทดแทนคุณ น, นะไมนต้องไปหวังว่าท่านจะต้อง พอใจหรือรักเราอยากรปมาทำของเร า, นะาแล้วเราจะาไม่เสียใจเ ข, นะข้าใจไหมเข้าใจค่ะอาจารย์โอเคนะอาาี่ก่อนนะไปที่คนสุดท้ายปินจอยปัทยาจอยว่าไงหนูอ่ะกล่าวว่าเข้าแรงๆแหนูปิดตุดบอยตลอดเลยค่ะไม่มีไ ม, ไม่ไม่มีอะไรค่ะหนูก็เหมือนเดิมค่ะ เหมือค่ะได้นหนุ่ยก็ไปใส่บาตรไม่ดีขึ้นไม่เร็วลงใช่ค่ะมันมันอยู่อย่างนี้อยู่ตลอดไม่ดีขึ้นไม่เร็วลงแต่ก็พยายามเอ่พูดโทรบ้างแล้วก็รู้รู้ตัวบ้างบ้างค่ะว่าเราทําอะไรอยู่อะไรค่ะแต่ไม่ก็อยากขาดใส่บาตแล้วแต่ถ้าเคยใส่ก็ใส่ไปเรื่อยๆค่ะค่ะไม่ขาดแน่ค่ะค่ะแลแต่ว่ารอบนี้ดีค่ะหนูเห็นพระจานทร์นั่งรถโอเคค่ะเหร็จแล้วสบายใจดีค่ะ ค่ะเราใส่เราก็ไม่ต้องกลัวว่าเอ่อเดี๋ยวปวดขาปวดหลังเพราะหนูเห็นท่านหนูเห็นพระจันเลยอันนี้ตลอดพอหนูเห็นก็สบายใจค่ะใส่บาตได้สบายใจโอเคสาวถึงไปที่คุณล่าตอบคุณล่าในปีคำถามมีสองคำถามจากทาง Facebook และ Youtube ค่ะคำถามแรกจากคุณวาสนาน้อมกราบเรียนถามครับศีลเราสะอาดมากเท่าใดยิ่งช่วยให้ จิตในเวลานั่งสมาธิรวมได้ง่ายกระผมเข้าใจถูกต้องไหมครับก็มีส่วนเพราะว่าถ้าเราไม่เราไปทำบาปใจเราก็จะไม่มีความวิตกกังวลบาดตัวแต่ถ้าเราไปทำบาปมันก็จะมีความวิตกกับบงวลได้นะละทำสมาธิมันก็มีส่วนแต่มันไม่ใช่ส่วนเดียวที่จะทำให้จิตเราสงบได้ สติที่สำคัญกว่าต้องมีสติด้วยคำถามสุดท้ายจากคุณสตูดิโอวันกิจของสงฆ์คืออะไรครับงา อ, อกิจของสงฆ์ก็ศึกษาพระธรรมคับสอนแล้วก็ปฏิบัติตามองสอนแล้วกิจที่ที่ต้องทำเป็ น, นปนระจาก็คือบิณฑบาตอย่างนี้บาที่ก็ไปคับสอนจะได้ เวล า, าพระบวชใหม่เพราะนี่พระพจะสอนจิตสี่ชั้สี่ข้อให้พระปฏิบัติคือบิณฑบาตใช้พ้าบังสุกุลอยู่ตามคนบ้านแล้วก็ใช้ยาดอกน้ำมูดเป็นยารักษาโารคภัยไข้เจ็บเคลื่อ้พระอยู่แบบบ้างน้อยสงกแล้วก็ไปปฏิบัติธรรมฐานเยาสาวลมาพิจารณาร่างกายมาไม่สวยไม่งามไม่เทีย่ยงยินดีหน้าลงไฟอะไรก่นี่เป็นจิตสองส่ง พอใจนะแต่ยังมีมากกว่านันที่พูดแบบคร่าวๆให้ฟังได้โอเคนะ<า>วันนี้วจวันนี้นะักที่ว่าพอสมควรเก่เวลาก็ขอให้ท่านตรงเมอเาสิ่งที่ท่านได้ยินได้ฟังไปพิพจารณาไปปฏิบัติเพื่อความสุขความจเจริเก้าหน้าในตุาที่ยิ่งขึ้นไปเถอ